บทที่10เมื่อยังเห็นพี่ชายและเพื่อนทั้งสมคนยังนั่งเงียบงันกันอยู่เช่นนั้นหลอนก็บอกต่อมาว่าทุกคนเคยว่าน้อยว่ามักจะเพิรเจอร์ได้ยินได้เห็นอะไรแปลกๆที่คนอื่นเขาไม่เห็นไม่ได้ยินด้วยเสมอแต่คราวนี้โดยไม่นักกันไว้เลยทั้งสามคนตื่นขึ้นมาสอบทานความรู้สึกของการละกันเองซ้ำยังเป็นความรู้สึกที่ว่าได้ยินเสียงเหมือนกันอีกด้วยถึงกับลุกขึ้นมานั่งร้องรกัน เอางี้ดีกว่าค่ะตอนนี้ทั้ง3ามคนยังได้ยินเสียงประหลาดนั่นอยู่อีกไหยเชษฐาชา ย, ยันและอนุชากระพริบตาปริบๆมองดูกันเองไปมาอยู่อึดใจตอนที่เราลุก ข, ขึ้นมาตั้งใจจับเสียงฟังกันอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกแล้วนอกจากเสียงน้ําตกเท่านั้นหรือแกยังได้ยินอยู่ว่าไงกลางเชษฐาชา ย, ยันเอ่ยขึ้นเสียงไม่เป็นสุขนะ ทั้งสองราชสกุลพี่น้องมีสีหน้าอันไม่อาจบรรยายถูกใช่ตอนนี้มันเงียบเสียงไปแล้วแต่ตอนที่นอนอยู่เราได้ยินผมก็เหมือนกันครับพี่ใหญ่ถ้างั้นก็เชื่อตามที่น้อยบอกเถอคะค่ะหูของทั้งสามคนฝาดไปและฝาดไปพร้อมๆกันใน แ, แนวทางเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นน้อยเป็นฝ่ายขอร้องบ้างละขอพี่ๆทั้งสามเลิกไปคิดอะไรถึงมันเสียแล้วก็นอนดีกว่า ปากหลอนบองให้บุคคลทั้งสามนอนด้วยน้ำเสียงปกติเรียบเรียกแต่ตัวเองยังนั่งกอดข่าวอัดบุรีแดงอยู่ว่าว่าเชษฐาชายันอนุชายักษ์ไหลขึ้นพร้อมๆกันแล้วเองหลังลงตามเดิมแน่ละยังไม่มีใครหลับนอกจากนอนลืมตาโพรงในสมองของแต่ละคนจมอยู่ในปลากแห่งความคิดวิสวงเชษฐานังสังเกตไปยังกลุ่มของพรานพื้นเมือง นานอินและขยินซึ่งนอนเรียงรายกันอยู่ใกล้ๆปลายเพลิงในเงาตะคุ่มอันกำหนดไม่ได้ว่าใครเป็นใครบ้างในความมืดสลวยยามหนห้แต่ก็เห็นคนเหล่านั้นหลับกันอย่างสนิทไม่มีใครตื่นขึ้นมาสแสดงอาการเหมือนอย่างพวกตนเลยอันแสดงว่าไม่สำเนียกหรือระแคะระคายใดๆทั้งสิ้นบอกให้พวกเรานอนแล้วเธอละ่ะทำไมไม่นอนลงมั่งพี่ชายเตือนมา ดารินมองฝ่าออกไปในความมืดอันลี้ลับเบื้องนอกแล้วก้มลงมองปลายบุหรี่ติดไฟของตนพลิกไปมาช้าๆพร้อมทั้งยกขึ้นอัดอีกเดี๋ยวขอเวลาให้ฉันสูบบุรีตัวนี้ให้หมดซะก่อนทุกคนกําลังคิดอยู่ในทํานองเดียวกันใช่ไหมว่าท่านหลับกันไปหมดแล้วฉันจะออกไปเดินเพ่งผ่านตรวจดูอะไรอยู่คนเดียวตามลําพังประโยคหลังหล่อนเอ่ยมาอย่างเดาใจถูกและหัวเราะเบาๆอย่าห่วงเลย คืนนี้ฉันจะไม่กล้าออกไปพ้นปริมนทนทิภาคของเรานี่รอขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะและขออย่าให้ต้องเตือนกันบ่อยๆในเรื่องนี้พี่ชายกลางบอกมาเสียงอุบอิบรูปปีกหบวกลงปิดหน้าอาการลักษณะ น, นี้ของเขาดูช่างละไมระพินไพราวา น, นีกระไราดารินเหลือบเห็นอยู่แล้วก็สะท้อนถอนใจแต่ก็ข่มจิตสลัดนิวรนนั้นออกไปเสียนั่งกอดเขาด่าโดยบริอยู่เงียบ เชษฐาชายยันคอยจับสังเกตอาการหล่อนอยู่ตลอดเวลาเป็นนามแปลกจิตตรางคขนางเสียงชา ย, ยันพึมพำออกมาเหมือนจะรำพึงกับตนเองและหน่อยซ้ำยังได้ยินเหมือนกันทั้ง3าคนเสียด้วยแกคิดยังไงเชษฐาคิดไม่ออกสัมผัสได้อย่างเดียวว่ามันลี้ลับและแฝงไปด้วยเล่ห์สนายบางอย่างระหว่างพี่ชายใหญ่และเพื่อนพูดกันค้าเวลาก่อนจะลับ ดารินยังสงบนิ่งเฉยถูกแล้วลอนไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือนามนี้ให้พี่ชายและเพื่อได้ทราบถึงสายสนกลไนที่รู้ชัดอยู่แก่ใจของตนเองได้เลยเพราะมันจะทำให้มากเรื่องนี่ถ้าเราดันได้ยินเหมือนๆกันอีกหรือคนใดคนหนึ่งได้ยินอีกจะทำยังไงมิไม่ต้องพักหลับนอนกันเลยหรือชยายยันหยุดอาการบนอยางวุ่นวายใจอยู่ตามเดิม ถ้าเราหรือคนใดคนหนึ่งในกลุ่มของเราได้ยินขึ้นอีกฉันจะยิงปืนที่เราประพรมน้ำมนต์เตรียมไว้แล้วขึ้นฟ้าสักหนึ่งนัด แ, แล้วดูซิว่ามันจะสงบเงียบไปได้หรือไม่พี่ชายใหญ่ของคณะบอดถึงการตารัดสินใจของเขายิงออกไปทําไมให้เปลืองกระสุนครับพี่ใหญ่ถ้าเราไม่เห็นตัวมันผมภาวนาอยู่นี่ขอได้ยินอีกเถอะขอให้ได้ยินเสียงที่มันส่งภาษาบอกความอะไรแก่พวกเรามามากกว่านามที่เราสันนิษฐานว่าเป็นานามของผู้หญิงคนหนึ่ง เผื่อเราจะได้รู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกบ้างไอได้ยินนะ่ะไม่กลัวร็อกกลัวจะไม่ได้ยินหรือได้ยินเพียงครึ่ ง, ง, งๆกลางๆหูกเป็นปมปัญหาชุดนิคิดแบบนี้มันรำคาญใจอนุชาพูดมาจากใต้ปีกหมวกสักรลาดาที่คลุมหน้าอยู่บุรีหมดตัวลงแล้วดารินดีดกระเด็นออกไปนอกเพิงพากใต้ชะ ง, งอนหินใหญ่แต่ก็ยังนั่งซุกหน้าอยู่ในระหว่างท่อนแขนที่กอดเข่าอยู่ในลักษณะเช่นนั้น โดยไม่เอนตัวลงนอนตามที่บอกไว้อีกสามชายก็ยังไม่มีใครหลับแม้ว่าจะทำจิตให้สงบสักเพียงไหนก็ตามณบัดนั้นเองทุกคนของกลุ่มนายจ้างก็รู้สึกได้ถึงการสะเทือนสั่นไหวของซอกแก่งผาที่พากันเข้ามาหลบพักนอนมันลั่นคลึกเหมือนธรณีเคลื่อนเบาๆครั้งแรกทุกคนเข้าใจว่าเป็นอุปทาน แต่ที่สังเกตได้ชัด ก, ก็คือร่างที่นั่งคู้กอดข่าวของดารินไว้เซเสียหลักหลอนอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งเบาๆเฮ้ยๆฮ้เสียงชายยันร้องรัวเร็วปรือพร้อมกับพรวดพราดลุกขึ้นอีกครั้งติดตามด้วยเชษฐาและชายยานันพูทะลึ่งพรวดอย่างตกใจและก่อนที่ทั้งสี่คนจะเอ่ยคำพูดใดออกมากลุ่มพวกลูกหาบและนานอินกับขยินก็พากันลุกขึ้นจากสภาพที่นอนกันอยู่โดยทั่วนหน้า พูดอะไรกันอยู่แท่สาำจับกระแสะความยังไม่ได้จากเปลวไฟในกองที่ก่อไว้อันลุกอยู่วอมแหวมขยินเอาหูแนบลงกับพื้นทันทีส่วนนานอินคลานตะกายเข้ามาหาฝ่ายนายจ้างอย่างรวดเร็วซึ่งก็เห็นว่าทุกคนตื่นพร้อมกันหมดแล้วนายรู้สึกอะไรหรือเปล่าแกถามโดยเร็วถ้ามันไม่ค่อยเข้าทีอยู่นะชาติหินที่เราเข้ามาพักกันอยู่นี่มันไหวขยื่อนอดีตพรานชดตอบสวนไปในทันที ฟังนั่นฟังให้ดีเสียงมันดังพิกลมาจากเหนือหัวเราสูงขึ้นไปบนหน้าผาน้ำตกแกชี้มือขึ้นไปบนเพดานเหนือศีรษะจากสภาพของเสียงน้ำตกสู้ซาที่ดังติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาแล้วมีเสียงอีกชนิดหนึ่งปรากฏแทรกขึ้นมันเป็นเสียงคล้ายๆฟ้าร้องแว่วมาจากเบื้องบนลั่นคลืนในระยะยาวครั้งแรกเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยๆถนัดชัดเจนขึ้นเป็นลาดับ จนเป็นเสียงตูมตามสทานสะเทือนไปหมดเรากับภูเขาหินบนช่อชั้นที่สูงขึ้นไปของน้ำตกใหญ่นั้นกำลังทลมทลายพร้อมๆกับเสียงน้ำพุ่งกระโจนลงมาไม่ผิดอะไรกับทานกพังขยินผู้เอาหูแน่พื้นอยู่ก็เพ่นหวือเข้ามาตะโกนสุดเสียงว่านายหินภูเขาก้านน้าตกด้านนี้กำลังพังสายน้ำแยกจากแนวน้ำตกเส้นทางเดิมกระโจนลงมาทางด้านนี้ เพียงแค่ขาดเสียงระล่ำระลักของขยินเท่านั้นสิ่งที่เอ่ยก็ลงมาถึงตัวแล้วครืนแรกของน้ำที่มีปริมาณอันวัดจำนวนไม่ถูกกระโจนจากเบื้องสูงราวกับเทลงมาจากกระบอกมหายักปะทะตูมลงมากับชานหินที่ทั้งหมดขึ้นมาพักอยู่จนทุกคนกระดอนระเนระหน้าสวนเซกันไปหมดกองไฟและฟืนที่หาาวางเตรียมไว้ถูกน้าระลอกแรก ที่พุ่งลงมากวาดแวบหายวับไปกับตาพร้อมกับกระเซน็นสาดเปีกยกโชกกันไปหมดหลายคนของพวกลูกหาที่ยังยืนเก้ๆกลางๆอยู่นอชะ ง, ง, ง่อนบังหมุนพหวาวคว้างมีอาการเหมือนจะถูกความแรงของน้ำฉุดกระชากให้หลุดร่วงลงไปด้วยทุกคนหลบเข้ามาเร็วท่านหัวหน้าคณะตะโกนกล้องสุดเสียงในขณะที่คว้าเอลน้องสาวเล็กไว้ เมื่อหล่อนมีอาการเหมือศรีรษะจะปากต่ำลงไปเบื้องหน้ากระช่างให้หลบสายน้ําอันกระโจนตูมตามลงมาอย่างบ้าคลั่งเหมือนทะเลพังอยู่เหนือศรีรษะนั้นผลักดันให้หลบลึกเข้าไปในซอกโพรงอันมืดมิดเสียงตะโกของนานอินและอนุชาที่สั่งการเอ็ดอึ้งไปหมดโดยบอกให้พวกนั้นหลบเข้าใต้าชะางอนผาเพื่อให้พ้นแนวพุ่งแทงลงมาของสายน้ํามหืมาทุกคนล้มลุกคลุกคลานและตะกายเข้ามารวมกลุ่ม ชายยานเองขณะนี้ก็กำลังหมุนคว้างยังตั้งตัวไม่ติดเซ <Se ep. S 1> ไปกระแทกหน่หินร้องออกมาได้แต่เพียงว่าพ่อแก้วแม่แก้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่แล้วก็ถูกกรบด้วยเสียงตูมของระลอกที่สองอันดังแรงกว่าระลอกแรกเหมือนแผ่นผาบริเวณนั้นจะพลอยหลุดออกทั้งกระบิขยิดและนานอินกำลังเหนียวฉุดรังพวกลูกหาที่มีอาการจะหลุดร่วงตามสายน้าเชี่ยวแรงเทลงมาจากที่สูงนั้นโดยยึดไว้มั่น หลายคนลม้มหลงและกำลังตะเกยียกตะกายตาหูเหลือกส่งเสียงร้องอึ้งโกลาหลโอลามานกันไปหมดหมุดเข้าไปนายมุดเข้าไปลึกที่สุดระวังชิ ง, ง้อนฝาที่เราเข้ามาหลบอยู่นี่จะพังหลุดตามน้ำลงไปด้วยมุดเข้าไปนานอินมีเสียงเท่าไหร่ก็ตะโกนออกไปแค่นั้นตัวแกเองกระช่าชื่นไนล่อนประจำตัวออกมามัดอย่างรวดเร็วติดกับหน่อหินงอกเพื่อเป็นหลักไว้ก่อน แล้วโยนสายเชือกยาวนั้นออกไปให้พวกลูกหาวใช้เป็นที่จับสาวประคองตัวไว้เพราะบัดนี้บริเวณชานพักต้าชงงนน้องเจิ่งไปได้วยน้ําเชี่ยวกรากที่ไหลาตามกระแสอันพุ่งลงมาโดยแรงที่ยังเหลือค้างอยู่ก็ไหลโกรกสวนเข้ามายัางบริเวณต้าชงอนสำเนียงเสียงคลื่นคลานปานฟ้าถลม่มโลกทลายดังขึ้นทุกขณะและม่านของกระแสน้ําปริมาณเป็นหมื่นหมืนลูกบาทเมตรเทกระหน่ำลงมา ใช่แล้วเคลื่อนแตกอย่างใดก็อย่างนั้นและสภาพของทุกคนยามนี้ก็เหมือนกับอยู่ใต้เกื่อนที่พังทลายเพียงแต่ว่าได้อาศัยชะ ง, ง่อนหินบางประทะประทางไปก่อนเท่านั้นไม่ให้ถูกกระแสน้ำโจรพัดลอยละลิ้วลงไปเสียงน้ำอันอื่ออืงกลบสับผสมเนียงอื่นๆหมดแม้ว่าทุกคนจะตะโกนบอกความอะไรกันจนหมดเสียงพร้อมทั้งพยายามช่วยเหลือตัวเองกับช่วยเหลือกันและกันอย่างเต็มที่ ไฟฉายส่องตรวจดูพวกเราเร็วแว่วๆเสียงแผดแข่งกับเสียงน้ํากระโจนซัดกระแทกแง่หินดูเหมือนจะเป็นอนุชาแล้วบัตรนั้นก็มีแสงไฟฉายกราดาษสว่างจ้าขึ้นสองสาดวงสาดไปยังพักพวกกันเองซึ่งบัตรนี้เข้ามายัดเยียดกันแน่นอยู่ในเขตกําบังของช่ ง, ง่อนหินและกําลังถูกเชิดาไล่ต้อนให้แทรกตัวลึกเข้าไปแค่ในช่องแคบๆเหมือนถ้านั้นเข้าไปอีกโดยไม่คํานึงว่ามันจะมีทางบดเข้าไปสู่ที่ใด มีอันตรายอย่างไรรอคอยอยู่หรือไม่แต่ถ้ายังคืนอยู่กันอย่างบริเวณที่พักนอนโดยอาศัยเพียงเพิงผาอันเป็นชะ ง, ง่อนบางอยู่ล้วนมีสิทธิจะถูกกระแสน้ำที่พุ่งกระากลงมาโดยแรงปริมาณมหาศาลนั้นฉุดกระชากให้หลุดร่วงตามน้ำลงไปได้ทั้งสิน้นและโดยลำไฟฉายนั้นส่องออกไปเบื้องนอกบริเวณที่พวกลูกหาบเคยพักนอนอยู่เห็นแต่ม่น้าขาวทึบเป็นฉากกั้นไว พร้อมทั้งละอองมัวไปหมดระวังของของพวกเราด้วยพยายามขนเข้ามาให้หมดดารินวราริซึ่งบัดนี้ยังยืนเกาะแง่หินอยู่ปากโพรงตะโกนพร้อมกับเต้นอยู่เร่าๆหลอนยังไม่เข้าไปในช่องนั้นหาแต่คอยผลักส่งผู้ลูกขาบที่วิ่งกระเจิงหัวสุกหัวสุนเข้ามาให้เข้าไปในช่องทางนั้นตามลําดับสุดแต่ใครจะแล่นมาถึงก่อนนันอินขยินอนุชาเชษฐาและชัยยัน บัดนี้ตั้งสติได้แล้วท่ามกลางเหตุการณ์ที่เหมือนฝันร้ายทั้งห้าช่วยกันไล่ต้อนพวกลูกหาพให้หลบเข้าไปก่อนโดยไม่คำนึงถึงชีวิต ต, ตนเองปากก็แผดตะโกน ร, ร้องเร่งฉุดได้ฉุดผลักได้ผลักหรือบางขณะก็ใช้เท้าถีบส่งหัวหูใครจะพุ่งไปกระแทกแง่หินแตกหรือฉีกอย่างไรค่อยว่ากันทีหลังแต่ที่สาคัญที่สุดก็คือทุกคนจะต้องหลบเข้าไปในช่องที่ลึกที่สุดก่อนที่จะถูกน้าอันกระโจนลงมา เหมือนทะเลทลมทับหัวนั้นจะฉุดกระชากให้ลอยละลิ้วลงไปมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันด่วนชนิดที่เตรียมตัวรับกันไม่ทันทน่านที่เข้ามาหลบอยู่ในเขตที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วสัมภาระข้าวของจะมีสิ่งใดชิ้นใดถูกน้ำพันผ่านลิ้วลงไปด้วยหรือไม่ไม่มีเวลาเสียตรวจสอบได้ในขณะนี้ ใครคว้าอะไรได้ก็จับโยนส่งต่อๆกันเข้าไปในซอกลึกอันน่าจะปลอดภัยกว่าเพราะสายน้ําที่ถะทงังร่างครูลงมาเหล่านั้นส่วนใหญ่จะกระโจนข้ามชะ ง, ง่อนหินที่กำบังไว้และม้วนเป็นเกลียวพุ่งเชี่ยวกลากต่อไปเบื้องล่างแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าชะ ง, งอนหินฝาที่เปรียบเหมือนเพิงบางอยู่นั้นมันจะถล่มพังลงในวินาทีใดจากความรุนแรงของน้ําที่เทกระหน่ำเอื้องลงมาอย่างน่ากลัวเหล่านั้น มันไม่ใช่น้ำตกธรรมดาเสียแล้วแต่เป็นน้ำที่แหกทำนกพุ่งแยกแนวจากทิศทางที่เคยไหลยอยู่ตามปกติมาทางด้านที่ทุกคนพักนอนกันอยู่เจ้านายเข้าไปในโพรงก่อนเร็วไม่ต้องห่วงทางนี้นานอีจะขนของเข้าไปเองกับขยินเสียงครูพราร้องบอกมาโบกมือไล่ตัวแกเองและทุกคนเปียกชุมช่มโชกไปด้วยน้ำพื้นชานหินลื่นและเพราะเคยมีคราบตะไครมาก่อน และความสะเทือนสถานของอนาบริเวณแคบๆที่ขึ้นมาอาศัยกันอยู่ทำให้ทรงตัวไม่ถนัดซ้ำเพดานด้านบนส่วนที่ชงกอกล้ําออกไปก็มีน้ำทะลักลงมาแสดงว่าชงก้อนหินบริเวณส่วนปลายนั้นถูกแรงน้ำกระแทกแตกร้าแล้วมันไหลอู้ราวกับท่อประปายักษ์แตกหรือไม่ฉช่นั้นก็เหมือนรอยปริแยกของเรือเดินสมุทรที่ถูกตอปีโดโดยมีน้าพุ่งอัดลงมาตามรอยแตกร้านั้น เจ้านายทั้งสี่ไม่มีใครปฏิบัติตามคำสั่งของแก่เพราะไม่มีใครทิ้งใครได้คงใช้สายเชื่อประจำตัวผูกมัดกายไว้กับแง่หินที่คิดว่ามั่นคงที่สุดแล้วไต่ออกไปลำเรียงข้าวของสัมภาระที่ยังวางอยู่ในเขตอันตรายทยอยส่งกันเข้ามาเชษฐาพยายามจะบอกให้น้องสาวคนเล็กของคณะหลบเข้าไปให้ได้แต่ลอก็ยังคงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงภัยนั้นอย่างไม่ยอมถอยซ้ายังตัวเปล่าไม่ได้มัดตนเองไว เครื่องเวชภัณฑ์ของน้อยเครื่องเวชภัณฑ์หล่อนชี้มือบอกเสียงหลงเมื่อเห็นชุดหีบห่อเวชภัณฑ์ของคณะกำลังกลิ้งลุนลุนไปตามกระแสน้ำที่ศาสตร์เข้ามาและวทำท่าจะร่วงหลุดออกไปพ้นชะนอนหินขยีนพุ่งปราดตามเข้าไปตะครุบไว้ราวกับไล่จับลูกรักบี้และบัดนั้นเองทั้งห่อเวชภัณฑ์ภายในการหุ้มมัดไว้ด้วยพลาสติกหนารวมทั้งตัวมันเอง ก็ทลายลื่นออกไปปากทางอันมีสายน้ําพุ่งผ่านช่องเป็นม่านทึบอยู่นั้นยังน่าหวาดเสียวทุกคนร้องลัานย่างตกใจดารินถลาตัวตามพื้นที่นองเจิ่งน้ําอันสูงท่วมขึ้นมาเหนือเขา่าเข้าไปยังขยีนผู้ ก, กําลังถูกน้ําพัดไหลออกไปยังปากทางอันบินเมนั้นทันทีเดียไม่มีใครคาดฝันถึงปากหลอนก็ตะโกนเรียกขยีนช่วงวินาทีวิกฤตนี้ทุกคนตะลึงไปชั่ว ตาเพราะทั้งขยินและดารินไม่มีสายเชื่อที่จะเหนี่ยวรั้งหรือผูกมัดกายไวเลยน้อยพี่ชาสองคนและเพื่อนอุทานเป็นเสียงเดียวและพุ่งปราดออกไปพร้อมๆกันในขณะที่หนานอินผู้อยู่ใกล้ที่สุดปาปลายเชือกไปให้ขยินนั้นถึงอย่างไรก็ยังว่องวายตามธรรมชาติเอาตัวรอดของมันปล่อยมือออกจากคอเวชพั์คว้าเชือกไว้ได้อย่างวุดวิด ตัวเองไปห้อยตองแต่งอยู่ท่ามกลางกระแสน้านที่กําลังพุ่งแรงแต่เป็นด้านในของสายมา่านน้ําส่วนดารินนั้นความที่เป็นห่วงของหล่อนไม่ยอมปล่อยหีบเวชภนันอันเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดของการเดินทางร่างของราชาสกุลสาวกลิ่งตามหีบเวชพัณฑ์นั้นพลัดหลุดร่วงไปพร้อมๆกับมา่านน้าที่พุ่งคลื่นโครมลงมาและหายวับไปจากลําไฟฉายของเชิฐานในพริบตานั้น ทุกคนที่มองเห็นเหตุการณ์มีความรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นขยินเกาะสายเชือกลากตัวขึ้นมาได้แล้วยืนโซเซหน้าเหลือสองนิ้วนานอินยืนเหมือนถูกสาบให้เป็นหินเชษดาจ้องดวงตาเบิกโครงใช้ไฟฉายกราดหาไปยังปากทางนั้นเพื่อจะพบความหวังว่าน้องสาหน่าจะติดแก่งแง่หินอยู่ในบริเวณนั้นบ้างแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากม่านน้ำและลองขาหมว แต่ถึงงั้นเขาก็ยังฉายไฟอยู่อย่างทําอะไรไม่ถูกชา ย, ยันช็อก ป, ปากพางพูดอะไรไม่ออกเราจะตายกันทั้งหมดถ้ายังยืนอยู่ตรงนี้ชะง้อนหินขวากําลังจะพังแล้วผู้ประกาศก้องเตอร์สตทิทุกคนคืออดีตนักผจญภัยสุดยอดอนุชาวราริศแต่น้อยน้อยหลุดลงไปแล้วชา ย, ยันร้องแทบไม่เป็นภาษาคนถอยก่อนแล้วค่อยตามทีหลัง นั่นเป็นคำสั่นที่เฉียบขาที่สุด ข, ของอนุชาฉะงอนผาเนือศีสาที่น้ำกำลังพุ่งลงกระแทกในขณนะนี้ล้านอีกคึกหนึ่งรอยปริร้าวขยายกว้างยิ่งขึ้นทุกคนถอยเดี๋ยวนี้เช่ถาผู้เป็นหัวหน้าคณะตะโกนพร้อมทั้งกระชากปืนพกออกจากซองแล้วยิงขึ้นเพดานถ้ำเสียงเปรี้ยงสนานแทบแก้วหูแตกกลบสำเนียงเสียงน้า อ, อื้ออึงหมดชัว่วขณะในภาวะเช่นนี้วินัยเป็นสิ่งสาคัญที่สุด โดยเฉพาะทุกคนในกลุ่มล้วนแต่เคยผ่านเหตุการณ์ลักษณะนี้บนับครั้งไม่ทุวนแล้วการเงอะงะรอช้าประการหนึ่งการตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดพออีประการหนึ่งมันย่อมหมายถึงความหายนะของตนเองและทุกคนดังนั้นคำสั่งต้องเป็นคำสั่งแม้ว่าแต่ละคนจะมีความภาวะผวาวังวิตกห่วงใหญ่ต่ออะไรสะเพียงไหนก็ตามนานอินกับขยินผู้อยู่ด้านนอกกว่าทุกคนโลดแล่นตามกันเข้ามาในทันที โดยมีอนุชาคอยทําหน้าที่ผลักดันหลังต่อชายยันถูกเชิดากระชางให้พลุกเข้าไปในซอกลึกนั้นเป็นอันดับต่อไปขณะนี้จึงเหลือกันตาละพังพี่น้องสองคนอันล้าหลังซึ่งรู้มือรู้ใจกันดีอยู่แล้วเชิดาเกาะแง่หินไว้อีกปลายหนึ่งยื่นส่งไปให้น้องชายอดีตพรานชดรอบคอบและใจเย็นสมกับเคยเป็นนักผจญภัยชั้นยอดเสมอเขาก้มลงเอามือควานลงไปบนพื้นที่นองเจิงเป็นฟองอยู่ด้วน้ํา คว้าไรเฟิลจุดสาม็นแมกนัมของน้องสาวซึ่งบัดนี้ไม่ทราบเป็นตายร้ายดีอย่างไรขึ้นมาจนได้และจึงตะ ก, กายเข้ามาจับฝ่ามือของพี่ชายใหญ่ไว้พอเช็หาออกแรงดึงจุดอนุชายขึ้นมายืนอยู่บนแง่หินปากช่องทางได้บริเวณชะ ง, ง่อนเหนือศีษาที่กำลังปริร้าอยู่เต็มที่แล้วนั้นก็ถึงการกริยาถล่มคลื่นลงมาเหมือนหลังคาส่วนนอกพัง มันหักหลุดลงทั้งกระบี่พร้อมๆกับน้ําอันกระแทกตามลงมาสนัน่นวันไหวกระทบลงบนชาตที่เคยอาศัยพักนอนกันอยู่และน้ําจํานวนมาคือมาที่พุ่งลงมาก็หล่นลงกระทบบริเวณชาตแห่งนั้นเหมือนคลื่นในมหาสมุทรกระแทกหินโซโครทั้งกระเซ็นน้ําและทั้งสะเก็ดหินหักกระจายออกไปทุกทิศสาดประท้าทั้งเชื้าและอนุชาตเต็มตัว มันก็เพียงแค่หนึ่งในสิบของวินาทีเท่านั้นที่เชิถาช่วยชุดดึงน้องสายพ้นอันตราจากชะ ง, ง่อนหินถลม่มและกระแสน้ำได้แต่ถึงเช่นนั้นความสะเทือนของชะ ง, ง่อนหินพังลงมากระแทกโดยแรงก็แทบจะทำให้ทั้งสองเสียหลักหลุดร่วงลงไปเป็นไรไหมกลางท่ามกลางม่านาน้ำหนาทึบเชิถาร้องถามทั้งสองขณะนี้เปียกโชกไปหมด เรียบร้อยครับรีบเข้าไปกันเถอะอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วถ้ามันกระแทกดังอีกโครมเดียวเราหลุดลงไปแน่สองพี่น้องโต้อ ต, อตอบกันด้วยเสียงตะโกนแล้วทั้งคู่ในการนำหน้าของเชษฐาก็คู้ตัวก้มรอดโพรงอันมีลักษณะเหมือนช่องถ้ำคับแคบซึ่งพวกลูกหาบล่วงหน้ากันเข้าไปก่อนแล้วนั้นยังไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแม้ว่ามันจะนาไปสู่นรกขุมใดก็ตาม ขอเพียงให้พ้นจากภัยเฉพาะหน้าที่คุกคาอยู่ในขณนะนี้ก่อนเท่านั้นพื้นล่างครุขระเต็มไปด้วยนอหินข้างบนเล่าก็ย้อยระเกะระากะาลงมาด้วยรากหินย้อยกระทบร่างกายและศรีรษะทันหลอกปอกเปิงฟกช้ำดำเขียวและบางทีก็แตกเลือดซิบแต่ไม่มีใครคำนึงถึงในขณะ น, นี้มีแสงลาไฟชายสาดจากพ้วที่ล่วงหน้าเข้าไปก่อนแล้วช่วยส่องทางให้พร้อมทั้งร้องบอกทิศ ท, ทางให้ายหน้าไปทางไหน ระหว่างที่สองพี่น้องค่อยๆไตมุดหลบแง่หินเข้าไปอย่างลำบากยากเกย็นนั้นก็ได้ยินเสียงร้องบอกกันมาต่อๆว่าท่านเข้ามาเร็วนายเราพบโพรงกว้างพอจะอาศัยหลบอยู่ได้แล้วนั่นดูเหมือนจะเป็นเสียงของนานอินอันฟังได้ใจความชัดเจนกว่าเสียงเอะโวยวายไม่ได้สับของพวกกลุ่มหาบอื่นๆชั่วไม่นานทั้งเชษฐาและอนุชาก็พยุมตัวเกาะแก่งแง่หินอันคับแคบ บางแห่งแทบจะลอดเข้าไปไม่ได้โดยคนร่างใหญ่อย่างเขาทั้งสองเข้าไปจนถึงบริเวณห้องโถงเล็กๆขนาด20ตารางเมตรอันเป็นกระปเปาะ อ, อยู่ในเส้นทางเดินที่ไต่ขึ้นมาตามปากทางแคบๆนั้นบริเวณนี้ชอนสูงขึ้นมากกว่าระดับตำแหน่งชานหินเบื้องนอกมากน้ำที่กระโจนไหลผ่านอยู่เบื้องนอกกระเซนหรือไหลตามเข้ามาไม่ถึง คงได้ยินแต่เสียงอื้ออึงครืนโครมอยู่เหนือศีรษะอันเป็นเวิ้งเพดานหินสูงขึ้นไปประมาณ 2-3 ถึงเมตรตรงตำแหน่งอันสูงที่สุดเท่านั้นมันเป็นซอกถ้ำภายในอันคิดไม่ถึงมาก่อนว่าจะมีหนทางไต่เข้ามาได้โดยทะลุจากหลือผนังหินบริเวณอันพักอยู่ตอนแรกเข้ามามีปากทางเข้าเป็นช่องรอยแตกของหินแคบเล็กนิดเดียว และทุกคนก็ค้นพบปากทางเข้านั้นโดยบังเอิญเมื่อตะกายหนีอุทกภัยจากน้ําตกที่พุ่งเทลงมาอย่างผิดเส้นทางไฟฉายหลายดวงกราดวูบวาบส่องดูพะควกกันเองที่พากันตะเกียกตะกายเข้ามาถึงลุงอินนับจํานวนพวกเราทุกคนเชิฐาเกาะผนังหินไว้ร้องขึ้นหอบหอบเมื่อมุดเข้ามาถึง เสียงครูพ่านโวกเวพูดอะไรกับหัวหน้าลูกหาบกล้องไปทั้งโพรงถ้านั้นมีการตรวจตราสํารวจและขานชื่อเป็นรายตัวกันอย่างรวดเร็วอึดใจต่อมาแกก็ร้องบอกมาว่าพวกลูกหาบอยู่กันครบกันทุกคนไม่มีใครเป็นไรนอกจากหัวร้างข้างแตกไปบ้างพวกเจ้า น, น, า, นายล่ะนายทหารชายันอยู่ไหนฉันอยู่นี่เสียงช ย, ยันร้องบอกมาจากแง่หินในเงามืด ฉันกับพรานชดก็เข้ามาแล้วเป็นอันว่าพวกเรารอดเข้ามาในนี้ได้เกือบครบเ่ษฐาน้ำเสียงแหบแห้งขาดหายไปเพียงแค่นั้นเขาไม่อาจเอ่ยข้อความใดได้มากไปกว่านี้ได้เพราะทุกคนก็รู้เห็นอยู่กับตาแล้วและภายในครูหาโพรงลึกนี้เหมือนทุกคนจะตะลึงงนันทำอะไรกันไม่ถูกไปชั่วขณะอีกครั้งตางเงียบกริบกันไปหมด คงได้ยินแต่เสียงน้ำเชี่ยวกรากกำลังแรงสูงพุ่งโกรกผ่านอยู่เหนือศรีรษะและเสียงไม้ไรในป่าเบื้องล่างถูกซัดหักโค่นครื่นครันเป็นระยะตามทิศทางที่น้ำพุ่งบ่าลงไปอดีตท่านทูตทหารโบกขวหน้าคณะรูดกายลงไปนั่งกอดเข่ากับพื้นยกมือขึ้นเสรยเส้นผมแล้วสลัดน้ำที่เปียกโชกศรีรษะออกไปจากนั้นก็กุ้มศรีรษะเงียบ พยายามที่จะใช้อำนาจพลังจิตคมความรู้สึกทั้งมวลและรวบรวมสติสามปัญญะอนุชาและชายยันคลานเข้ามานั่งรวมกลุ่มขนาบอยู่ใกล้ๆต่างเอื้อมมือไปแตะแขนพี่ชายใหญ่ของคณะคนละด้านและเอ่ยเรียกชื่อเหมือนจะปลุกปลอบความรู้สึกเบาๆฉันไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงกลางเราจะเอากันยังไงต่อไปประโยกหลังเป็นคำถาม เราไม่มีทางจะทำอะไรในขณะนี้ได้เลยครับพี่ใหญ่เจนกว่าทะเลที่มันไหลผ่านบนหัวเราขณะ น, นี้จะซาลงไปซะก่อนหรือมิฉะนั้นก็จนกว่าจะเช้าเช่ทางเงียบเงันไปอีกขณะนั้นนานอินและขยินก็ค่อยๆเข้ามานั่งจองด้วยอีกสองคนเป็นความผิดของขยินเองที่มัวแต่จะเอาตัวรอดโดยลืมคิดถึงนายหญิงตอนนั้นน้าเสียงแหบห้าของขยินดังขึ้น บ่งความรู้สึกออกมาจะส่วนลึกใจจริงเจ้าไม่ผิดหรอกขยินถ้าเจ้าไม่ช่วยตัวเองก่อนเจ้าก็จะต้องร่วงลงไปพร้อมกับนายหญิงด้วยเราทุกคนเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นโดยตลอดไม่มีใครตำหนิเจ้าได้ท่านหัวหน้าคณะเ อ, อ่ยเสียงแตกคร่าให้ขยินร่วงลงไปแทนนายหญิงเสียจะดีกว่านายบ้านหลมช้างพูดสั้นๆเหมือนจะกล่าวกับตนเอง ความจริงนายหญิงปลอดภัยกว่าทุกคนอยู่แล้วตอนที่น้ำมันเริ่มพุ่งลงมาแต่แก ม, มัวห่วงหีบยาของแกไม่ยอมคว้าเชือกที่หนานอินโยนไปให้เอาแต่กอดหีบยาเอาไว้พอน้ำมันม้วนตัวลงมาอีกโครมก็เลยถูกกระชากลงไปครูพรานผู้เท่าเอ่ยเสียงเครือไม่มีใครกล้าพูดหรือเอ่ยถึงอนาคตมอมราชวงศ์หญิงดารินวราริสขึ้นในขณะนี้ ภาพที่ต่างเห็นหลอนพลัดร่วงจากชานหินอันเป็นที่พักพร้อมกับกระแสน้ำอันแลบตวัดเข้ามาราวกับลิ้นบังกอนมันเป็นภาพที่หวาดเสียวเกินกว่าที่ทุกคนจะกล้า น, นึกย้อนไปเห็นภาพนั้นได้จะมีอะไรเหลืออยู่อีกสำหรับร่างกายอันประกอบด้วยเลือดเนื้อของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งสายน้ำจะพัดผ่านหลอนในลักษณะฉุดกระชากลงไปตามแนวทางอันลาดต่ลงไปตามลามลดับ จึงเต็มไปด้วยแง่โขดหินและต้นไม้กระแทกปะทะบทขยี้ทำไม้แหลกแล้วติดคาอยู่กับรากไม้หรือซอกเข็นตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดโดยมีน้ำไหลผ่านอยู่เหนือร่างก็คงจะล่องลอยเปะปากไปตามแรงน้ำเชี่ยวกรากเยาว่าแต่คนเลยต่อให้ช้างก็ทนอยู่ต่อไปไม่ไหวแน่เหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นรวดเร็วเหลือเกินจนตั้งตัวไม่ทัน และทุกคนก็ต่างยังตกอยู่ในภาวะมึนงงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนฝันร้ายถ้าจะพิจารณาถึงตำแหน่งวางที่พักของนานอินก็จัดว่าครูพรานผู้เท่าดำเนินการได้ถูกต้องที่สุดแล้วคือพยายามวางที่พักให้ห่างทางน้ํำตกตามปกติออกมาในระยะที่เรียกได้ว่าปลอดภัยมากทีเดียวหากเกิดอุท ก, กภัยน้ําไหลตกลงม า, มามากมายกว่าปกติสภาพของมัน ซ้ำยังมีชะ ง, ง่อนหินใหญ่โผลยื่นออกไปเป็นเพิงบังไว้อีกด้วยแต่ทว่าน้ำที่พุ่งกระากเทลงมาทางด้านนี้นั้นมันแบ่งแยกเส้นทางอันเคยไหลในสภาพเดิมของมันได้อย่างไรเป็นน้ำที่กระโจนแหกแนวทางเดิมลงมาทางตําแหน่งที่พักโดยเฉพาะและปริมาณมหาศาลเหลือเกินแม้จะมีเพิงบังเป็นชายคากั้นไว้ ความแรงของน้ำที่โถมกระแทกลงมาอย่างดุเดือดรุนแรงก็ยังทำให้ชะง่อนชายคาหินทั้งก้อนบิถลลมขาดหายตามแรงกระแทกเสาะนั้นลงไปจนได้แทนที่มันจะไหลลงมาประทะแล้วกระโจนข้ามไปปกติธรรมดาอย่างที่นานอินค่าคเนคิดป้องกันไว้ล่วงหน้าก่อนก่อนเกิดเหตุก็ไม่มีวี่แววหรือลางบอกล่วงหน้าไม่มีฝนตกไม่มีพายุ ด้านบนให้สังเกตเห็นแม้แต่น้อยสภาพของมันที่ทุกคนเผชิญและกำลังคบคิดอยู่ในขณะ น, นี้ก็เปรียบเสมือนแนวทำนบที่กั้นน้ำไว้ตอนใดตอนหนึ่งเบื้องบนขึ้นไปอันจะเป็นตำแหน่งช่อชั้นที่เท่าใดก็ไม่ทราบได้พังทลายลงอย่างกระทันหันปัจจุบันทันด่วนก่อให้เกิดการทะลักล้นป่าแยกทางลงมาอย่างฉับพลันทุกคนอาจแววเสียงที่มันกระโจนละแกงแงโคทินด้านบน ดังอื้ออึงเหมือนเสียงฟ้าร้องล่วงหน้าเพียงแค่ไม่กี่อึดใจเท่านั้นแล้วมันก็พุ่งลงมาถึงตัวทันทีถ้าไม่มีเพิงหินบางไว้ก่อนก็ไม่มีปัญหาทั้งคณะ16หคนรวมทั้งสัมภาระข้าวของจะต้องถูกน้ำแทงกระจัดกระจายหายไปในพริบตาเหมือนท่อดับเพลิงที่ฉีดใส่ฝุงมดฉะนั้นพวกลูกาบทั้งส10บคนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ บัดนี้ก็เข้ามานั่งจับเจ้าชุมนุมเบียดอยู่กับฝ่ายเจ้านายทั้งหมดคางสันกระทบกันกึกกึทุกคนทราบเหตุการณ์ดีแล้วว่าแต่ละคนรอดปลอดภัยเข้ามาหลบกันอยู่ได้อย่างวุดนวิตมีนายหญิงของคณะคนเดียวเท่านั้นที่เคาะร้ายที่สุดผมอยากจะเชื่อเอาว่าผมเชื่อมั่นกันแล้วกันว่าน้อนจะไม่เป็นอะไรมากในที่สุดอนุชาวราฤก็กล่าวขึ้นด้วยเสียงที่พยายามให้ราบเรียบมั่นคงที่สุด เหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยแล้วความจริงเขาเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้ดีไปกว่านี้ได้เชษฐากับชายยันไม่ตอบหรือมิฉะนั้นก็ไม่มีความรู้สึกที่จะแสดงความเห็นเช่นไรได้อย่างเดิมทำไมทั้งสองถึงจะไม่ทราบว่านั่นเป็นคำพูดที่ปลอดใจเสมากกว่าอย่างอื่นนานอินขยับเข้ามาจับข่าวนายใหญ่ไว้นานอินอีคนหนึ่งที่เชื่ออย่างปรานชดนายใหญ่กับนายทหารทาใจดีๆไว้เถอะ เอาไว้ให้น้ำซากกว่านี้หรือตะวันขึ้นนั้นอินจะออกตามหาหนายหญิงเองเชษฐาฝืนยิ้มกล้านในเงามืดเสียงพูดของเขาช้าๆแต่แห้งผากฉันกับนายฐานชายยานมีกำลังใจที่ดีเสมอและจะไม่คิดวันไว้หวาดระแวงไปในทางที่ไม่เป็นมงคลต่อนายหญิงท่านท่านที่มองเห็นกับตาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาละฉันก็เชื่อเหมือนกันว่านายหญิงต้องไม่เป็นไร เราถ้าไม่คิดเชื่อเช่นนั้นไว้ก่อนมันก็ไม่ช่วย อ, อะไรขึ้นมาได้ไม่ใช่หรือนานอินไม่ได้พูดแค่ปลอบใจหรอกนายใหญ่รานครูผู้เฒ่าผู้หญิงรู้ใจและทันในความรู้สึกของเชิดาตับทุกคนในยามนี้คนอื่นอาจไม่รู้แต่นานอินรู้มานานแล้วตั้งแต่พบเห็นนายหญิงเป็นครั้งแรกแกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอรหันเจ้าลายองค์คอยคุ้มครองปกป้องไว้เสมอ แล้วก็ยังมีเทพประจําตัวด้วยชะตาราศีแข็งมากยากที่อะไรจะทำอันตรายได้ถ้าจะพูดถึงดวงแล้วดวิาดาพวกเราทิบมา ด, ด้วยกันนี่นายหญิงแข็งที่สุดแข็งยี่กว่านาราินเอซีอีกนานอินไม่เคยรู้เห็นในการเดินทางครั้งก่อนสำหรับเที่ยวขาไปแต่นายใยญ่และนายทหารชา ย, ยันรู้ดีลองนึกย้อนแล้วคิดเอาเองทุกครั้งที่เกิดเหตุอันตรายขับขันขึ้น คนอื่นบาดเจ็บหรือล้มตายนายหญิงเคยได้รับเคราะห์อย่างนั้นบ้างไหมและแกก็หัวเราะฮือฮื อ, อยู่ในลำคอพูดต่อมาว่าคนดวงแข็งอย่างนายหญิง่าว่าแต่ถูกน้ำพัดลงไปอย่างที่เราเห็นกันนั่นเลยต่อให้แกตั้งใจกระโดดลงเหวหรือโดดลงจากหน้าผาสูงก็จะไม่เป็นไรจะต้องมีอะไรมาประทะประทางผ่อนหนักเป็นเบาได้เสมอ คนที่มีเกณฑ์ชะตาอย่างนายหญิงเป็นคนที่ไม่มีอะไรมาทำอันตรายได้เว้นแต่จะถึงอายุไขของตัวเองเท่านั้นแต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้คำพูดของครูพรานในครั้งนี้ฟังดูไม่ไร้สาระเกินไปนะักมันวางรากฐานมาจากความเชื่อมั่นในศาสตร์อันลี้ลับที่มีอยู่ประจําตัวของแกน้ําเสียงพูดก็ออกมาจากความรู้สึกแท้จริง ปราศจากการเสรแส้งเพื่อหวังเฉพาะในด้านการปลูกปลอบใจประการเดียวเชิดเทาและชัยยันสะดับอย่างไตรตรองแล้วก็เริ่มใจชื้นขึ้นจากเหตุการณ์ร่วมผเผชิญที่ผ่านมาแล้วมันเป็นจริงตามที่นาดอินว่าทุกประการต่อให้ตกอยู่ในสถานการณ์รุนแรงคับขันอับจนถึงเพียงไหนคนอื่นจะบาดเจ็บล้มตายอย่างไรน้องสาวคนเล็กของคณะมีเหตุเป็นไปที่คาดไม่ถึง เข้ามาผ่อนปรนแก้ไขให้รอดปลอดภัยได้ทุกครั้ง่อนไม่เคยเคราะร้ายถึงกับบาดเจ็บหนักเลยสักครั้งทั้งที่ทุกคนโดนกันหมดแม้แต่ราพินเองเหมือนมีปาฏิหาริย์ลึกลับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยไว้ตลอดเวลาซึ่งเรื่องนี้ทั้งเชษฐาและชัยยันต้องยอมรับในความมืดของสถานที่ดวงตาของเชษฐาและชัยยันเริ่มเป็นประกายแห่งความหวังขึ้น เป็นข้อคิดที่ช่วยปลุกปลอบใจพวกเราได้ดีมากลุงอินและทางด้านเราขณะ น, นี้ถึงอย่างไรก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยจนกว่าน้าจะหยุดเทลงมาหรือจนกว่ารุ่งเช้าอย่างใดอย่างหนึ่งว่าแต่ว่าลุงพอจะบอกได้ไหมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนี่เทศถามแล้วก็พยักหน้าขึ้นไปด้านบนที่กระหึ่มอยู่ด้วยเสียงน้าจำนวนมากเทลงมาอย่างดูเหมือนจะไม่มีการจบสิน้น รู้สึกว่าก้อนหินเนือศีรษะขึ้นไปลั่นและเคลื่อนกลิ้งตามสายน้ำอยู่เป็นระยะระยะทุกคนเข้ามาหลบซ่อนอยู่ในส่วนลึกของโรงถ้ำเหมือนตกอยู่ใต้บาดาลที่มีท้องทะเลคล่างปันป่นป่วนอยู่เบื้องบนนาาอินชะงักไปชั่วขณนะเอามือทั้งสองขึ้นถู ก, กันไปมาและเป่าลงไปได้วยความหนาวเย็นบัรดาวยากนะนาย จะเป็นด้วยการอเผอิญของธรรมชาติดินฟ้าอากาศมันก็ไม่ส่อเขาเงื่อนให้เรารู้ล่วงหน้ามาก่อนจะว่ามันเกิดด้วยเล่กลมายาเหตุอาถรรพ์ที่จ้องเวยโอกาสจะเล่นงานเรานานอินก็ยังนึกไม่ออกว่ามันทําได้ยังไงขุนเขาทิวนี้สูงใหญ่มากสลับซับซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆแทบจะนับไม่ถ้วนกว่าจะถึงยอดบนและบนยอดนั้นก็มีทะเลสาบกว้างใหญ่ เส้นทางน้ำตกจะไหลลงมาตามช่องรอยที่ต่าเป็นทางระบายออกของน้ำตามธรรมดาเส้นทางน้ำตกทั่วๆไปแต่นี่มันกลับแหกทางเดินที่เคยไหลกระโจนพรวดลงมาอีกด้านเหมือนมีใครไปขุดเบิกทางใหม่ขึ้นให้น้ำทะลักลงทางด้านนี้งั้นแหละนั้นอินคิดไม่ออกจริงๆเพราะถ้าใครทำได้อย่างนั้นก็จะต้องใช้แรงงานไม่ใช่น้อยทีเดียว แกพูดช้าๆเนิบๆอย่างไม่แน่ใจจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมลุงอินอนุชาเอ่ยขึ้นอย่างใคร่ครวญลึกต้นทางน้ำตกนั้นมาจากแหล่งทะเลสาบข้างบนแน่นอนและอาจเป็นยอดสูงสุด ข, ของเทือกนี้อย่างลุงว่าแต่ลุงคิดบ้างไห่ว่าแต่ละ ช, ชั้นของยอดเขาที่ต่ำลดหลั่นกันลงมามันก็น่าจะมีวังน้าที่ขังน้าไว้จานวนมากรองรับกันอยู่เป็นชั้นๆ เป็นแหล่งคางน้ำที่ย่อยลงมากกว่าแหล่งแม่น้ำใหญ่ด้านบนเหนือสุดที่นี้บนแอ่งหรือวางน้ำย่อยที่ว่านี้อาจเนือจากระดับที่เราพักขึ้นไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมีก้อนหินกั้นเป็นทำนกไว้บางส่วนที่ไม่แน่นหนาะแข็งแรงอะไรนะในเวลาปกติน้จาจะไหลมาสมทบกับแนวทางไหลเดิมตามปกติของมัน แต่ถ้ามีอะไรไปรื้อเขื่อนหรือทํานบที่บอบบางเอาไปจุดสำคัญนั้นเปิดทางน้ำให้ไหลลงอีกทางมันก็ย่อมจะเป็นทางทะลักออกอย่างกระทันหันของกระแสน้ำที่ถูกกักขังไว้และลงมาได้ไหลรวดออกมาตามทางที่เปิดใหม่นั้นแค่นิดเดียวพลังน้ำมากมายที่มีแรงดันอยู่ก่อนแล้วก็จะแหบเป็นทางกว้างออกทาลายแนวทานบใกล้ๆเคียงให้พลอยทลายลงอย่างกระทันหันทั้งแถบ กลายเป็นสภาพเหมือนเขื่อนแตกเทน้ำจากแหล่งกักย่อยๆนั้นหุ่งลงมาใส่ทางด้านที่พักของเราอยู่ในขณะ น, นี้ไม่ใช่มันแตกลงมาจากข้างบนยอดนั่นรอ้องเชื้ถาและชายยานสะดุดเข้ากับข้อคิดเช่นนั้นของอนุชาเช่นกันน่าจะเป็นอย่างที่กลางสนิฐานนี่เสียมากกว่าคงมีการทำลายเขื่อนกั้นน้ำธรรมชาติจากแอ่งน้าย่อยในชั้นที่ไม่สูงขึ้นไปจากราเท่าไหร่นักแน่นอน คงไม่ได้มาจากด้านบนสุดร้องใช้กำลังช้างสัก3ามถึงสี่ตัวช่วยกันงัดหินอันเป็นจุดกั้นน้ำที่บอบบางออกเพียงไม่กี่ก้อนก็แค่นั้นเองน้ำจะทำหน้าที่ทำลายทำนบธรรมชาติข้างเคียงทั้งแถบลงเองด้วยพลังผลักดันตามธรรมชาติคราวนี้มันก็เหมือนเทน้ำจากกระบอกลงกระบานพวกเราชยายยันร้องออกมาโดยเร็วใช้ช้างเหรอเชษถาอุทานเสียงสูง จะมีอะไรดีไปกว่าสัตว์ใหญ่กำลังมากที่มันใช้เป็นบริวารเหล่านั้นได้ถ้างั้นชัดไม่มีใครอื่นนอกจากไอ้มันไตรอนุชาและชัยยานโพล่งออกมาพร้อมกัน ร, ราวกับจะนัดกันไว้ท่านหัวหน้าคณะเมมริฟีปากแน่นบรรยากาศภายในโพร่ง่าำที่มนุษย์ทั้งสิบห้าชีวิตเข้ามาหลบพายอยู่เงียบกริบ มีแต่เสียงตูมตามโครมครืนของสายน้ำผสมก้อนหินไหลคละกันลงมาจนถ้ำสะเทือนอยู่เช่นนั้นเชษฐาปาดแขนเสื้ออันเปียกชุ่มน้ำดูเวลาขณะนั้นมานสองนาฬิกา15นาทีกำลังดึกสงัดคำนวณจากเวลาแรกที่ทุกคนได้ยินเสียงน้ำลันลั่นอู้ลงมาและประทาระลอกแรกลงกับชะ ง, ง่อนที่พักจนดารินหลุดหายไปมันกินเวลาประมาณ20กว่านาทีเข้ามาแล้ว เสียงกระนำเทลงมาของกระแสรุรนแรงเชี่ยวกรากยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดหรือหมดสิ้นลงถ้าเป็นอย่างที่กลางตั้งเป็นข้อสงสัยสมมติฐานขึ้นนี่มันควรจะใช้เวลาอีกนานสักเท่าไหร่ปริมาณน้ำที่ไหลพุ่งลงทางด้านนี้ถึงจะหมดสิ้นไปใ น, นที่สุดเขาก็กล่าวขึ้นไม่อาจซ่อนหางเสียงกระวนกรรวาใจไว้ได้ก็ต้องรอดูมันไปครับพี่ใหญ่ มันอาจสู้ซาลงมาเพียงแค่ 1-2 ชั่วโมงหรืออาจติดต่อกันไปตลอดทั้งคืนก็ได้สุดแต่แอ่งน้ำนั้นจะบรรจุปริมาณน้ำมากแค่ไหนแต่สังเกตดูจากความแรงเชี่ยวของมันที่กระโจนลงมาโดยพลังผลักดันผมว่าไม่ต่ำกว่า1ล้านลูกบาทเมตรไม่งั้นมันจะไม่แทงแรงลงมาทึกแบบนี้ไม้ไร่ก้อนหินเล็กๆที่ขวางทางมันลอยโค่นหลุดตามกระแสน้าลงไปเป็นแถ บ, แถบ แม้กระทั่งชะ ง, ง่อนเวงที่เขาพักกันอยู่ก็ยังทานแรงกระแทกไม่ไหวเอาล่ะตอนนี้เราทาอะไรยังไม่ได้เลยนอกจากคุด ต, ตัวเป็นตุ่นอาศัยรูถ้มอยู่ก่อนแบบนี้ทุกคนสำรวจสัมภาระข้าวของที่หิว้วหนีน้าเข้ามาเดี๋ยวนี้มีอะไรขาดหายไปบ้างให้รายงานปืดประจำตัวทุกกระบอกของทุกคนทิ่มปลายปากกระบอกลงกับพื้นตั้งไว้ให้เสด็จน้ไปพลาง แล้วค่อยเปลี่ยนกระสุนชุดใหม่โดยเฉพาะพวกลูกซองตอนนี้เป็นทีของมันปล่อยให้มันเล่นราวให้เต็มที่ไปก่อนเชถาประกาศขึ้นดังๆแก่ทุกคนแล้วถอนใจเยื่อเหยียดเท้าทั้งสองราบไปกับพื้นอันกรุกขระตะปุ่มตะป่างนั้นหลังเอ็นพิงผนังหินนิ่งพากลับตาไปชั่วขณะในระหว่างที่ทุกคนเคลื่อนไหวปฏิบัติตาคาสั่งเขา ภายในโพรงถ้ำที่เข้ามารวมกลุ่มอาศัยกันอยู่นั้นเวลาจะล่วงผ่านไปเท่าใดไม่ทราบได้ในซอกถ้าของ15ชีวิตที่เข้ามาหลบกันอยู่อย่างเงียบกริบเหมือนจะเป็นใบเบื่อกันไปหมดต่อเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นครั้นแล้วเสียงน้ำที่ไหลแรงผ่านอยู่เบื้องบนก็ค่อยๆซาอ่อนลงเป็นลาดับพลังแรงของมันสับจากเสียงซึ่งเคยฟังเหมือนพายุ บัดนี้กลายเป็นเสียงหลายแผ่วเบาดังริกริกเท่านั้นเชษฐาผู้นั่งเข้าผวางครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ในฝันร้ายสัมผัสได้กับการถูกไกรเขย่าที่ขาแรงๆเมื่อเขาผ ง, งกศรีรษะลืมตาขึ้นก็มองเห็นเงาของอนุชาและชัยยานเข้ามาขนาบอยู่ข้างๆท่ามกลางดวงไฟฉายที่ส่องสว่างพอประมาณเพราะใช้อยู่เพียงดวงเดียวมันไหลผ่านไปหมดแล้วมันหยุดลงจริงๆ เป็นเสียงร้องบอกเก่งตื่นเต้นของน้องชายกลางพี่ใหญ่ของคณะเรียกความรู้สึกให้กลับคืนมาพร้อมพยายามเงี้ยหูแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นจริงตามที่อนุชาบอกมันแสดงว่าเขาพลอยหลับไปด้วยความอ่อนเปลียชั่วขณะราชสกุลหนุ่มขยับตัวทันทีพี่เผลองีบไปเขาสารภาพตามตรงสะบัดหน้าไล่ความมึนงงนี่มันเริ่มซาลงตั้งแต่เมื่อไหร่นานแล้วยัง ประมาณสักสิบนาทีที่ผ่านมาแล้วนี่เองชายยานเป็นคนตอบอย่างเร่งด่วนทุกคนในคณะที่เข้ามาลบสร้างกันอยู่ไหวตัวกัน พ, พรึกพรายไปหมดเราจับฟังกันอยู่ตลอดเวลาเสียงมันค่อยๆ อ, อ่อนลงไปเรื่อยๆก็นึกอยู่เหมือนกันว่าแกคงจะหลับไปเพราะเห็นเงียบเฉยมาตลอดพอรู้สึกว่ามันผ่านไปหมดแล้วก็เลยช่วยกันปลุกแกขึ้นนี่เราเข้ามาอยู่กันในนี้นานเท่าไหร่ก็ประมาณชั่วโมงเศษเท่านั้น ที่น้ำมันพัดหนักอยู่ข้างบนอย่างที่มันเล่นงานเราในตอนแรกขณะ น, นี้ตีสมกว่านิดหน่อยสำรวจสัมภาระข้าวของของเราแล้วอย่างอะไรอยู่อะไรขาดเราช่วยกันหอบเข้ามาได้เกือบทุกชิ้นครับนอกจากผ้าพลาสติกบางผืนเท่านั้นที่หายไปกับไม้คานหาผามวางอันน้องชายกลางตอบเสียงแห้งๆทุกคนรอบด้ากของเขายามนี้ล้วนตกอยู่ในภาวะทุกข์กังวลทั้งสิ้น แม้จะมองไม่เห็นถนัดก็รู้ได้จากอากาบกริยาและทั้งหมดดูเหมือนกําลังรอคําสั่งความเห็นชี้ขาดจะเขาอยู่ถ้างั้นสีที่กลางทายไว้ก็ไม่ผิดแอ่งน้ําบางส่วนเท่านั้นที่เขื่อนแตกไหลเทลงมาที่ทางที่พักของเราและปริมาณน้ําในส่วนนั้นก็คงจะไหลลงมาหมดแล้วถึงได้หยุดไปอย่างนี้เส้นทางน้ําตกเดิมยังคงไหลยอยู่ตามปกติของมันไม่ใช่หรือครับ เส้นทางปกติของมันก็ยังไหลยอยู่ธรรมดา น, นั่นแหละเอาละ่ะตอนนี้เราควรจะทําอะไรขึ้นมาได้บ้างแล้วไม่มากก็น้อยตรวจข้าของประจําตัวของน้อยซิตรวจกันแล้วอย่างเป้หลังส่วนตัวของเขาไฟฉายวิทยุไรเฟิลประจํามือและอื่นๆเราต้องรู้เสีย ก, ก่อนว่าขณะที่น้อยถูกน้ําพัดหายลงไปเขามีอะไรติดตัวอยู่บ้าง เชษฐาสั่งในทันทีประสาทเริ่มตื่นพร้อมอีกครั้งพยายามขับไล่ความอ่อนเพลียกระปกกระเปี้ยออกไปขณะเกิดเหตุเป็นเวลาที่พวกเราทั้งหมดพักนอนกันผูพ้พูดอย่างเร็วหรืออยู่ตามเดิมคืออนุชาเพราะฉะนั้นน้องไม่มีอะไรติดตัวเลยเพราะเป้หลังไรเฟิลวิทยุประจำตัวถอดออกหมดถ้าจะมีก็เสื้อผ้าชุดที่เขาใส่อยู่เข็มขัดปืนสั้นหนึ่งกระบอกมีดโบวีหนึ่งเล่ม นอกนั้นก็อาจมีแค่ของกระจุกกระจิกเท่าที่จะใส่อยู่ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงเท่านั้นแม้แต่รายเฟิร์นที่ส่วนมากไม่เคยห่างมือก็ตกอยู่ตรงที่เกิดเหตุผมเป็นคนงมขึ้นมาเองก่อนที่พี่ใหญจะชุดเข้ามาในซอกโครงนี้สรุปว่าหลุดหายไปกับน้ําตัวเปล่าๆมีแค่ปืนสั้นกับมีดติดเอวไปอย่างละชนิดเท่านั้นเอาละเราออกไปดูกันตรงฝากโครงหน่อยสิ ข้าวของทั้งหมดทิ้งไว้ในนี้ก่อนกล่าวพลางท่านหัวหน้าคณะก็พยุงกายขึ้นยืนอย่างรวดเร็วคว้าไราเฟิลประจำมือที่ตั้งพิงผนังโดยเอาทางปลายปากกระบอกปากลงเพื่อให้น้ำที่เข้าไปเปียกขังอยู่หลถ่ายเทออกนานอินกับขยีนไต่นำหน้าออกไปก่อนในทันทีแล้วทั้งคณะที่เผชิญกับสายน้าทานบแตกไหล พ, พรวดพลาดจู่โจมลงมาเล่นงานจนแทบจะ ก, กระจกระจายกันออกไปหมด ก็พากันตายจากโพรงถ้ำส่วนลึกอันเข้ามาหลบซ่อนอยู่ย้อนกลับออกมาทางเดิมกันหมดทั้งขบวนอีกครั้งตำแหน่งอันเคยเป็นชานพักนอนก่อนเกิดเหตุบัดนี้กองผนเป็นด้วยเพลิงหรือเชงอนอหินอันเคยเป็นชายคาบังมันขาดลงมาเกือบครึ่งค้อนก้องอยู่แทนที่มีรอยน้ําซ้อพาดออกเศตเล็กๆให้ไหลกลิ้งตามน้ําลงไปด้วยคงเหลือแต่หินหักพังก้อนใหญ่ๆเท่านั้น ที่วางระเกะระกากเกลื่อนไปหมดเหนือสีสาขึ้นไปอันเป็นส่วนที่ติดแน่นกับภูเขามีสายน้ำไหลรินเป็นทางเล็กๆเอื่อยออยท่ามกลางบรรยากาศอันเป็นเวลาดึกสงัดมืดสนิทหน้าวันระแวงสองสามคนในคณะใช้ไยฉายเดินทางส่องตรวจดูแล้วฉายไล่ละาลงไปยังทิศทางต่ำลงไปเท่าที่กำลังไฟฉายจะส่องลงไปได้มองเห็นในเงาสลัวอย่างเต็มไปด้วยปริศนา ถึงร่องรอยที่มหาอุทกภัยจู่โจมสต์กระนำลงมาอย่างรุนแรงไม้ไร่พุ่มพงที่อยู่ในทิศทางโค่นล้มยับเยินพินาศลู่เป็นทางไปทีเดียวด้วยอำนาจของพลังน้ำการไหลอู้ลงมาเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งกินเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ยุติหมดสิ้นสางสาลงเช่นนี้พิสูจน์ได้ชัดตามความคาดคะเนของอดีตพรานชคในข้อที่ว่า คงจะมาจากแอ่งน้ําแหล่งย่อยๆเนื้อสิสะขึ้นไปถูกทําลายทํานกกั้นตามธรรมชาติเมื่อมันหมดสิ้นปริมาณน้ําที่ขังอยู่ยังแหล่งนั้นการไหลดูดเทลงมาจากกระบอกจงสุดสิ้นสงบลงได้ถ้าเป็นการไหลเชี่ยวกลากลงมาจากยอดสูงสุดอันเป็นทะเลสาบใหญ่เบื้องบนมันคงจะรุนแรงกว่านี้นับร้อยเท่าและคงจะไหลยอยู่นานสักกี่วันกี่คืนไม่ทราบได้ แต่นี่มันเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นก็ยุติทว่าแม้จะเป็นเพียงแค่ชั่วโมงเดียวที่มันกระนำเป็นสายเชี่ยวลงมาสรรพสิ่งที่ขวางอยู่ในทิศทางของมันก็ยังวอดวายระเนระนาดไปหมดและหนึ่งชั่วโมงของการพุ่งกรากโล่งใส่โถมกระแทกพัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าแรงขนาดทาให้หินน้ําหนักหล า, ล, าลายตันพังลงได้ร่างกายของมนุษย์ผู้หญิงกระเจิยร่อยเพียงนิดเดียว จะถูกมันฉุดกระชากปลิวไปถึงไหนและจะคงชีพชนอยู่ได้หรือทุกคนคิดแต่ไม่กล้าพูดมีแต่ใบหน้าและแววตาท่นันที่บอกความรู้สึกภายในของแต่ละคนน้อยชายยันตะโกนกล้องขึ้นสุดเสียงทั้งที่ปราศจากความหวังใดๆว่าจะได้ยินเสียงตอบและก็จริงดังว่ามีแต่เสียงของเขาเท่านั้นที่กังวลสะท้อนกล้องไปไกลไม่มีคาตอบใดๆมา นอกจากสายน้ำที่ยังหลงเหลือเล็กน้อยไหลยอยู่ริกริสเหนือศีรษะและหยดลงมาตรงหน้าของทุกคนอันยืนกายสั่นอยู่ภายหลังจากตะโกนเรียกออกไปคําเดียวแล้วชายันก็นิ่งงันไปตามเดิมเขานึกไม่ออกเหมือนกันว่าทําไมจะต้องตะโกนอย่างโง่โง่ไร้ความหมายใดๆโดยสิ้นเชิงเช่นนั้นมันเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณเสียมากกว่าเจตนาเชษฐากัดเรีมฝีปาก แต่ยังยืนสงบนิ่งยืดกายตรงอย่างบุรุษชาติชาตรีครวบคุมสติมั่นคงอยู่เช่นนั้นน้ำผ่านไปหมดแล้วผมกับลุงอินจะออกตามน้อยเดี๋ยวนี้อนุชาบอดิ้เสียงอัญญาจะอ่านความรู้สึกภายในแต่แน่วแน่มั่นคงมากพี่ชายยังคงกราดไฟฉายลงไปตามทางน้ำไหลยอยู่เช่นนั้นถามครึ้มครมว่าเอากันเดี๋ยวนี้เลยหรือดีกว่าที่จะปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่า มันยังมืดสนิทอยู่นะและกระแสน้ำก็เพิ่งจะผ่านไปหยกๆผมกับลุงอินเดินในเวลากลางคืนในความมืดได้เราไม่ควรทิ้งเวลาให้ล่าชาออกไปไม่ใช่หรือครับแล้วพวกฉันล่ะใช้ยยานถามเกือบไม่มีเสียงเราแบ่งหน้าที่กันให้ถูกตามความเหมาะสมดีกว่าแกพี่ใหญ่และพวกลูกหาบทุกคนรออยู่ที่นี่ก่อนใช้เป็นกองบัญชาการฉุกเฉินชั่วคราว จะทิ้งขยินไว้ให้เป็นเพื่อนอีกคนส่วนชันและลุงอินจะล่วงหน้าตรวจตามเส้นทางน้ำแทงนำลงไปก่อนแล้วคนอื่นถึงอยากจะลงไปด้วยก็คงเกะกะเป็นภาระเสี่ยงเปล่าโดยใช่ที่อนุชาบอกคนหว้นว น, นานอินพูดมาตำๆอีกคนว่าให้นานอินกับพรานชดออกตามเดี๋ยวนี้เถอะในายใหญ่เชษฐาตบไหลน้องชายกลางอดีตนักผจญภัยชั้นยอดหนักนวง พยักหน้าอย่างตัดสินใจเฉียบขาดตกลงแต่มานัดแนะกันเสียก่อนยังไงครับรายงานให้พวกเราวันนี้รู้ข่าวทุกๆ1ิบนาทีไม่ว่าจะพบหรือไม่พบโดยทางวิทยุส่วนทางด้านพี่อาจเรียกลงไปก่อนเวลาใดได้ทั้งสิน้นให้คอยรับฟังตลอดเวลาด้วยและถ้าแม้ว่าคลื่นวิทยุติดต่อทำท่าจะรับส่งไม่ถึงการและการเมื่อไรให้หยุดการเดินทางทันที และให้กลับเข้ามาอยู่ในรัศมีที่วิทยุติดต่อถึงกันได้รอจนกว่าจะรุ่งเช้าพวกเราทั้งหมดบนนี้จะตามลงไปสมทบเข้าใจไหมครับน้องชายตอบสั้นๆหันไปพยักหน้ากับพรานเท่าคู่ใจแล้วตวัดเป๊ประจำตัวขึ้นหลังเตรียมพร้อมทันทีถ้าเท่ากับที่หนานอินก็เอาย่ามขึ้นสะพายไหลอนุชาเอาวิทยุมือถือประจาตัวขึ้นมาเปิดสวิต ท, ทดลองฐานและสภาพเครื่อง ปรากฏว่ามันยังสามารถติดต่อรับส่งกับวิทยุในมือของเชษฐาและช ย, ยันได้เป็นอย่างดีและอย่างง่ายๆอดีตพรานชดกับครูพรานานานอินก็คว้าไราเฟิลค่อยๆไต่าทางตามเส้นทางน้ำแทงนั้นลงไปอย่างระมัดระวังในขณะที่ฝ่ายอยู่ข้างบนช่วยส่องไฟให้ในระยะแรกคนทั้งคู่ไต่าตามลงไปตามลำดับระหว่างที่ายที่รอคอยอยู่ก็ยืยืนดูอยู่ตลอดเวลา เชษถายกวิทยุในมือขึ้นกดชีพูดก่อนที่ร่างของนักเดินโดงผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองจะรับประจักษ์แสงไฟที่พวกลูกหาดเชื่อกันสองทดสอบวิทยุรับฟังชัดเจนแค่ไหนเสียงอนุชาตอบขึ้นมาโดยแววออกมาจากลำโพงจิ๋วว่าชัดเจนดีมากครับสภาพเป็นยังไงบ้างตามเส้นทางที่น้ำพัดลงไปลื่นมากครับแต่ไม่ต้องห่วง ระดับน้ำที่แทงลงมาสูงกว่าตำแหน่งที่ผมและลุงอินเดินอยู่ตามร่องทางนี้ประมาณ 6-7 ถึงเเมตรต้นไม้ที่ล้มจะเป็นต้นไม้ที่มีรากติดอยู่กับก้อนหินซุยและขนาดจะไม่ใหญ่เกินโคนขามีรอยหินพลิกกลิ้งตามแรงน้ำไปด้วยในบางส่วนเสียงตอบมาอย่างชัดเจนทางวิทยุระวังตัวให้ดีทั้งสองคนและอย่าลืมที่สั่งอนุชารับคามา และร่างของทั้งสองก็ลับหายตามแนวเส้นทางอันยังเปียกชุ่มฉ่ำระเกะระกะไปด้วยไม้ลมนั้นลับเลี่ยมหินบางลงไปเชษฐาหันมาสั่งหัวหน้าลูกหาบให้ต้อนพวกลูกหาบกลับเข้าไปพักฟันในโรงถ้ำด้านในตามเดิมเรามาชุมนุมกันอยู่ปากทางตำแหน่งนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเต่เขาเองชา ย, ยานและขยินเพียงสามคนซุดกายลงนั่งอย่างปากทางนั้น พร้อมที่จะคอยสดับฟังข่าวของบุคคลทั้งสองที่เผลอลงไปจะเอายังไงสําหรับทางด้านฝ่ายเราชายยันข่มความรู้สึกถามขึ้นเลือกสองชั่วโมงจะสว่างขึ้นพอสว่างเราทั้งหมดจะเคลื่อนตามกลางและนานอินลงไปเรายังมีขยีนอยู่อีกคนที่จะแก้รอยทั้งสองคนได้อีกอย่างหนึ่งก็ติดต่อกันทางวิทยุรู้ที่หมายได้อยู่แล้วว่าทั้งสองคนบ่ายหน้าไปทางไหนคงตามไม่ยาก อดีตนายทหารปืนใหญ่เพื่อนตายยกมือทั้งสองขึ้นกุมขมับพึมพำว่าจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ฉันก็ยังแทบไม่เชื่อสายตาในสิ่งที่เกิดขึ้นเชฐาแกคิดว่าสายน้ำที่แทงแรงหนึ่งชั่วโมงควรจะพัดน้อยไปไกลสักขนาดไหนลำคอของพี่ใหญ่ของคณะแห้งผากแทบไม่มีเสียงใครจะรู้ได้นอกจากเทวดากับไอ้มันตรยเท่านั้นแล้วทั้งสองก็เงียบกันไป ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยการนั่งเผารีกันตัวต่อตัวขยินเองก็เงียบกริบไม่กล้าพูดหรือแสดงความเห็นใดๆทั้งสิน้นสิบนาทีแรกเสียงอนุชารายงานทางวิทยุขึ้นมาว่าทางลาดลงไปเรื่อยๆครับเห็นป่าเทาวันและไม้ใหญ่ๆขณะนี้ห่างลงมาแล้วประมาณเกือบ200เมตรช้าๆไม่ต้องรีบร้อนขอให้ตรวจดูร่องรอยอย่างละเอียดที่สุด ในละแวกใกล้เคียงก่อนมันมืดมากเหลือเกินกำลังไฟฉายพอไหมเชษถาถามลงไปนานอินใช้ใต้ครับส่วนผมจะฉายไฟบางขณะเท่านั้นไม่ต้องห่วงเราจะตรวจกันอย่างละเอียดที่สุดและตะโกนเรียกให้เสียงไปทุกระยะพยายามใช้ความจำเป็นพรานชดประชากรของแกที่มีอยู่ทั้งหมด ชายันชะโงกหน้าเข้ามาใกล้วิทยุเชษฐาแล้วกรอกเสียงลงไปว่าฉันและเชษ ฐ, ฐาเชื่อในความสามารถของแกและนานอินเต็มที่คงไม่ต้องเตือนซ้าว่าควรจะระวังอะไรบ้างฉันเชษ ฐ, ฐาแล้วก็ขยินกำลังรอฟังข่าวอยู่ทุกขณะใจเย็นๆอนุชาบอกขึ้นมาแล้วเงียบเสียงไปอีกท่ามกลางความเงียบของป่ายามวิการสงัดเต็มที่ได้ยินเสียงกู่โวกของนานอินและอนุชา แววขึ้นมาบางครั้งบางคราวนอกนั้นก็มีแต่เสียงเขียดปาดตามซอกมุมหินร้องประสานเสียงกันอยู่เท่านั้นเนืจากความร้อนใจตกลงกันไว้ครั้งแรกว่าจะติดต่อกันทุกๆ1ิบนาทีเดยให้ฝ่ายอนุชารายงานขึ้นมาเชษฐาคอยจับดูนาฬิกาอยู่ตลอดเวลาและเป็นฝ่ายเรียกลงไปทุกช่วง5นาทีเพื่อทดสอบสภาพการติดต่อทางวิทยุและฟังหงเสียงของบุคคลทั้งสอง ซึ่งอนุชาก็จะตอบรับมาสั้นๆแต่เพียงให้รู้ว่าการสื่อสารทางวิทยุยัยงใช้งานได้ดีและยังไม่พบร่องรอยว่แวอะไรทั้งสิน้นชายยาันบนอย่างกลัดกลุ่มกับเชิฐท้าอยากจะให้เช้าเสิ็จเร็วจะได้ติดตามลงไปด้วยขณะ น, น, นั้นเองทั้งสามคนที่เฝ้ารอคอยอยู่ก็ไว้ตัวครึบเมื่อได้ยินเสียงแปลกประหลาดชนิดหนึ่งดังออกมาจากป่าริมเชิงเขาน้าตก ด้านที่สายน้ำตกตามปกติไหลอยู่มันเป็นเสียงร้องรัวกอกกอกกอกอยู่ในลำคอของอะไรชนิดหนึ่งแต่ดังกระหึ่มสะเทือนจนคลื่นอากาศรอบตัวสั่นไหวไปหมดเฮ้ย <_ c oughs> อะไรนะชายยันผู้ประสานในตอนนี้ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วรวดพาดลุกขึ้นยืนพร้องกับร้องออกมาส่วนเชษฐาขยับลุกเลื่อนไรเฟิลขนาดใหญ่ของคารดสัญชาติยานทันที ขยินก็กระชากสไลด์ของลูกซอนที่ถืออยู่ในมือพร้อมกันก็มีเสียงคล้ายก้อนหินขนาดใหญ่ลนตู้มลงไปในน้ำบริเวณอันเป็นแอ่งของน้ำตกซี่ขวามือแล้วก็อีกตูมต้มตู้มหลายต่าหลายครั้งมีสัตว์ชนิดหนึ่งน้ำหนักตัวอย่างน้อยก็เป็นตันกระโดดลงมาจากป่าฝากโน้นและกาลังว่ายตัดทางข้ามมายังฝั่งที่ทุกคนนั่งกันอยู่ชา ย, ยันเป็นล้าหลังสุด ที่ตบลูกเลื่อนขึ้นแล้วตบลงตามเดิมขึ้นนกเตรียมพร้อมเสียงมันคล้ายๆกบหรือคางคกแต่ยังกับร้องผ่านเข้าเครื่องขยายเสียงสักหมื่นวัตเช่ฐากะซิบยังร้อนรนเพียงแต่ขาดเสียงเขาเท่านั้นสำเนียงต่อมาที่ได้ยินเป็นเสียงกรวดหินถล่มพลูริมฝั่งเหมือนอะไรมันจะไต่คลานขึ้นมามีพงวัชพืชถูกบทเสียดสีหักราบ แล้วก็มีเสียงกระโดดล่นตู้มาตามพื้นอันเปียกแฉะของเราปากใกล้ๆเป็นจังหวะอำนาจของการกระโดดนั้นทำให้แง่หินที่ทั้งสามนั่งอยู่สะเทือนเสียงตุบตุบระคนไปกับเสียงร้องรัวในลำคอ ก, ก้องก้องปาปนกันไปด้วยตุบที่ดังอยู่ใกล้ที่สุดเป็นบริเวณทางที่น้ําไหลผ่านลงไป ขยินใช้ไฟปราดกระทบเข้ากับอะไรชนิดหนึ่งซึ่งมาหมอบจางกล้าอยู่ตรงเนินลาดของกรวดต่ำลงไปเพียงสิบเมตรเท่านั้นครั้งแรกทุกสายตานึกว่าก้อนหินที่ไหนเพลอออกมาแต่พอมองเห็นได้ถนัดขยินก็พะงะแทบหนายหลังทั้งยืนนายขางคกยักษ์รูปร่างที่มองดูไม่ผิดอะไรกับกบหรือขางคกนั้นกาลังจ้องชะเง้อมองขึ้นมาด้วยตาอันปูดโปนแต่ละข้างขนาดลูกมะพร้าวของมัน ยังมองเห็นสันทายไม่แจ็มชัดนะักทุกคนที่เห็นอยู่พร้อมกันในขณะ น, นี้บอกได้แต่เพียงมันเหมือนสัตว์ประเภทกบหรือขังคกนั่นแหละผิดกันแต่เพียงว่าขนาดตัวของมันราวกับรถบนถนนย่อมย่อมมนุษย์สามคนยืนกันอยู่ในที่สูงพร้อมทั้งไฟฉายที่ศาสจ้า ก, กดไว้ที่ดวงตาอันไม่สะท้อนแสงไฟของมันส่วนตัวมันหมอบในสภาพของสัตว์ประเภทนั้นแงนนหน้าขึ้นมาเหมือนจะทักทายหรือขม้นมองเหยือ่อ ก็ไม่มีอะไรจะบอกได้ตรงใต้คางที่บริเวณลำคอโป่งขึ้นโป่งลงเป็นจังหวะถ้ามันกระโดดขึ้นมาอีกช่วงเดียวก็น่าจะใกล้เคียงกับบริเวณที่ทั้งสามคนยืนตะลึงกันอยู่ในขณะนี้มากที่สุดเว้นซ์แค่ดว่ามันจะกระโดดขึ้นมาเกาะพยุงตัวไว้ได้หรือไม่เท่านั้นเนื่องจากพื้นที่ชันมากประกอบกับสภาพความใหญ่โตมโหรานของมันเองด้วยปแปลกหนึ่งเหมือนแฉกสายฟ้าแลบในนรก ทิ้นลิ้นของมันแลบตวัดขึ้นมาปลายลิ้นส่งเข้ามาจนเกือบถึงคนใดคนหนึ่งที่ยืนปากหลักประทับปืนกันอยู่ดูจะห่างเพียงแค่วาเดียวเท่านั้นยาอย่าเพิ่งยิงดูมันไปก่อนเชิดฐาร้องห้ามเร็วหรือทันทันที่ตัวเขาเองก็ประทับไรเฟิลมัน่นศูนย์กับอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางดวงตาใหญ่ของมันทั้งคู่ ใช้ยันกับขยินยั้งการเหนียวไกลปืนได้อย่างวุดหวิดและยืนกายสั่นเทิมจ้องตาขมิงอยู่เช่นนั้นอ้ตัวแรกที่โดดมามอบให้เห็นอยู่ในทิศทางโล่งขยับไว้ตัวเล็กน้อยหันรีหันขวางมันแบลบลิ้นพุ่งตรงมาที่ทั้งสามเพียงครั้งเดียวแล้วก็หยุดไปมีอาการเหมือนจะดวงตาล้าไปด้วยแสงไฟฉายที่ทั้งสามชืกันจี้สะกดไว้แล้วมันก็หมุนหัวกลับหันมาประเชิญอีก ปริยาอาการของมันก็คือกบหรือท้งคอกเราดีๆนี่เองไม่ว่องวายปราดเปรียวนะเว้นแต่อาจจะกระโดดหรือไต่กลานไปได้เร็วกว่าการเคลื่อนไหวของมนุษย์โดยอาศัยความใหญ่โตของมันเท่านั้นแล้วอีกตัวหนึ่งซึ่งใหญ่พอๆกันก็โดดตุบแผ่นดินสะเทือนเข้ามากลางเส้นทางโล่งนั้นอีกเพียงแต่ต่ำกว่าระดับของตัวแรกซึ่งไอตัวแรกวัดนี้ไม่ใช้วิธีกระโดดเพียงแต่ก้าวขาคลานไต่สูงขึ้นมาช่วงหนึ่งแล้วหยุด ส่วนรอบด้านในป่ารกที่ขึ้นเต็มไปด้วยกอไม้ริมน้ำก็มีเสียงกระโดดตุตบตับสะเทือนไปหมดไม่ต่ำกว่าจำนวน 5-6 ตัวทีเดียวฟังจากสำเนียงและตำแหน่งการเคลื่อนไหวระวังนะมันคลายขึ้นมาแล้วถ้าแลบเล้นอีกครั้งเดียวมันตวาดพวกเราคนใดคนหนึ่งเข้าปากแน่เสียงชายยันคลางรอดไรฟันออกมาฉายไฟไว้อย่าดับกดที่ดวงตาของมันเชิฐาสั่งแล้วค่อยๆลดตัวลงนั่ง บางแง่หินไว้ถึงอย่างไรฝ่ายมนุษย์ก็ยังเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะอยู่ในที่สูงชันกว่าสภาพของพื้นภูมิประเทศทำให้มันไม่สามารถกระโดดในช่วงยาวขึ้นมาได้หรือถึงพยายามจะกระโดดจากลักษณะอันใหญ่โตมโ ห, มหืมมาของมันก็จะเกาะไม่ติดพื้นที่แน่นอกจากจะกลิ้งหล่นลงไปตามเดิมทันทีที่ขาทั้งสีแตะพื้นอันเต็มไปได้วยความลื่นของหินนั้น จะบ้าตายคางคกนรกอะไรตัวอย่างกระตุ่มสามโคกฉันไม่พิสมัยที่จะถูกลิ้นของมันตาวาดเอาเราเข้าไปดิ้นคลุกขลักอยู่ในท้องเลยชายยันพูดเกือบไม่มีเสียงส่วนขยินตัวแข็งแทมจะเป็นหินเกิดมามันก็ไม่เคยเห็นกบหรือคางคกชนิดใดใหญ่โตโมโหรานเท่านี้มาก่อนทั้งสองสุดนั่งลงบางเหลี่ยมหินและช่วยกันจี้ไฟฉายไว้เช่นนั้น อีกเก้าหนึ่งที่มันค่อยๆขยับเคลื่อนตัวขึ้นมาส่วนเจ้าตัวที่2ก็ได้คลานตามหลังอาการเหมือนย่างสามขุมเข้ามาด้วยไม่มีอะไรจะน่าสงสัยไปอย่างอื่นนอกจากว่ามันพยายามจะเคลื่อนเข้ามาใกล้ที่สุดในระยะที่ลิ้นแลบตวัดถึงบัดนี้เชษฐาคุมสติไว้ได้อีกครั้งเขาประหลาดใจในความใหญ่โตของมันแต่ไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรนะั เพราะเคยผ่านพิชิตสัตว์มีความใหญ่เกินขนาดผิดปกติมานับไม่ท่วนแล้วงูขนาดรถรวนทั้งขบวนหรือตะขาบตัวขนาดท่อนซุงแม้แต่พวกสัตว์ยุคโลกล้านปีต่างๆก็เคยผ่านมาแล้วซ้ำหาอะไรกับไอ้ังคบตัวแค่ตุ่มสามโคซึ่งมีท่าทีประหลาดเหล่านี้มันจะโผล่ออกมาดูสัตว์ประหลาดในสายตาของมันเพื่อเป็นการทักทายหรือจะมาเพื่อจับเหยื่อกินเป็นอาหารก็ยากที่จะทานาย แต่สัญชาตญาณระวังภัยไม่อาจทำให้เขาประมาทได้ที่เขายังใจเย็นอยู่ได้นในขณะ น, นี้ก็ต้องการจะดูท่าทีของมันให้ถึงที่สุดและคำนวณจากขนาดน้ำหนักตัวแล้วว่ากระสุนขนาดจุด4 5 8ที่วางตำแหน่งให้ถูกต้องจะคุมสถานการณ์ได้เพียงแค่ตัวละนัดเท่านั้นถ้าจำเป็นเลขอย่างหนึ่งภูมิประเทศในที่สูงชันก็ยังเป็นอุปสรรคขวางกั้นอยู่ ทำให้มันไม่อาจจู่โจมเข้าถึงตัวได้รวดเร็วนะักอืดใจต่อมานั่นเองลิ้นอันมีคุณลักษณะของการจับสัตว์ด้วยน้ำลายอันเหนียวเป็นพิเศษตามธรรมชาติของสตว์ประเภทมันก็ตะวัดปราบออกมาจากปากอีกครั้งและคราวนี้แตะไปที่ไรเฟิลของชายยานอันประทับจ้องอยู่บริเวณกลางลำกล้องตรงปลายกระโจมมือพอดีชายยานร้องเฮยออกมาสุดเสียง เพราะไรเฟริลของเขาถูกกระชากโดยแรงจากการตวัดลิ้นกลับของมันแรงของลิ้นและความเหนียวแน่นจากสารบางชนิดที่ประจำอยู่ในลิ้นของมันชุดกระชากอาราเฟิลที่ประทับมั่นอยู่ให้หลุดมือกระเด็นกลิ้งลงไปตามทางลาดที่มันหมอบอยู่และตัวชายยันเองก็พลอยถูกฉุดดึงเพราะการออกแรงยืดยุดให้ถลำออกจากกลืบหินที่กำบงังตีลังกาหลุดกลิ้งตามหลังไรเฟริลลุนลุนลงไปด้วย ความคิดที่จะรอดูเชิงหรือพยายามแผ่เมตตาของเชษฐาก็ต้องมดสิ้นไปในบาดดลเมื่อเห็นอากับกริยาของชายยันที่ขมังกลิ้งตามหลังปืนของเขาลงไปหาไอ้กบประหลาดที่ตัวใหญ่ผิด ธ, ธรรมชาติอันหมอบอยู่นั้นก่อนที่ลิ้นของมันจะพุ่งออกมาจากปากอีกครั้งนิ้วของเขาที่แตะรอยอยู่กับไกปืนก่อนแล้วก็กระดิกเป้าหมายคือใต้คางที่โปง่งเข้าโป่งออกเป็นจังหวะนั้นกระสุนจุดส แห่ความเงี้ยวขึ้นสถานไปทั้งขุนเขาน้ำตกอากาศรอบตัวถูกแรงกดดันอัดวูบจากลำไฟฉายที่สองมองเห็นรอยเบิกทางเข้าของหัวกระสุนที่พุ่งออกไปขาวเวอร์พร้อมกับเศษหนังบริเวณนั้นบางส่วนที่ปลิวกระจายออกไปในมุมทิศทางลาดแบบนี้หนทางกระสุนที่จะควานออกตำแหน่งใดไม่อาจทราบได้ แต่สภาพของมันราวกับถูกค้อนมหายักตีเสรยผงะงายพลึงเหมือนถูกอะไรมาผักเห็นท้องขาวโพรนและตีนทั้งสี่ที่สั่นพิ้วและร่างกายส่วนอื่นก็นิ่งสงบโดยไม่ขยับเขยื่ อ, อีกเลยสภาพผิวหนังและความคงทนของมันยุ่ยเปล่าเกินไปสำหรับกระสุนไรเฟิลปราบช้างนัดเดียวเท่านั้นในตาแหน่งที่เหมาะสมไม่มีการขยับเขยนืนดิ้นรนอีกเลย มันก็เป็นเวลาเดียวกับที่ชายยันผู้อยู่ในภาวะควันนี้ดีฟอร์ในขณะนี้กลิ้งคลุกๆลกลงไปถึงตัวมันที่นอนหงายท้องตีนกลางอยู่พอดีลักษณะของอดีตนายทหารปืนใหญ่ตะเกียกตะกายอยู่ตรงนั้นอย่างคลุกขลักชุลมุนกำปนาเสียงปืนดูเหมือนจะสะกดการเคลื่อนไหวของไอตัวที่เกาะ อ, อยู่ถัดลงไปให้ชะ ง, งักนิ่งไปชั่วขณะและบัด น, นั้นเองเชษฐาผู้กระชากปลอกเก่าทิ้งก็ตะโกนขึ้นสุดเสียงว่า ยิ่งขยินเจ้ากระเรียงดอยซึ่งวันนี้ได้กลายมาเป็นคนสนิทขนาดมือซ้ายของเขาตื่นจากตะลึงเหนี่ยวไกปืนลูกซองของมันดึงกระสุนลูกโดที่บรรจุไว้ตลอดเวลานับตั้งแต่ทุกคนรู้ตัวแน่ว่าจะต้องเผชิญอยู่กับโครงช้าไม่ว่าเวลาใดเวลาหนึ่งพุ่งเข้าหาปากในบริเวณใกล้เคียงกับรูจมูกของไอ้ตัวที่สองแทบจะได้ยินเสียงของหัวกระสุนกระทบเนื้ออ่อนตำแหน่งนั้น รียะมันก็แค่มีเกินสิ15เมตรเท่านั้นและก่อนหน้าที่มันจะกระโดดขึ้นมาอีกเพียงคลิปตาตัวที่โดนปืนของขยินกระโดดลอยขึ้นทั้งตัวแล้วหล่นลงมาดิ้นปัดทุรนทุรายปากบริเวณนั้นของมันกระจุยไปแล้วแต่วิถีกระสุนก็ดีหรือพลังของกระสุนก็ดียังไม่ถึงกบที่จะทำให้หยุดมันได้อย่างเฉียบพลันคงมีแต่ความเจ็บปวดพลิกดิน้นก้อนหินบริเวณนั้นถล่มเกลียวกราว ขยินกระชาติสไลด์อย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่มันจะกดลำกล้องปืนลงซ้ำได้เชฐาก็ระเบิดไรเฟิลของเขาตามติดลงไปอีกตูมโดยแข่งกับเวลาเพราะไม่สามารถจะหาจุดตายอย่างเฉียบขาดได้อย่างตัวแรกท้องบริเวณสีข้างของมันถูกคว้านเป็นรูโวเข้าไปเกือบเท่ากำปั้นเพราะลักษณะอันยืดหยุ่นของเนื้อนหนังซึ่งจะเป็นเยือของกระสุนอย่างดีที่สุดประกอบกับของเหลวภายในลำตัวของมัน ผลก็คือทางออกของกระสุนระเบิดแหกแผลเกือบเท่าลูกมะพร้าวตับตายบางส่วนกระจายว้อนพร้อมเลือดและมีไส้ขดหนึ่งขาดรุ่งริ่งทะลักออกมาลากอยู่กับพื้นมันดิ้นรนสะบัด ต, ตัวไปมาจนพุ่มพงที่เข้าไปกลิ้งอยู่แหลกลานราวกับลูกช้างย่อมย่อมเข้าไปดิ้นอยู่จังหวะนี้เองที่ชายยนตั้งตัวติดโดยหยีบยันกับแง่หินทรงกายไว้ได้ กระชากปืนสั้นประจาตัวขนาดจุดซีซีแม็กที่เหลือติดเอวอยู่ออกมาอย่างลนลานขนาดนี้เขาเป็นคนที่อยู่ใกล้อันตรายมากที่สุดเพราะร่วงลงมาจากที่มั่นอันหลบซ่อนตัวอยู่ด้านบนขึ้นไปเสียงร้องเอะอะของขยินและเสียงดึงลูกเลื่อนยังดังกลนกันอยู่แยกไม่ออกชายยานรอช้าไม่ได้ไอตัวที่ยังดิ้นอยู่ก็ดิ้นไปไอตัวที่ยังไม่เคยลิ้มรสลูกปืนมาก่อนก็กระโดด ตัวละตุกบสองตุ้บออกมาจากเนินหินสองฝั่งทางอีกมองเห็นเป็นเงาตะคุ่มเหมือนจอมปลวกขนาดใหญ่ที่กระโดดได้โคตรเตี่ยมึงพร้อมกับอาการสะบดชายยันปลา จ, จุดซีซีซแม็กด้วยมือทั้งสองไปยังตัวที่กระโดดพลึบเข้ามาใกล้เขาที่สุดห่างแค่สองวาทเท่านั้นชนิดที่ชิงความเร็วกันระหว่างปลาลิ้นของมันกับนิ้วที่เหนียวไกปืนของเขา อะไรมันจะเร็วกว่ากันไม่ทราบได้แต่เขารู้สึกว่าปืนสั้นในมือระเบิดโครมออกไปพร้อมกับที่ตัวเองก็หัวคำรามเซลุ้นลุ้นทลาเข้าไปกระทบกับสิ่งหนึ่งชนิดหมุนคว้างไม่รู้ทิศทางแต่คราวนี้ไม่ยอมปล่อยปืนให้หลุดเพราะตระุปกรรมแน่นไว้ทั้งสองมือนาทีสองที่เขายิงมันไปไหนก็ไม่รู้ขณะที่ตัวเองหมุนอยู่นั้นแต่เชษฐากับขยินรู้ดีว่า ชายยานยิงในขณะที่ตัวเองหมุนหันหน้ามาทางด้านแง่หินที่ต่างหลบกันอยู่หัวกระสุนกระทบหินที่ทั้งเชื่อและขยินยึดอยู่แต่กระจายเป็นฝุ่นนัดที่สองนั้นยิงกลับไปทางาพระขั้วเดียวกันซะแล้วเพียงแต่มันห่างตำแหน่งที่ซ่อกของทั้งสองขึ้นไปวาเศบนแง่หินเหนือศีรษะเท่านั้นฉายไฟขยินซ่องตามนายฐานลงไป เสียงตะโกของเชษทายามนี้ไม่ผิดอะไรกับจีนถูกไฟไหม้บ้านแทบฟังไม่เป็นภาษาตนเองก็ประทับไรเฟินมั่นเพียงแต่ยังไม่กล้าเดี่ยวไกลต่อไปเท่านั้นเพราะยังมองเห็นเป้าหมายไม่ถนัดขยินก็รวดเร็วและเฉียบพลันต่อเหตุการณ์ชนิดไม่เสียแรงที่เคยร่วมเผชิญมหันตภัยกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจึงแทนที่จะตะลีตลานยิงเปรปะทรงเดชหันมาทำหน้าที่ฉายไฟให้นายใหญ่ โดยกดลำแสงขนาด8ท่อนตามร่างของชัยยันลงไปโดยมีซากของตัวแรกนอนแองแม้งขวางอยู่และตัวที่สองก็ยังดิ้นคลิกคว่ำพลิกงายอยู่ในขณะ น, นี้ชายยันนั้นขณะ น, นี้ตัวเขาเองมองเห็นชาในสายตาของขยินและเชิดาว่ากําลังนอนดิ้นอย่างสุดฤทธิ์อยู่บนลิ้นของไอตัวมหาภัยลักษณะกึ่งโกกึก่งคังคกตัวนั้น เพียงแต่ว่าตัวมันเองนอนพังภาพขากลางพยายามดึงขาทั้ง4ด้านที่แผลออกไปให้หดเข้ามาเมื่อจะให้ทรงตัวถนัดแต่เป็นไปอย่างเชื่องช้ามากและลิ้นของมันที่แตะติดตัวชายยันได้ก็แลบพ้นออกมาจากปากค้างไม่สามารถจะลากคืนเข้าไปในปากที่หุบสนิทได้คงจะเนื่องมาจากประสาทบางส่วนถูกทำลายไปแล้วจากกระสุนของช ย, ยันเอง ร่างของเขากำลังนอนอยู่บนลิ้นเหมือนติดกาวแล้วชนกับปากของมันที่หุบอยู่พอดีถ้ามันสามารถอาปากขึ้นได้ก็แปลว่าชายยันหลุดเข้าไปในปากแน่ดูนั่นนายขยินโวยกึ่งก้องเชษฐาไม่อาจตัดสินใจลั่นไกปืนได้เพราะในสภาพฉุกกระหุกเช่นนี้เขาไม่แน่ใจว่ากระสุนปืนที่ยิงลงไปจะถูกชยยันหรือไม่ ยิงอัดมันเข้าไปเร็วชายยันอัดเข้าไปที่ลูกตามันอดีตท่านทูตทหารโบกร้องในอาการสำลักมันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เขาจะทำได้ในภาวะเช่นนี้ชายยันกัดฟันแน่นพยายามพลิกตัวเข้าใส่ริมฝีปากที่ยันติดอยู่กับตัวเขาขณะนี้จอบจอบปากกระบอกปืนชิดติดผิวตรงมุมมันพอดีแล้วก็เหนียวกายรัวเผาขนเข้าไปอีก2นะัดจนกระเซ็น เลือดและเศษหนังบางส่วนกระจายถูกตัวเต็มไปหมดมันก็หวบลงไปในทันทีนั้นในขณะที่ปากอันหุบสนิททำท่าเหมือนจะอ้าออกกระสุนทั้งสองนั้นคราวนี้ทะลุจากกริมฝีปากด้านนอกเสรยเปิดทางออกกลางศาีรษะพอดีทำให้ประสาททุกส่วนของมันหยุดลงอย่างเฉียบ พ, พลันแม้ว่าจะเป็นสาสตร์ประเภทเลือดเย็นก็ตามชายยันกล้นใจเหนียวยิงต่อไปจนกระทั่งหมดลูกโม เสียงหัวกระสุนตีควันเยื่อเนื้อที่ดูยืดหยุ่นเหนียวแน่นเล่ากับยางกระจนได้ยินถนัดแล้วตัวเขาก็พยายามจะพลิกดินดึงกายพ้นออกมาจากแผ่นลิ้นที่เต็มไปด้วยยางเหนียวแน่นนั้นอย่างทุลักทุเลแลักษณะเป็นอาการเหมือนดินกระแดวกระเดวโดยไม่ต้องรับคําสั่งอย่างใดเลยขยิ่งกระโดดลงมาจากที่ซ่อนมือยังถือไฟฉายแล่นหัวขามามเข้ามายังชายยันเพื่อส่งมือไปให้จับ ได้ช่วยฉุดดึงชักเขยื้อกันเต็มเหนี่ยวโวยวายโกลาหลกันไปหมดทั้งสาคนเชษฐาประกอบไฟฉายไว้กับกระโจมมือเตรียมคอยยิงคุ้มกันให้หากมีไอตัวไหนกระโดดเข้าใกล้มาอีกและขณะนั้นเองพวกลูกหาบที่แต่เดิมถูกสั่งให้เข้าไปหลบพักกันอยู่ในซอกโพรงภายในก็พากันร้องถามลั่นไต่กันออกมาเป็นแถวโดวยมีในชวนหัวหน้านําออกมา พวกนั้นพอเห็นเหตุการณ์เข้าก็อุทานกันแซดโอนละไม่กันไปหมดเสียงกระบอกปืนที่พยายามจะประทับจ้องลงไปกระทบกันเองดังโป๊กเป๊กไปหมดเพราะเนื้อที่แคบจำกัดเชษฐาสั่งเร็วปรือว่าทุกคนอย่าพึ่งยิงเดี๋ยวถูกนายฐานกับขยินเข้าทั้งหมดจึงได้ยืนตาเหลือกค้างช่วยกันฉายไฟสว่างจ้าในชวนต่าทางลงไปด้วยอีกคนหนึ่ง แล้วก็มาชะ ง, งักอยู่ที่ไอตัวซึ่งขยินยิงดิ้นทุรนทุรายอยู่มันกระโดดพลิกคว่ำพลิกหงายอยู่ตรงนั้นและมีอาการเหมือนจะหล่นลงมาทับหัวหน้าลูกหาซัดไอตัวนี้ให้ยูมานไปก่อนนะนายชวนร้องบอกขึ้นมาเอา้าแต่ระวังทิศทางลูกปืนไว้หัวหน้าคณะร้องบอกลงไปทันทีหัวหน้าลูกหาซึ่งก็ใจถึงเหมือนกันแย่ลากล้องลูกซองแฝด ซึ่งบรรจุลูกโดดไว้เช่นเดียวกันกันกนกบของขยินอาจตูมตูมเข้าไปทั้งสองลำกล้องโดยเลือกยิงที่ตำแหน่งข้างศรีรษะขณะที่มันดิ้นโครมครามเข้ามาใกล้ห่างจากปากกระบอกปืนแค่สองว่ามันดิ้นพรวดเข้าไปกระทบโขดหินใหญ่ริมทางแล้วพลิกตะแคงคานิ่งอยู่ตรงนั้นเองชวนวิ่งลงไปยังขยินและชา ย, ยานที่มลุมมาตุ้มกันอยู่ที่ปากของเจ้าตัวที่สาม เสียงขยินบงเบงเร็วปรือให้ช่วยกันฉุดตัวชั ย, ยันออกมาพอได้แรงในชวนอีกคนหนึ่งชั ย, ยันก็หลุดออกมาจากแผ่นลินที่วางแบกอยู่กับพื้ น, นั้นขึ้นมาได้แล้วทั้งสามก็ตะกายไต่าทางสวนกลับขึ้นมาอย่างเร็วที่สุดชนิดไม่คิดชีวิตชั ย, ยันไม่ลืมที่จะช่วยไรยเฟิลของเขาที่ถูกมันเอาลิ้นตวัดดึงตกลงไปและวางคาอยู่กับแง่หินติดมือขึ้นมาด้วย เมื่อ น, นั้นเองจึงเป็นโอกาสของเชษฐาที่จะออกคําสั่งเฉียบขาดว่ายิงได้ยิงทุกตัวที่เห็นขาดคําของเขาเสียงรุ่งองจากพวกลูกหาบที่มาประดังกันอยู่บนแง่หินปากโคลงก็ระเบิดสนั่นวันไว้ไม่เป็นจังหวะระดมยิงลงไปยังเงาตะคุ่มตะคุ่มเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างอันกระโดดตุบตักแผ่นดินสะเทือนประดังออกมายัางทางโล่งของสายน้ําไหล และยวบยากอยู่ตามพุ่มพงตลอดจนกอหินราตีอันสงัดก็สะเทือนไปด้วยการสั่นโวหูดับตับไม้มันเป็นการระดมยิงในระยะใกล้จากปืนหลายกระบอกบนชัยภูมิที่ได้เปรียบกว่าหลายตัวที่โผล่ออกมาให้เห็นทลายลื่นคลูดออกไปสิน้นฤทธิ์บางก็อ้าปากพะ ง, งาพะ ง, งายูเป็นจังหวะขณะที่เลือดทะลักฟูมราวกับเทถังสี บ, บางก็กระโดดขึ้นมาเกาะเด่นอยู่บนโขดหินก็ถูกกระสุนทะลวงประทะตีลังกาไงายล่นหายแวบไปจากสายตามันมีขนาดใหญ่กว่ากบหรือคางคกตามปกติหลายหมื่นเท่าก็จริงแต่ก็ไม่ใหญ่จนเกินกว่าที่จะทานกับกระสุนลูกโดหรือไรเฟิลได้เพราะกระทบเข้าส่วนไหนก็เกิดบาดแผลกระจุยที่นั่นของเหลวเมือกเมือกผสมเลือด ก, กระจายว่อนเป็นฝอยทั่วไปหมด เชดฐาสซุดตัวพังภาพปล่อยหน้าที่การยิงปะทะสกัดกัน้นหรือการฆ่าแบบล้างลานให้แก่พวกลูกค้าตนเองส่งมือไปให้ชายยันแล้วเหนียวดึงขึ้นมาบนแง่หินจนได้สำหรับขยินและในชวนปากหลักอยู่ใต้แง่หินนั้นก่อนเราถึงอย่างไรก็ไม่บางทางปืนของพักพวกแน่ในตำแหน่งที่อยู่ในระดับต่ำและใกล้ๆ ก, ก, ก, ก, กับพัพวกเชน่นนี้ต่างหันไปจ้องยิงต่อไป ถยินนั้นยิงพลางก็ตะโกนสะบดด่าเป็นภาษาของตนไปพลางดูจะเกิดความมันเคี้ยวและบ้าเลือดขึ้นมาแล้วส่งลูก ป, ปืนมาให้กูมั่งเอาลูก ป, ปลายก็ได้เสียงอดีตนักเกรงตนหล่มช้างตะโกนบอกพวกลูกหาวที่ยืนอยู่เหนือศีรษะขึ้นไปชา ย, ยันนั้นพอเทิถาดึงตัวขึ้นมาได้ก็หอบจนตัวโยนราชสกุลหนุ่มเขย่าตัวไม่เป็นไรนะชา ย, ยัน เขยักหน้ายังอ้าปากขอบอยู่บอกกระท่อนกระแท่นว่าลิ้นมันอย่างกับมีกาพิเศษลาดไว้ทั้งถังถ้าขายินกับในชวนไม่ลงไปเชื่อกันฉุดฉันคงหลุดออกมาจากลิ้นมันไม่ได้ทั้งที่มันก็ตายแล้วบอกจบเพื่อนรวมตาซึ่งเกือบจะเข้าไปอยู่ในปากหรือท้องของจ้กบยักษ์ก็พลิกตัวหมุนกลับตวัดไรเฟินขึ้นแนบบ่ากกวาดลำกล้องค้นหาเป้าหมายต่อไปยังดุเดือดเครียดแขน เขายิงไปยังทุกตำแหน่งที่สงสัยว่ามันจะพากันหมอบหลบอยู่เศษหินเศษดินถูกกระสุนกระทบปลิวกระจายว่อนแล้วหัวกระสุนฉลัี้ยวฟ้าอื้อองไปหมดป่าก็คำรามไปพลางพวกกูแผ่เมตตาให้มึงแล้วเมื่อมึงไวรักก็ต้องแผ่ด้วยไอ้นีเอ้าวไอชิปหายกระโดดเข้ามามีเท่าไหรด่ดา น, น้ากันเข้ามาให้หมด วิทยุที่ติดเอลเชษฐาอยู่ขณะ น, นี้มีเสียงร้องถามระร่ำระลักออกมาจากลำโพงจิว๋วอันเป็นเสียงกระหึ่กระหอบตกใจของอนุชาว่าเรียกข้างบนเกิดอะไรขึ้นยิงอะไรกันมันดูเหมือนจะดังซ้ำๆในประโยคนี้และเริ่มดังเรียกถามขึ้นตั้งแต่กระสุนนัดแรกระเบิดทำลายความเงียบขึ้นแล้วแต่ทั้งเชตหาและชัยยานยังบัวแต่อยู่ในภาวะฉุกระหุกจึงไม่มีใครพูดวิทยุตอบอนุชาลงไปได้ แล้วเสียงกระสุนนะัสุดท้ายก็เงียบหายไปเมื่อไม่ปรากฏว่าจะมีเจ้ากบอสูนตัวไหนโผล่ออกมาให้เห็นอีกรวมทั้งไม่ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของมันตามพงรกหรือลืบก้อนหินบางในละแวกใกล้เคียงนอกจากเสียงกระโดดนี้พละห่างออกไปทางด้านทานน้ำตกฝั่งตรงข้ามเจ้าไฟฉายช่วยกันส่องกรดประมาณเจแดตัวนอนแผ่อยู่ตามเส้นทางเชียกไตขึ้น หมอ บ, บ้างหงายท้องตีนที่ฟ้าบ้างหรือพิงตะแขงอยู่กับแง่หินบ้างไล่ละไปเป็นทิวลงไปยังไม่นับที่ถูกปืนพละดตกหายลับจากสายตาไปล่นอยู่ตามซสาหินบงังกลิ่นไอดินปืนคลุ้งตลกไปหมดทุกคนยังประทับปืนอยู่บนไหล่หูคอยเงียบระดบรับฟังเสียงไฟฉายก็ยังช่วยกันส่องกราดไป ร, บรอบ ต่อไปนี้สภาพของมันจะกลายเป็นสัตว์เป้าหมายถูกล่าแล้วถ้ายังมีไอตัวไหนโผลออมาอีกร่างอันเป็นเป้าปืนอย่างดีของมันจะถูกฉีกเละไปทีเดียววิทยุเรียกจากอนุชาก็ยังดังถามร้อนรนอยู่ตลอดเวลาเชษฐารอคอยอยู่อีกอึดใจใหญ่หลังจากนั้นจึงค่อยลดไรเฟิลลงทอนใจเฮือกสั่งดเสียที่พยายามระ ง, งับความตื่นเต้นกับทุกคนว่าเอาล่ะ เชื่อว่าบางคนเพ่นหนีไปหมดแล้วแต่ให้ระวังคอยฟังเสียงไว้ก่อนดับไฟฉายได้แล้วแล้วเขาก็ปลดวิทยุที่เนบเอวขึ้นมาเรียกกลางนานอินกำลังรอฟังข่าวอยู่ครับเสียงสวนตอบมาอย่างกระหือกระหอบเหตุการณ์แบบนี้ค่อนข้างจะร้ายแต่ตอนนี้คลี่คลายไปแล้วท่านหัวหน้าพูดกรอกช้าๆลงไปในวิทยุมือถือ เราถูกฝูง ก, กบหรือคางคกชนิดหนึ่งรู้สึกว่าจะมุ่งมาจากทาง น, น้ําตกฝั่งตรงข้ามบุกเข้าโจมตีกว่าจะยิงสกัดกั้นขับไล่ไปได้ก็ฉุกกระหุกกระพองสมควรกบหรือคางคกอะไรกันครับทําไมถึงต้องยิงกันราวกับเกิดสงครามอย่างนั้นผมกับนานอินตอนนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนเลยหยุดฟังเสียงปืนอยู่มันดังทั้งหมดรวมแล้วไม่ต่ำกว่าห้นัด เสียงอนุชาอุทานลั่นอย่างประหลาดใจขีดสุดมันไม่ใช่กบหรือเครงคบอย่างที่เราเห็นรอ้องและก็ไม่ใช่พวกสางหาน้อยอย่างที่ลุงอินเคยเตือนเราด้วยแต่มันน่าจะเป็นอีกชนิดหนึ่งตัวย่อมที่สุดขนาดรถโฟก์คแต่ส่วนมากแล้วขนาดของมันเท่ารถอเมริกันแปสูพวกเราแต่ละคนนี่ถ้าพลาดก็เห็นจากคนละคำของมันเท่านั้นมันมุ่งใต่ขึ้นมาเล่นพี่ใช้ยันและขยินก่อน พวกลูกหาเลยออกมาช่วยกันยิงสกัดไว้ทั้งหมดพวกมันแหกกันมาประมาณสักยี่สิบตัวเห็นจะได้ตอนนี้เพนหนีไปหมดแล้วทิ้งซากนอนหงายท้องอยู่ราวเจ็ดถึงแปดตัวเท่าที่จะส่องไฟเห็นพี่ใหญ่จริงหรือครับจริงหรือไม่จริงแกก็ได้ยินเสียงปืนทล่มภูเขาแทบพังอยู่นั่นยังไงชายยานตอบลงไปบ้านด้วยเสียงหอบหอบฉันเองก็เกือบเข้าไปอยู่ในท้องของมันแล้ว พอตวาดลิ้นแปลเดียวทั้งรายเฟิลนทั้งโคนถูกฉุดหัวขมำจะลอยเข้าไปในปากของมันเลยถ้าย้อนกลับขึ้นมาแกจะได้เห็นเองครั้งแรกที่เห็นเรายังไม่ยิงก่อนนึกว่าอาจเพียงโผล่มาตามทิศทางของมันแล้วก็ผ่านไปแต่ที่ไหนได้ดันตต่ขึ้นมาแล้วฉกลิ้นอยู่ฉับฉับฉันโดนดึงลงไปก่อนเชษฐาก็เลยต้องยิงเป็นคนแรกแล้วมันก็ยกขยงประดังกันขึ้นมา ถ้าไม่ถูกยิงหมอบกระแตกเกลื่อนอยู่นั่นตลอดจนเจ็บเลือดสาดไปหลายตัวพวกมันก็ยังไม่หนีไปหรอมันดูเราอย่างเหยื่อไม่ได้ดูอย่างมิรท่าทางแต่ละตัวซื่อบริสุทธิ์หน้าเอ็นดูมากเสียอย่างเดียวเห็นเราเป็นแมลงตัวเล็กๆที่มันอยากจะได้เป็นอาหารแล้วก็อยากแดกสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่มันพบที่ตัวเล็กกว่ามันคุณพระช่วย มีใครเป็นอะไรบ้างนายทหารคราวนี้เป็นเสียงของนานอินร้องลิ้นพันกันขึ้นมาไม่มีใครเป็นอะไรนอกจากฉันคนเดียวที่วุดวิดไปอย่างที่บอกแล้วชายันตอบพร้อมกับสะบดพ ร, รมเท่ถาสั่งการลงไปทันทีว่ากลางลุงอินทั้งสองระวังตัวให้ดีพวกมันจะต้องมีมากที่บุกเข้าโจมตีเราทางด้านนี้มันอาจคอดักหรือ อ, อาจติดตามทั้งสองคนอยู่ก็ได้ ลักษณะน่าจะเป็นกบมากกว่าคางคกเพราะผิวค่อนข้างเกลี้ยงขาหลังยาวกระโดดไกลอาจไม่ดูร้ายเกินไปนะแต่มันต้องการหาเหยื่อและบางเอิญขนาดของมันใหญ่มากเหลือเกินกว่าตันขึ้นไปถึงสองตันครึ่งหรือราวนั้นถ้ากระโดดแผ่นดินจะสะเทือนได้ยินชัดพอระวังตัวล่วงหน้าได้ถ้าคลานย่องหรือดักซุ่มอยู่ก่อนจะสังเกตยากเพราะจะกลืนไปกับก้อนหิน เข้าใกล้ในรัศมีลิ้นแลบถึงเมื่อไรเสร็จเมื่อนั้นเน้นอีกครั้งระวังตัวให้จงหนะักแถวที่เธอทั้งสองคนกำลังเดินตรวจอยู่เป็นระยะที่มันควรจะไปได้ถึงง่ายๆได้ยินที่พูดชัดเจนหมดทุกข้อความหรือเปล่าสงสัยหรือไม่ได้ยินตอนไหนให้ถามขึ้นมาได้ได้ยินและเข้าใจหมดทั้งหมดแล้วครับไม่ต้องห่วงทางนี้ผมกับลุงอินพอจะเอาตัวรอดได้ตอนนี้ยังไม่ระแค่ราคาอะไรทั้งสิ้น นั่นแหละระวังไว้ขนาดพวกเราปากหลักอยู่วันนี้ยังเกือบแย่จุดอ่อนคือหัวอันเป็นแหล่งรวมประสาทแต่โดยแท้จริงมันก็ไม่ใช่สัตว์ที่มีความอดทนอะไรนะักเราจะเสียเปรียบมันเฉพาะช่วงที่ยาวกว่าเท่านั้นโดยเฉพาะลิ้นที่มีน้ำเมือกเหนียวมากขนาดแจ็กเก็ตหนังของชายยานกว่าจะช่วยการกระชากตัวออกมาให้พ้นลิ้นของมันได้เสื้อน า, นาหนายังขาดติดขาดลิ้นของมันเลยครับเราจ ะ, ระวางตัวไว้ แต่ผมไม่เข้าใจเลยลุงอินบอกว่าไม่เคยได้ข่าวกบใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนั่นก็แปลว่าสมัยที่ลุงอินเคยผ่านมาแถบนี้แกยังไม่เคยเห็นหรือรู้ข่าวมาก่อนและที่มันโผล่ออกมาในคืนนี้เข้าใจว่าอาจเกิดจากทำนกของแอ่งน้ําตกเหนือหัวเราขึ้นไปมันพังแตกอะไรต่ออะไรมันทลายลงมาถิ่นเดิมของมันอาจอยู่เหนือตำแหน่งที่พักของเราขึ้นไป พ่อเขื่อนแตกน้ำทะลักมันก็อาจถูกน้ำพัดลงมาด้วยก็ได้นี่เป็นข้อสันนิษฐานถิ่นของมันเชื่อแน่ว่าคงอยู่แถบน้ำตกตอนกลางเขาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริเวณวางน้ำที่เหนือหัวพวกเราขึ้นไปนี่แหละสัตว์พวกนี้จำศีลอยู่ในถ้ำได้เป็นเวลานา น, านๆพอเปล่าออกมาทีก็มีแต่ความหิวจับสัตว์ทุกชนิดเท่าที่มันจะจับได้กินเป็นอาหารขนาดเก้งกวางลิงข้างบางชนี รู้สึกว่าจะสบายมันมากนั่นทั้งสองคนห่างจากที่นี่ลงไปเท่าไรประมาณ250รหารือ300รอเมตรครับห่างจากเส้นทางน้ำไหลาตามปกติของสายน้ําตกเท่าไรอนุชาเงียบไปครู่เดียวเหมือนจะหารื่อกับนานอินแล้วตอบมาว่าไม่ไกลครับแค่ไม่เกิน30 40ถึงสเมตรเท่านั้นเราเลาะไล่มาเป็นแนวขนานกับสายน้ําตกเส้นปกติ เพราะทางน้ําที่ไหลเมื่อครู่ใหญ่นี้มันบ่ายหน้ามาทางนี้ถ้างั้นก็ยิ่งต้องระวังให้มากขึ้นถ้ามันอาศัยลอยไปตามน้ําตกมันจะถึงแก่ทั้งสองคนเพียงแต่ไม่เกินห -6 นาทีเท่านั้นและถ้ามันใช้วิธีกระโดดไปตามพื้นจะยิ่งเร็วกว่านั้นเพราะช่วงกระโดดกะว่าครั้งหนึ่งไปได้ไกลถึงสิบเมตรเป็นอย่างต่ําแต่ก็อย่างที่บอกแล้วถ้ามันกระโดด จะได้ยินเสียงแผ่นดินสะเทือนขนาดทีเดียวจึงให้ระวังการหลบซุ่มอยู่ก่อนของมันถ้าเราไม่เผชิญหน้ากับมันมาก่อนแล้วก็ทั้งสองคนอาจสูญหายไปอย่างชนิดพวกเราบนนี้ไม่ได้ร่องรอยอะไรเลยขอสั่งว่าให้ใช้ไฟฉายเดินทางได้แล้วทั้งสองคนเพราะลำไฟฉายจะส่องไปได้ไกลกว่าใต้อ่อตามันไม่สะท้อนแสงนะทาให้สังเกตลาบากมาก ฝ่ายของอนุชารลนานอินเงียบไปอีกเชษฐารอยอยู่ครู่เมื่อยังไม่ได้รับตอบก็ถามลงไปอีกว่าว่ายังไงได้ยินหรือเปล่าตอบรับด้วยแทนที่จะได้ยินเสียงตอบรับจากอนุชารืนานอินทุกคนบนแง่หินปากโรงถ้าด้านบนก็สะดุ้งโหยงกัมปนาสนันวันไหวของไรเฟิลซึ่งแยกไม่ออกว่าจุดสี่ห้าแปดหรือจุดสามเจ็ดห้ากันแน่ที่ดังเปรี้ยงสะท้อนกล้องขึ้นมาแทนคําตอบ เอากขาให้แล้วไงใช่ยันตะโกนอย่างลืมตัวเปรียงแรกที่แผ ล, ลั่นไปหมดเพราะระยะไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่นะเว้นไปได้แค่เสี้ยววินาทีกบเปรียงที่สองสามและสี่แหว่ความเงียบของราตรีอันเพิ่งจะสงบไปได้หยกหยกขึ้นมาอีกแต่คราวนี้ดังขึ้นมาจากด้านล่างพวกเราลงไปตามเถอะนายสองคนนั่นเจอเข้าแล้ว ในชวนหัวหน้าลูกหาพูดกระหือกระหอบทุกคนบนนั้นไหวตัวพรึบกันหมดแต่เช่ถายกมือขึ้นเป็นการปรามไว้ยุดไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะมันมืดเหลือเกินถ้าเป็นเวลากลางวันก็ยังพอไหวแต่นี่มันมีแต่อันตรายทุกด้านรอฟังข่าวอยู่วันนี้แหละถึงอย่างไรฉันก็เชื่อมือทั้งพรานชดและลุงอินและเราก็เตือนล่วงหน้าให้เขารู้แล้ว คำสั่งของเขาทำให้ทุกคนชนะงักแต่ก็เต็มไปได้วยความกระสับกระส่ายกระวนกระวายใจยิ่งชายยันเรียกวิทยุลงไปเร็วรือแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบจากคนใดคนหนึ่งแล้วก็ดังขึ้นอีกตูมหนึ่งเหมือนฟ้าผ่ามาแต่ไกลชายยันหดคอแยกเคี้ยวพูดรอดไรฟันออกมาว่าเจ้าประคูลขออย่าให้คนหนึ่งคนใดหรือทั้งสองคนเข้าไปอยู่ในท้องไอ้กบนรกนั่นเลย ต่อให้ช่วยกันพาออกมาได้ก็คงไม่หายใจแล้วคราวนี้ก็เป็นวินาทีแห่งการรอคอยชนิดหายใจไม่ทั่วท้องของฝ่ายข้างบนบ้างทุกคนยืนนิ่งอยู่กับที่เงี่ยหูพึงไม่อยู่ในฐานะจะทราบเหตุการณ์ทางด้านอนุชาและหนานอินได้ทั้งสิน้นรวมทั้งไม่กล้าเดาด้วยต่างหัวใจเต้นแรงด้วยความสั่นระทึกเชษฐาและชัยยันได้แต่นึกปลอบใจและท่องอยู่ในใจตลอดเวลาว่า คคทั้งสองที่กำลังเผชิญกับสิ่งอันเลวร้ายนี้คนหนึ่งคือพรานชดประชากรอีกคนหนึ่งคือครูพรานนานอินผู้ซึ่งผ่านเหตุการณ์ร้ายๆอย่างสามารถเอาตัวรอดปลอดภัยมาชนิดพิสูจน์ถึงฝีมือได้อย่างดีแล้วเขาทั้งสองย่อมน่าจะช่วยเหลือตัวเองได้ในภาวะเช่นนี้แต่ภูมิประเทศและเหตุการณ์ที่คนทั้งสองบุกกระลงไปเหมือนต่างก่าที่ทั้งคณะขึ้นมายึด กันอยู่บนแง่หินบนที่สูงอันเป็นชัยภูมิที่ปลอดภัยกว่ามากนะจึงเป็นสิ่งที่น่าวิตกมากถ้าเป็นเวลากลางวันมองเห็นอะไรได้กระจ่างรอบด้านก็จะไม่มีอะไรน่ากังวลเลยสาหรับเจ้ากบใหญ่ประเภทนี้แต่แล้ววินาทีที่ผ่านไปสำหรับสภาวะนี้มันดูเหมือนานานแสนานานสำหรับฝ่ายที่คอยสะดับฟังเสียงอยู่มีการยิงขึ้นอีกหนึ่งนัด สะเทือนมาตามคลื่นอากาศมันเย็นชื้นกลางดึกมันซาบไปทั้งเทือกเขานัดที่สามนี้ดูเหมือนจะลั่นขึ้นห่างจากสองนาดแรบประมาณเกือบหนึ่งนาทีเต็มพอกังวลเสียงของไรเฟิลซึ่งสะท้อนกลับไปกลับมาค่อยๆสาหายเสียงของอนุชาวก็บอกขึ้นมาเรียบรียบว่าโอเคไม่ต้องห่วงครับมีอยู่สามตัวเท่านั้นและเราก็หยุดมันเพียงแค่ตัวละนัด ถ้าพี่ใหญ่ไม่บอกเตือนลงมาเสียก่อนถ้าจะแย่มันเหมือนกันเพราะเราดูกันไม่อกจริงๆเสีผิวมันกลืนไปกับก้อนหินหมอบดากรออยู่ริมทางอย่าพึ่งไว้ใจกลางมันอาจมีมากกว่านั้นและดากรออยู่ในตำแหน่งที่ทั้งสองคนมองไม่เห็นก็ได้เชษฐาเตือนลงไปอย่างเป็นห่วงเต็มที่แต่ก็โล่งใจไปได้เปล่าหนึ่งครับกาลังตรวจหาอยู่แต่ในละแวกใกล้ตัวเราขนาดนี้ ความโคโลไปหมดแล้วมันใหญ่จริงๆด้วยใหญ่จะดูเหมือนภาพฝันร้ายทำให้หมดสงสัยว่าทำไมพวกพี่ใหญ่ถึงระดมยิงกันราวกับเกิดสงครามมันเข้าโจมตีหรือเปล่าช้ยยันถามโดยเร็วลงไปบ้างมันยังไม่ทันจะจู่โจมอะไรเราทั้งสิ้นแค่หมอบอยู่ตามทิศทางที่เรากำลังจะบ่ายหน้าลงไปครั้งแรกนึกว่าก้อนหินแต่ลงอินตาดีมากเพราะได้รับการเตือนให้ระวังอยู่ก่อนแล้ว แกเป็นคนยิงนัดแรกตูมเดียวหงายท้องเลยตัวที่สองและสามฉันเป็นคนยิงยุ่ยเปราะดีมากมันไม่ได้เป็นสารที่อดทนอะไรเลยนัดละตัวถ้าถูกบริเวณหัวเสียงอนุชา ต, ตอบขึ้นมาเหมือนยิงลิงหรือข้างสักตัวเท่านั้นไม่สอดถึงความหวานหวานตกใจะอะไรทั้งสิน้นกลางครับผมพี่ใหญ่ พี่คิดว่าเธอกับลงอินถอยกลับขึ้นมาก่อนดีกว่าบรรยากาศมันไม่ดีเสแล้วทั้งสองคนขืนบุกต่อไปเสี่ยงมากเหลือเกินกับไอ้กบนรกพวกนี้กรุณาไว้ใจผมกับลงอินเธอครับถึงยังไงก็รับมือไหวสำหรับเจ้าศาสต ร, ร์ประเภทนี้ขอเราสองคนตรวจสอบบริเวณห่าง ล, ลงไปอีกสักนิดสัญญาว่าจะไม่ให้ไปเกินกว่าหนึ่งกิโลหรือหนึ่งไมล์ผมร้อนใจเรื่องน้อยเหลือเกิน เชษฐาถือวิทยุค้างยังสั่งการอะไรไม่ถูกเขาเริ่มคิดถึงการสูญหายไปของน้องสาว ข, ขึ้นมาได้อีกภ้ายหลังจากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดแทรกขึ้นมาอันทำให้ลืมไปเสียชั่วขณะจิตปล่อยให้ทั้งสองคนนั่นลงไปเอถอะเชษาถึงยังไงเขากระวังตัวเองได้ดีอยู่แล้วช่ยันบอกต่ำๆเชษฐาจึงยกวิทยุขึ้น ขอทราบอีกนิดนอกจากเจ้าสามตัวที่ว่ายิงความไปหมดแล้วได้ยินเสียงกระโดดหรือกลางเคลื่อนไหวของตัวอื่นอีนอกไหมกลางไม่มีวี่แววอีกเลยครับเข้าใจว่ามันไหลตัวเองมาตามทานน้ำตกแค่สามตัวนี้เท่านั้นและเราเป็นฝ่ายมองเห็นมันก่อนเสียด้ําำถ้าพี่ใหญ่ไม่ส่งข่าวลงมาก่อนว่ามันเข้าเล่นงานพวกเราทางด้านบนผมกับลุงอินถึงจะมองเห็นก็อาจไม่ยิงมันก็ได้เพราะนอกจากตัวใหญ่เป็นพิเศษแล้ว อื่นๆดูว่าไม่น่าจะมีพิษสงอะไรเออแกจะไปรู้พิษสงมันก็ต่อเมื่อพลาดท่าถูกลิ้นมันตะหวันเอาแกเข้าไปในปากแล้วนั่นแหละกบอะไรก็ไม่รู้มีฟันอย่างกระใบเลื่อยเต็มไปหมดถ้า ง, งับก็ขาดสองท่อนถ้าขยอกกลืนก็หลุดลงท้องมันไปเลยช้ยยันร้องบอกลงไปทางวิทยุอย่าปอดเสียขวาญไปหน่อยเลยหนะ้าชายยัน เสียแรงเคยผจญกับไดโนเสาร์มาแล้วไกลแคก่กบตัวเคืองหน่อยเท่านั้นก็มันเกือบแดกฉันเขาเ้าไปแล้วนะตะ ก, กี้นี้อรุชา Bitcoin และนานอินเงียบไปอีกไม่มีการตอบอะไรมาเหมือนไม่อยากจะต่อล้อต่อเยงให้เสียเวลาเชษฐาจึงชวนเพื่อนของเขาให้นั่งลงและบอกให้พวกลูกหาที่ออกมาช่วยกระโดมยิงกลับเข้าไปในโพรงถ้ตามเดิมคงเหลือไว้แต่ในชวนและขยินอีกสองคนเท่านั้น ไม่มีอะไรจะทำได้นอกจากรอคอยฟังข่าวรายงานจากฝ่ายที่บุกลงไปซึ่งจัดว่าเป็นมือชั้นยอดที่สุด ข, ของคณะเวลาล่วงผ่านไปอย่างแช่มช้าบรรยากาศนับอึง้งและครั้งนี้เชษถามไม่เป็นฝ่ายเรื่องวิทยุลงไปอีกเลยคอยรับฟังอย่างเดียวเขานั่งไหลชนกับในชวนัวนหน้าลูกหาบส่วนชายยันก็นั่งเอาหลังพิงอยู่กับเจ้าขยินเยบซึมกันไปหมด ราดเจ็ดถึงแปดนาทีต่ตอมาเสียงของอนุชาก็ดังรัวเร็วออกมาจา ก, กลำโพงวิทยุว่าพบผีบเครื่องเวชภัณฑ์ของเราแล้วครับเสียงร้อนรอนนั้นปลุกผวาของทุกคนอีกครั้งพบที่ไหนยังไงขึ้นไปติดคาอยู่บนซุ้มเถาวัลล์ลักษณะเหมือนกระเช้าบนกอไม้สูงกว่าระดับที่เรายือนอยู่ราวห้าเมตรอนุชาบอกลั่นมาอย่างชัดเจนเข้าใจว่าคงจะไหลลงมากับกระแสน้า ซึ่งขนาดนั้นมันไหลบ่ามาในระดับสูงจึงขึ้นไปติดอยู่บนนั้นแล้วน้อยอยังไม่พบร่องรอยอะไรของน้อยเลยครับประเดี๋ยวผมจะตรวจดูให้ทั่วบริเวณนี้ตอนนี้ให้ลุงอินปีนขึ้นไปเอาหอเวชภัณฑ์ของเราลงมาก่อนเชิดฐาและชา ย, ยานเริ่มตื่นเต้นและกระสับกระส่ายยิ่งขึ้นข้ายินฟังไม่รู้เรื่องในชวนจึงอธิบายให้มันฟังว่า ทั้งพรานชดได้หนานอินพบหลักฐานอะไรอย่างไรบ้างตามที่ได้ยินรายงานจากวิทยุถ้าพบหีบยาแล้วก็น่าจะพบนายหญิงใกล้ๆนั่นด้วยเพราะขยินเห็นนายหญิงก่อนหีบยาตอนที่น้ำมันพัดลงไปมันออกความเห็นมีอาการดีขึ้นเชษฐากับชัยยันไม่พูดอะไรกับขยินคอยสดับฟังข่าวจากอนุชายอยู่เช่นนั้นแต่ได้ชวนพูดอ่อยๆกับขยินว่า เองมันคิดง่ายพูดง่ายเกินไปขยินนายหญิงก่อนหีบยาขณะที่น้ำแทงลงมาเต็มที่น้ำไหลพัดทั้งนายหญิงและหีบยาไปด้วยกันก็จริงแต่ความแรงของน้ำมันไม่ทำให้หนายหญิงจะต้องอยู่ติดกับหีบยาตลอดเวลาหรอกเพราะไม่ได้ผูกติดกันไว้หีบยาไปติดอยู่บนพงเถาวันนายหญิงอาจถูกพัดไปไกลกว่านั้นแล้วนายหญิงเป็นคนมีเลือดมีเนื้อ น้ำพัดไปกระทบกระแทกกับต้นไม้บ้างแง่หินบ้างมีอันตรายได้สารพัดส่วนหีบยามันเฟงแค่ห่อของไม่มีชีวิตมันไม่เจ็บปวดอะไรขยินนิ่งไปจะบ่นอะไรงามอยู่ในลำคออวบใหญ่ส่วนเชษฐากับชัยยันก็มีความคิดเช่นเดียวกับหัวหน้าลูกภาพนั่นแหละเพียงแต่ไม่กล้าเอ่ยคำใดออกมาเท่านั้นแล้วคารายงานก็แว่วขึ้นมาอีกว่า เราเอาหีบห่อเวชพัณนลงมาได้แล้วครับเรียบร้อยดีทุกอย่างไม่มีอะไรบุบสลายสังเกต ด, ดูจากลักษณะของห่อภายนอกที่มัดมไว้ด้วยพลาสติกหนาแต่ไม่มีวีแววของน้อยเลยลักษณะของป่าตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างยังอยู่ในสภาพลาชันครับต้นไม้ใหญ่มากและมีหน่อหินขึ้นอยู่มากมายห่างจากที่นี่ประมาณเท่าไหร่ตรงที่พบหีบเวชพันติดกอเถาวัลย์ ราวห้าเมตรครับเสียงวิทยุมีคลื่นแทรกมากเหลือเกินแล้วเกือบฟังจับใจความไม่ได้มีเสียงสู้มากแน่ใจหรือว่าห่างลงไปเพียงแค่ครึ่งกิโลเมตรเท่านั้นแน่ใจครับแต่เข้าใจว่าอาจมีแร่ธาตุอะไรบางอย่างมารบกวนทางด้านผมก็ฟังพี่ใหญ่ไม่สู้จะชัดเจนเช่นกันอนุชา ต, ตอบมาถ้างั้นฟังให้ดีนี่เป็นคําสั่งหยุดการเดินทางได้แล้ว แต่ขอให้ปากหลักอยู่ตรงตำแหน่งที่พบหีบเวชพันก่อนรอจนกว่าจะรุ่งเช้าแล้วพวกเราบนนี้จะลงไปสมทบที่นั่นค่อยหารือกันอีกทีว่าจะเอายังไงถ้าได้ยินข้อความโดยตลอดตอบด้วยได้ยินและจับใจความได้โดยตลอดครับดีมากสองคนกับลุงอินเลือกหาที่พักบริเวณนั้นที่ปลอดภัยที่สุดรออยู่ตรงนั้นแหละพอจะอยู่ได้ไหมจนถึงสว่างอยู่ได้ครับไม่ต้องห่วง ผมกับลุงอินพอจะก่อไฟจากไม้เปียกน้ำพวกนี้ได้และเชื้อเพลิงเคมีก็มีติดตัวมาด้วยดีก่อไฟขึ้นอย่าอยู่กันในความมืดและเปียกชื้นอย่างนั้นตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้อีกแล้วการพบหีบเวชพันก็ต้องจัดว่าเราพอจะได้ร่องรอยบ้างแล้วดีกว่าไม่พบอะไรเลยเสียงอนุชารับคามาท่านหัวหน้าคณะสั่งการให้ในชวนกับขยินไต วนเข้าไปยังซอกโรงถ้ำเพื่อนำเอาเครื่องหลังและหีบสัมภาระจำเป็นส่วนหนึ่งออกมายังบริเวณปากโรงนั้นและจากการก่อไฟจากถ่านเคมีขึ้นทันทีเพื่อให้แสงสว่างและช่วยบรรเทาความหนาวเหน็บซึ่งยามนี้รู้สึกเยื่อเข้าไปจนถึงขั้วหัวใจส่งกระติดบรันดีอออแจกจ่ายดื่มในระหว่างเขาชายยันขยินและในชวนที่ออกมานั่งคุมเชิญกันอยู่ข้างนอก และทางโพรงถ้ำด้านนายก็สั่งให้จุดใต้ก่อไฟเคมีขึ้นเช่นกันโดยแยกออกเป็นสองกลุ่มขยินปฏิบัติการอะไรลงไปบางอย่างแสดงถึงความเฉียบแหลมและใช้ความสามารถในความเป็นลูกใครอย่างแท้จริงของมันครั้งแรกทั้งเชษฐาและชัยยันมองดูอย่างไม่เข้าใจเห็นมันจุดใต้ขึ้นอันหนึ่ง ค, ค่อยๆไต่ทางลงไปยังไอ้กบนรกตัวแรกอันอยู่ใกล้ที่สุดซึ่งเชษฐายิงหงายท้องอยู่ แล้วใช้ดาบเดินป่าจวกเฉาะแหวกผิวหนังหน้าท้องของมันเข้าไปเสียงคมมีดกระทบหนังและเนื้ออยู่ชั่วช่วเหมือนจะผ่าท้องหรือชำแหละหาอะไรสักอย่างเฮ้ยถ้าเองคิดว่านายหญิงจะเข้าไปอยู่ในท้องของไอ้กบเวรนั่นละก็เองมีความคิดที่อับปมงคนมากเสียงในชวนร้องตะโกนด่าลงไปขยินไม่ตอบคงจ้วงฟันต่อไปอย่างไม่ยั้งมือ แล้วครูต่อมามันก็แย่ใต้ที่ถืออยู่ในมือเข้าไปยังบริเวณหน้าท้องของกบยังที่มันเปิดหนังออกไปอึดใจเดียวไฟจากใต้ก็ลุกลามติดกับบริเวณหน้าท้องที่มันแหว่ออกนั้นลุกสว่างโพลงทรงควันดำขึ้นในทันทีกลายเป็นจุดของกองไฟที่ไม่ลามสว่างขึ้นทุกทีแล้วตัวมันเองก็ไต่าทางกลับขึ้นมาชี้ลงไปให้ดูขมันของไอ้กบเบนนั่นเต็มหน้าท้องเลยได้ อดีตนายบ้านหล่มช้างบอกไขมันสัตว์ทุกชนิดถ้ามีมากๆ ม, มันจะติดไฟดีกว่าฟืนสีอีกเป็นเชื้อไฟอย่างดีแล้วก็ลุกอยู่นานเพราะตัวมันโตมเมื่อ น, นั้นทุกคนจึงเข้าใจขยินใช้ไขมันอันเหลืองอ้อยมีอยู่มากมายตรงหน้าท้องของไอ้กบยักษ์เป็นเชื้อเพลิงยางที่ใครก็คิดไปไม่ถึงมันลุกสว่างราวกับตะเกียงขนาดใหญ่ และส่งไอความร้อนแรงขึ้นมาถึงบริเวณที่ทั้งสี่กำลังนั่งพักกันอยู่ในขณะนี้อาจมีกลิ่นเหม็นเขียวไหมยอยู่บ้างแต่ทุกคนอยู่เหนือนลมจึงไม่สู้จะรู้สึกอะไรนักให้ขยินนี้ไม่เลวเลยมันมีดีอะไรของมันอย่างที่เราคิดไปไม่ถึงเสมอช้ยยานอุทานลั่นออกมาด้วยความพิศวงงงวยเชษฐาตบหลังขยินหนักๆ ก, กล่าวออกมาจากใจจริงว่า เราไม่มีแง่ซาหรือพรานใหญ่ระพนในครั้งนี้แต่เราก็ยังมีเจ้าอยู่ทั้งคนขยินเจ้าเป็นคนที่มีค่ามากที่สุดคนหนึ่งในคณะของเราขยินตอบพ่าห่าว่าพรานใหญ่สอนขยินไว้ถ้าหาเชื้อก่อไฟที่ไหนไม่ได้ให้หาจากไขมันของสัตว์ถ้ามันมีไขมันมากๆมันจะลุกติดไฟทากองไฟให้เราได้ ขยินแน่ใจว่าไอ้กบใหญ่นี่จะต้องมีไขมันมากแล้วก็จริงพอมีฉอะผ่านหนังเข้าไปก็เห็นไขมันเหลืองอ้อยไขมันถึงจะ ส, ะสดๆก็ติดไฟได้ง่ายนายแล้วก็ให้ความร้อนมากกว่าไฟจากท่อนฟืนเสีอีกย่างสดเอาความร้อนจากมันเส้นเลยวิเศษแต่ระวังหนังของมันนะดีไม่ดีอาจกาะเป็นยารมให้พวกเรานอนหลับกันไปหมด อย่างหนันงคางคกบางชนิดที่เราเคยรู้จักกันมาแล้วก็ได้ชายยันผู้ระแวงหมดทุกสิ่งทุกอย่างตีงขึ้นถ้าเราจะหลับก็หลับเพราะเหนื่อยเพราะเพลียายินไม่คิดว่าไอโกบยักษ์นี่จะมีหนังเป็นพิษอย่างที่นายทหารกลัวร้องอีกอย่างหนึง่งกลิ่นเผาไหม้จากซากของมันจะไปขับไล่พวกมันหนีไกลออกไปอีกไม่กล้าวกกลับมาเล่นงานเรา กลิ่นควานจากไขของมันโชยลงไปด้านล่างที่ในชดกับลงอินอยู่ในขณะนี้ด้วยจะช่วยทั้งสองคนปลอดภัยจากอนันเนพวกนี้ขึ้นอีกแล้วข้ายินกับในชวนก็นั่งหลับนกมีแต่เชษฐาและชัยยันเท่านั้นที่นั่งอัดบุรีกันอยู่เพื่อรอแสงตะวันไม่มีความง่วงเหงาหานอนหรือความอ่อนเพลียอิดโรยใดๆเข้ามามีอิทธิพลอยู่เหนือความห่วงใ ย, ยในตัวของน้องสาวคนเล็ก อันไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีอยู่ในสภาวะเช่นไรได้ครั้งหนึ่งเมื่อผ่านไปอีกสิบนาทีชา ย, ยันขยับจะกดคีย์เรียกวิทยุลงไปยังสองคนเบื้องล่างแต่เชษฐาจับข้อมือไว้เฉยๆเถอะชา ย, ยันอย่าไปรบกวนอะไรสองคนนั้นเลยเพื่อเขาจะพักงีบเอาแรงกันมั่งถ้ามีอะไรเป็นพิเศษคงจะต้องเรียกขึ้นมาเองแหละชา ย, ยันจึงลดวิทยุลงเดบเอวตามเดิม และปิดเครื่องเสียเพื่อสงวนฐานเปิดสแตนบายเตรียมพร้อมที่จะรับฟังไว้เฉพาะของเชษฐาเครื่องเดียวแล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็นั่งชันเข่าเอามือทั้งสองกุมศรีรษะไว้เสียนเชิดาซึ่งบัด น, นี้ครึมเยือกลงเป็นปกติเหมือนจะปลงตกแล้วกล่าวมาแผ่วต่ำว่าแกหรือฉันหรือทุกๆคนจะทุกลุ่มไปสักขนาดไหน มันก็ไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้ในขณะนี้รอเราค่อยๆใช้สติปัญญารอโอกาสรอเวลาดีกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดปรับความรู้สึกพื้นฐานสติอารมณ์ของเราให้ดีที่สุดไว้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเราทุกคนผ่านเหตุการณ์อย่างนี้มาจนน่าจะเรียกได้ว่าเกิดความเคยชินแล้วทั้งนั้นมันก็เรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างที่เคยผจญกันมาแล้วนั่นเอง แกปลอบใจฉันเชิฐาในขณะเดียวกันแกก็พยายามปลอบใจตัวเองด้วยช่ยยานพึมพำยังอยู่ในลักษณะอาการเดิมถ้าน้อยเป็นอะไรลงไปในครั้งนี้ฉันจะไม่มีวันให้อภัยระินเลยที่เป็นต้นเหตุ ต, ตัวการเจอที่ไหนพ่อยิงทิ้งเลยให้ตายเถอะเลหลวไหลไร้เหตุผลทุกคนมีกรรมเก่าติดตัวมาทั้งนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้มันพิสูจน์ถึงว่าเราเสียทีไอ้มันไตรทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ประมาทเลยเลขกลนฤทธเดชมันร้ายหรือนะักแต่ฉันเชื่อมันอะไรอยู่อย่างหนึ่งแก่เชื่ออะไรช้ยันหลุดออกมาจา ก, กลาคอที่แห้งผากทั้นานที่รอบบริเวณเปียกชุ่มไปหมดแม้กระทั่งร่างกายของเขาเองในขณะ น, นี้ถ้าจะวัดดวงกันแล้ว ระหว่างน้อยกับระพินน้อยดวงชะตาแข็งกว่าระพินมากนักน้อยเปรียบเหมือนน้ำโชคร้ายพยาพิบัติทั้งหลายเปรียบเหมือนมีดมีดกรีดน้ำไม่เป็นรอยฉันใดครอร้ายก็กรีดน้อยไม่เป็นรอยฉันนั้นฉันรู้พื้นฐานดวงกำเนิดของเขามาแต่เล็กแต่น้อยแล้วตลอดจนมันสังเกตมาเรื่อยๆเชื่อเถอะน้อยต้องไม่เป็นไรมากเพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นที่เราจะตามพบเขา หรือเขาเป็นฝ่ายตามพบเรานั่นมาเป็นความคิดที่พยายามมอในแง่ดีเข้าข้างตัวเองคนเราต่อให้ดวงแข็งสักขนาดไหนถ้าถึงเกณฑ์เคราะห์จริงๆก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกปลอดภัยมาได้99ครั้งอาจมีครั้งที่100เป็นครั้งที่อับเฉาที่สุดก็ได้พูดแค่นี้แกคงเข้าใจเดินทางมาในครั้งนี้แกกลายเป็นคนอ่อนแอที่สื่อของคณะไปเสแล้วชายัน ฉันยอมรักน้อยก็เหมือนกับน้องสาวแท้ๆของฉันคนหนึ่งฉันไม่สุขุมเท่าแกไม่หินเท่ากลางจิตใจก็อ่อนไหววิตกกังวลไปสารพัดชนิดถ้าจะมีก็มีแต่ความบ้าดีเดือดเท่านั้นอีกฝ่ายหนึ่งสารภาพออกมาตามตรงจากใจจริงเดินทางคราวก่อนแกมีความวิตกกังวลแค่ไหนหรือไม่มีเลยโอ้ยนับหมื่นนับแสนครั้ง แลวแตกต่างอะไรกับในครั้งนี้มันก็แค่หนึ่งในจำนวนหมื่นแสนครั้งที่แกเคยพบมาแล้วเท่านั้นไม่ใช่หรือขอให้รู้ไว้ด้วยในระหว่างแกที่อ้างว่าเป็นนักต่อสู้ะจนภายอกสามสอกกับน้อยนะ่ะถ้าเหตุการณ์ประเภทเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับแกฉันจะเป็นห่วงกังวลเสื่อว่าเกิดขึ้นกับน้อยเสีย อ, อีกถามจริงๆเถอะแกมีความเชื่อมั่นจริงจังแบบที่พูดมานี่ หรือว่าเพียงแค่ปลอบใจฉันปลอบใจตัวเองเท่านั้นอย่างช้าๆแช่ฐานเน้นประโยคว่าฉันเชื่อมั่นเช่นนั้นและพูดกันตรงๆถ้าแม้ว่าน้อยจะเป็นอะไรไปในครั้งนี้ก็แปลว่ามันถึงอายุขายของเขาแล้วคือเกนชตากำหนดให้มาตายในระหว่างสมสารติดตามหาผู้ชายที่ตัวเองรักไม่มีอะไรจะช่วยได้เลยถ้าลิขิตชีวิตเขาถูกวางไว้เช่นนั้น คำสนทนาโต้อตอบระหว่างทั้งสองชะงักกึกลงอย่างกะทันหันอีกครั้งเสียงกระหึ่มของไรเฟิลแผดเปรี้ยงแหวความเงียบขึ้นมาอีกอย่างไม่น่าเป็นไปได้มันดังขึ้นมาจากด้านที่อนุชาเละนานอินกำหนดให้หยุดพักการเดินทางลงชั่วคราวนั่นเองเฮ้ยอะไรอีกล่ะ น, นั่นชายยันพะวาร้องออกมาอย่างประสาทเสียในภาวะที่อยู่ในระหว่างแวดล้อมไปด้วยภัยพิบัติ แต่และคนล้วนมีวิตกจริตเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้วอยู่ไม่อยู่ก็ได้ยินเสียงปืนอันแสดงถึงการยิงขึ้นอีกแล้วก็เว้นช่วงไปชั่วขณะแม้จะเป็นขณะสั้นๆก็ตามฝ่ายที่ไม่ได้ร่วมรู้เห็นในเหตุการณ์แต่ได้ยินเสียงของการยิงนั้นก็ย่อมจะสะดุ้งผวาครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนไม่ได้เป็นเฉพาะเชษฐาชัยยนต์สองคนเท่านั้นขยินกับในชวนก็ตกใจตื่นชนิดรวดราาขึ้นมาอีก ร้องถามกันแซดว่าเสียงปืนหรือหูของขยินฝาดไปพร้อมๆกับพวกลูกขาที่ถูกใกล้กลับเข้าไปยังโครงถ้าที่พักก็ฮือกันออกมาเชษฐานั้นก็ฉงนเต็มที่ไม่น้อยกว่าคนอื่นๆทุกคนแต่พูดประกาศให้ทั้งหมดอยู่ในความสงบว่ารานชดหรือลุงอินก็ควรจะยิงไอกโกพวกนั้นนั่นแหละมันอาจโผล่ออกมาอีกก็ได้และถ้ายิงแค่นั้นเดียวเว้นห่างออกไปแบบนี้ ก็ไม่น่ากังวนอะไรเพราะเขาอยู่กันสองคนและท่านหัวหน้าคณะก็พยักหน้ากับชายยันบอกว่าเอาล่ะลองถามลงไปดูซิความจริงมีอะไรเขาก็ควรจะรายงานขึ้นมาให้เรารู้นะเล่นงียเป็นปริศนาแบบนี้ไม่ดีเลยชายยันบ่นอย่างกระสับกระส่ายคว้าวิทยุของเชษฐาที่ยังเปิดเตรียมพร้อมไว้วางอยู่บนหินข้างหน้าขึ้นมากดคีย์ เรียกลงไปสั้นๆว่ากลางลุงอินไม่มีสัญญาณใดๆตอบมาเลยแม้จะรอฟังกันอยู่นานถึงอึดใจเต็มๆเอ๊ะยังไงกันนี่เฮ้ยกลางได้ยินก็ตอบมาสิโวยคราวนี้ชายยานแพ่เสียงตะโกนลงไปในวิทยุมือถือดังลั่นในขณะเดียวกันเ่ถากลุกขึ้นยืนอีกครั้ง ทุกสิ่งทุกอย่างคงเงียบไปอย่างน่าคิดเหมือนเดิมถ้าแม้ว่าจะมีสิ่งใดมารบ ก, กวนคลื่นวิทยุทำให้รับฟังไม่ได้ถนัด ก, ก็น่าจะมีสัญญาณกดคีย์พยายามจะตอบโต้มาบ้างแต่นี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่คลื่นอากาศลั่นอู้โครกคร่าเชษฐาตัดสินใจเฉียบขาดในทันทีนั้นว่าขยินเจ้าไปกับฉันและนายทหารชายยานสามคนเราจะลงไปตามพรานชดกับลุงอินเดียวนี้ส่วนในชวนฟังให้ดี เธอกับลูกหาบทั้งหมดทุกคนรออยู่บนนี้แหละเอาวิทยุไว้เครื่องหนึ่งคอยเปิดรับฟังไว้และคอยรอคำสั่งจากฉันว่าจะทำยังไงต่อไปและจำไว้ถ้าไม่มีคำสั่งทางวิทยุทุกคนอย่าลงจากหน้าผานี่เปน็นขาดจนกว่าจะรุ่งสว่างทั้งขยินและในชวนหัวหน้าลูกหาบรับทราบคาสั่งเขาทันทีโดยไม่ต้องซักซ้อมหรือพูดอะไรกันมาก เชษฐากับชัยยานเตรียมเครื่องหลังเวียงขึ้นหลเพื่อพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างขยินก็คว้าย่ามของตนสะพายในชวนสั่งให้ลูกน้องออกมานั่งอยู่เวียนยามประจําบนปากช่องโปรง่งไม่มีใครคิดที่จะหลับนอนกันอีกแล้วและทั้งสามคนก็ไต่หน้าผาันเป็นช่องปากทางมุดเข้าซอกถ้าลงไปในทันทีโดยอาศัยความสว่างจากเปลวไฟที่ลุกโชนอยู่บนซากของกบยักษ์พอเหยียบยืนยันตัวได้ถนัด ก็ใช้ไฟฉายส่องสัตว์นำหน้าตรวจสอบภูมิประเทศพากันเดินในลักษณะเตรียมพร้อมตามเส้นทางที่อนุชาและนานอินล่วงหน้าไปก่อนแล้วซึ่งคาดว่าจุดครั้งสุดท้าเทีน้สอติดต่อวิทยุขึ้นมานั้นไม่น่าจะอยู่ห่างไกลจนเกินกว่าที่จะหลงแยกไปทางอื่นโดยให้ขยินแกะรอยนำไปส่วนเทถาและชา ย, ยานกระชับไรเฟิลในท่าที่เตรียมจะใช้งานได้ทุกขณะกระสุนขึ้นลา เพียงแต่เขาห้ามไกไว้เท่านั้นตามลงไปตามลำดับโดยเส้นทางน้ำที่หลากลงไปนั้นผ่านซากกบนรกที่ยิงหมอกกระแตอยู่เป็นจุดๆลงไปเชษฐาวิทยุเรียกลงไปทุกระยะแต่ก็คงไม่มีสัญญาณตอบอยู่เช่นนั้น2ฝัง่งทางมืดมิดเต็มไปด้วยพุ่มพงของวัชพืชอันขึ้นอยู่ใกล้น้าพอห่างลงไปเล็กน้อยก็เริ่มพบกับป่าใหญ่ สิ่งที่ทุกคนจะต้องระมัดระวังแจยามนี้ก็คืออาจมีกบใหญ่ตัวไหนรอคอยดักซุ่มจับเหยอื่อยู่ก่อนอีกบ้างรวมทั้งสิ่งอันน่าระแวงหวาดอื่นๆซึ่งจะจู่โจมเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่มีอะไรมาเป็นหลักประกันให้ได้ชั่วไม่นานของการนำไปอย่างชำนาญของขยินเสียงอดีตนายพรานลมช้างก็ชี้มือบอกอย่างรุกลนว่าโนนเห็นแสงไฟแวมๆอยู่ข้างหน้าโนน คงจะเป็นกองไฟที่พรานชดกะลุงอินก่อไว้จริงดังว่าท่ามกลางความมืดของบรรยากาศและความทึบของป่าหินสลับไปกับลำต้นของไม้ใหญ่ที่ขึ้นเบียเซ ก, กันอยู่มีแสงสว่างวับวับแวมแวมโผล่ขึ้นมาจากหมู่หินบริเวณหนึ่งแต่ยังไม่เห็นตัวกองไฟชัดเชษฐาตะโกนสุดเสียงเรียกกลางก็ไม่มีเสียงตอบ ทั้งสามจึงเร่งรุดไต่ทางลงไปยังตำแหน่งนั้นโดยเร็วสิ่งที่พบครั้งแรกมีกองฟืนจากไม้สดที่ถูกตัดออกจากลำต้นขนาดย่อมๆวาง่ายกันอยู่และมีเปลวไฟลุกติดลักษณะของมันสดๆร้อนๆชนิดไฟเพิ่งจะกินท่อนไม้ตอนปลายเป็นฐานแดงเท่านั้นเป็นไม้ประเภทที่ชาวป่าเรียกไม้ขโมยอันมียางอยู่ในลำต้นของมัน ทำให้ก่อไฟง่ายแม้จะเปียกน้ำก็ตามโดยไม่ต้องเตือนกันเลยทั้งสามคนแยกกันใช้ไฟฉายกราดค้นหาทันทีเพื่อตรวจสอบบริเวณเพราะไม่ว่าจะเป็นอนุชาหรือนานอินไม่ปรากฏว่าอยู่ณนะตำแหน่งที่ควรจะอยู่นั่นเสีแล้วซึ่งลนนนักษณะนี้มันบ่งบอกความผิดวิสัยไปนในทางไม่เรียบร้อยแน่ยิ่งมาประกอบกับเสียงไรเฟิลที่ทุกคนได้ยินนัดแรกและการเรียกมาซึ่งไม่ได้รับตอบ ซ้ำตามลงมาจะถึงที่แล้วก็ยังไม่พบตัวเลยทั้งสองคนตะโกนเรียนด้วยปากก็ไม่ได้ยินยุ่งซ้ำสองขึ้นมาเสแล้วสิสองคนหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นชายยันอุทานวิทยุของกลางตกอยู่ที่นี่เช่ถาก้มวูบลงใบบนพื้นกรวดบริเวณหนึ่งแล้วหยิบเอาวิทยุมือถือของอนุชาซึ่งวางกลิ้งในลักษณะตกหล่อนอยู่ตรงนั้นขึ้นมา ชายยันเพ่นเข้ามาทันทีจากการตรวจสอบพบว่ามันปิดสวิตช์ไว้แสดงว่าอยู่ในระหว่างเจ้าของยังไม่ประสงค์จะใช้งานขณะที่เกิดเหตุขึ้นท่านหัวหน้าคณะ ม, ม้นปากแน่นพยายามกวาดไฟไปรอบๆขณะนั้นเองขยินผู้ส่องไฟค้นหาไปอีกด้านหนึ่งก็ตะโกนบอกให้ทราบถึงตำแหน่งที่พบซากของกบยักษ์อันถูกปืนของอดีตพรานชดกับนันอินหมอบพังภาพอยู่ในพงรก ซึ่งหาไม่ยากเพราะตัวมันโตโดยกระจายกันอยู่ในทิศทางต่างๆรอบบริเวณที่เป็นจุดก่อไฟจากพื้นอันเป็นดินแดงผสมกับปวดหยาบเล็กๆพอจะกำหนดเป็นรูปรอยเท้าเหยียบย่มตรงบริเวณที่ก่อไฟไว้ได้บ้างแต่ก็ไม่ถนัดชัดเจนนะเช่ถาร้องบอกไปทางขยินพยายามหาหีบยาของนายหญิงที่ทั้งสองคนบอกว่าเก็บลงมาแล้วให้พบขยิน มันน่าจะอยู่ใกล้ๆ ก, กองไฟที่ทั้งสองคนนั่นก่อไว้ น, น่าใหญ่ขยินพบต้นไม้ใหญ่ที่ลุงอินบอกว่าปีนขึ้นไปเอาหีบยาลงมาแล้วมันอยู่ใกล้ๆ ก, ก, กับซาบกกบตัวหนึง่งมีรอยปีนขึ้นไปเอาลงมาจริงๆด้วยเชิดาเต็มไปได้วยความโงนหันไปมองหน้าชายยันซึ่งก็ยืนสำรวจพื้นอึ้งอยู่เหมือนจะใช้ความคิดหนักเพื่อนของเขาพิมพ์คำออกมาว่ามันน่าจะจริงของขยิน เมื่อลุงอินเอาหีบเวชภั์ลงมาได้แล้วทั้งสองคนมาก่อไฟอยู่ที่นี่ก็ต้องเอาหีบผ่อนั้นมาไว้ข้างๆตัวด้วยสิแต่นี่มันหายไปไหนทั้งหีบยาทั้งสองคนซ้ำวิทยุยังตกหล่นอยู่แสดงว่าทั้งสองหายไปจากที่นี่อย่างเร่งด่วนฉุกเฉินทีเดียวท่านหัวหน้าคณะก้าวสวบสองไฟตามพื้นต่อไปอีกโดยบอกให้ชยยัยนและขยินซองตรวจรอบด้าน และในแง่ซอกหินเพื่อช่วยกันเพียงแค่สี่ก้าวที่เขาย่างจากที่เดิมเท่านั้นก็เรียกเพื่อนให้เข้ามาดูบริเวณที่จี้ไฟลงไปปลอกลูกปืนชา ย, ยันร้องเชษฐาหันไปพิจารณาสิ่งแวดล้อมรอบด้านเท่าที่ไฟฉายสามดวงจะอำนวยให้ได้ส่วนชา ย, ยันค่อยๆก้มลงไปเก็บปลอกกระสุนขึ้นมาพิจารณาแล้วอุทานออกมาว่า กลางเป็นคนยิงไว้มันเป็นปลอกจุด4 5 8 ข, ของลุงอินใช้จุด3 7 5เพราะฉะนั้นของกลางแน่ที่ยิงเมื่อครู่ใหญ่นี้ที่เราได้ยินแค่นัดเดียวนอกจากปลอกกระสุนวิทยุที่ตกมีอื่นๆของทั้งสองคนตกหล่นอยู่อีกบ้างไหมบริเวณนี้ัวนหน้าคณะถามขึ้นเจตนาจะพูดกับขยินเพราะใช้ภาษาเกเรียงไม่มีเลยในายใหญ่ ข้าวของติดตัวอื่นของสองคนคงจะติดตัวไปด้วยเอไม่ไหนกันนี่ดูท่ารีบร้อนเหลือเกินแล้วถ้ารีบร้อนอย่างนั้นหีบยาของนายหญิงก็ควรจะทิ้งไว้เรื่องอะไรจะแบกไปให้หนักเว้นแต่จะแบกกลับขึ้นไปบนที่พักของพวกเราเหตุผลของขยินมีน้ำหนักเชษฐาพยายามรวบรวมสติ ป, ปัญญาและความสุขุมรอบข้อของเขาทั้งหมด เดาเหตุการณ์ปริศนาอันแสนจะอ่านหรือเดาได้ ย, ยากนี้เขาพบปลอกกระสุนอันหมายถึงว่าอนุชาได้ยิงขึ้นจริงและควรเป็นนัดปริศนาล่าสุดนั่นแหละโดยพิจารณาว่าใกล้กองไฟมากที่สุดพิสูจน์ได้ว่าน่าจะเป็นนัดที่ยิงภายหลังก่อไฟเตรียมพักแล้วแต่ทิศทางการยิงมันไม่มีหลักฐานบอกให้ทราบได้ว่ายิงไปทางไหน แล้วทำไมถึงทั้งสองคนต้องปละออกจากกองไฟอย่างเร่งด่วนหายไปเช่นนี้ปัญหาที่ว่าเรียกวิทยุแล้วไม่ตอบได้ข้อเฉลยแล้วอนุชาทำวิทยุประจำตัวตกไว้คงจะเนื่องจากความเร่งด่วนฉุกเฉินนั่นเองชายยันไม่ทำตัวเองให้งโง่เซอ้อสูญเปล่าในภาวะเช่นนี้เขาเริ่มตั้งข้อสมมติฐานถึงตําแหน่งที่อนุชายิงปืนระยะที่ปลอกกระเด็นออกมา เพราะการกระชากลูกเลื่อนซึ่งมันก็ไม่น่าจะห่างไกลาจากจุดยิงเท่าไรนะสสำหรับกลไกของไรเฟิลแบบลูกเลื่อนประกอบกับรอยเท้าอันเยยบอยู่สับสนซึ่งคงจะเป็นรอยเท้าของทั้งสองคนนั่นเองแล้วอดีตทหารปืนใหญ่ก็เดินสองฝ่ายตรงไปยังฝั่งขวามือในระหว่างชะงอนหินสองลูกลูกหนึ่งสูงท่วมศรีรษะอีกลูกหนึ่งสูงระดับเอวอยู่ชิดกัน ทำช่องทางเหมือนประตูพอก้าเข้าไปถึงสองไฟพบช้ยยันก็อุทานอะไรออกมาสุดเสียงแทบฟังไม่เป็นภาษาเชษฐาขายินก็กระโจนพรวดเข้าไปถึงตำแหน่งนั้นสิ่งที่เห็นซากใหญ่โตของไอพิธิปตนหนึ่งนอนคว่ำอยู่ตรงตำแหน่งนั้นคาขวางอยู่ในระหว่างซอกโคดหินพอดีมีรอยกระสุนปืนทะลวงผ่านออกทางด้านหลังศีรษะ อันมีแต่หนังหุ้มกระดูก ข, ของมันกระโหลกส่วนหลังด้านนั้นเปิดหายไปชิ้นประมาณเกือบเท่าฝ่ามือมองเห็นขุยดำๆบรรจุอยู่ด้านในและกระจายเป็นผงบ้างเล็กน้อยออกมานอกบาดแผลเพียงแต่ว่าบาดแผลนั้นไม่ได้เป็นลักษณะของบาดแผลที่กระสุนปืนแรงประทะสูงกระทำต่อสิ่งอันมีชีวิตเท่านั้นแต่เหมือนยิงผ่านต่อไม้ซะมากกว่า เทพพย า, ายามถีบไหลมาให้พลิกง่ายขึ้นเหมือนพลิกขอนไม้จริงดังว่ารอยทางเข้าของกระสุนจุดสีเจาะเข้ากลางหน้าผาของซากหมื่นปีนั้นพอดีอย่างแม่นยำที่สุดมันน่าจะเป็นซากบ้นหุน่นนรกมากกว่าที่จะเป็นซากของมนุษยชาติที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตเลือดเนื้อมาก่อนในอดีตอันานานแสนานานแข็งทื่อปราศจากชีวิตจิตใจ ไม่มีท่าทีว่าจะแสอาการขยับเยื่อเคลื่อนไหวใดๆได้อีกเลยฟันหน้าสองซี่ใหญ่เกือบเท่าหัวไม่มือโผล่เพอะเยอะมีสีคล้ำหน้าเกลียดพอๆกับลักษณะรูปร่างและทรงใบหน้าของมันขยินนั้นโดยสันดานเดิมที่มักจะกลัวผีเป็นทุนอยู่ก่อนแล้วร้องจ้ากอย่างลืมตัวและกระโดดพลุงถอยห่างออกไปแต่พอรวบรวมสติได้ก็กระโดดกลับเข้ามาตามเดิม แกอ่านรูปการก็ยังไงเชิถาชายยันถามแหบต่ำอีิท่านทูตทหารโบกรีตาลงสีหน้าคล้ำจนแทบจะออกเขียวย้อนถามว่าแกละ่ะฉันเดาไม่ออกจริงๆแต่ที่แน่ๆออกมาแล้วก็คือที่กลางยิงเมื่อตะกี้คือยิงไอ้ผีนรกนี่เองและมันพิสูจน์ได้ในกระสุนลงอาคมทางพระพุทธคุณที่แกกับน้อยทาพิธีให้เมื่อตอนหัวค่า คือถ้ายิงไปกระทบส่วนหนึ่งโนใดของไอหุ่นยนต์บังคับด้วยมนกาลีชนิดนี้มันจะหมดสมรรถภาพเคลื่อนไหวนำไปใช้งานไม่ได้อีกถึงได้ทิ้งซากไว้ให้เราเห็นแบบนี้คงลุกขึ้นมาไม่ได้อีกตลอดไปแล้วตามที่เราหวังไว้เพราะไม่งั้นกว่าเราจะลงมาถึงมันก็น่าจะลุกขึ้นนีหลบไปแล้วอย่างที่เราเคยพบเห็นประสบมาอาจเป็นอย่างนี้ได้ไหมเชษฐาเอ่ยแผ่วเบา คงกวาดูรอบๆ อ, อยู่เช่นนี้พยายามอ่านเหตุการณ์ระหว่างที่กลางกับลุกอินก่อไฟเสร็จหยุดพักกันอยู่ที่นั่นเขาก็เห็นไอ้หนุ่นี่พยายามเลียบเคียงเข้ามาใกล้จึงยิงตามที่เราเห็นซากมันถูกทิ้งคายอยู่และมีเหตุผลอะไรที่ทั้งสองคนนั้นต้องหายไปด้วยเขายิงเมื่อเห็นอันตรายใกล้เข้ามาและเมื่อยิงมันอยู่หมัดไปแล้วก็น่าจะรายงานให้เรารู้และปากหลักอยู่ที่นี่ก็ได้ ไยยันแย้งมีอาการมึนงงไปหมดมันอาจไม่ได้มาเพียงตัวเดียวก็ได้อาจด้อมเข้ามาล้อมไว้รอบด้านและโผล่ลับๆล่อๆให้เห็นพอกลางยิงซากในความลงก็คงมีเหตุการณ์ร้ายอะไรเกิดขึ้นซึ่งยากที่จะทายอาจมีการตะลุมบอลถึงตัวสังเกตจากวิทยุที่หล่นพลัดอยู่ส่วนเครื่องหลังที่หายไปด้วยนั้นก็คงเป็นเพราะทั้งลุงอินและกลาง ยังไม่ได้ถอดให้พ้นตัวออกไปในระหว่างนั้นจึงยังติดตัวอยู่ด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งหีบเครื่องเวชภัณฑ์ที่ได้มาแล้วมันก็หายไปด้วยประโยคหลังเชษฐากล่าวเหมือนจะรำพึงกับตนเองเอาหลังมือขยี้ปลายคางฉันจะคิดวาดภาพเหตุการณ์เกินเลยไปหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าจะเดาเอาว่ากลุ่มไอ้ผีดิพวกนี้ทําการล่อหน้าล่อหลัง ให้ทั้งสองคนต้องระวังตัวเต็มที่พร้อมกับเกิดอาการพ า, า, าว้าพวังแล้วพวกมันตัวใดตัวหนึ่งก็อาจจู่เข้ามาคว้าหีเบเวชพันไปเพราะรู้แน่ว่าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งของเราเมื่อหีเบเวชพันถูกไอ้พวกนรกนี้พาหนีกล้างกับลุงอินก็จะต้องตามอย่างกระชั้นชิดแน่นอนเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ทั้งกลาและลุงอินจะละจากที่นี่ไปในฉับพลันรวดพราด จ, จนถึงกับทำวิทยุตกค้างไว้ มันจะต้องเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนทีเดียวและหีบเวชพันก็หายไปด้วยแบบนี้ในกรณีนี้มีให้คิดหลายแง่เราไม่ได้ยินหรือได้หลักฐานการยิงจากลุงอินเลยเป็นไปได้ไหมที่ทั้งหีบเวชพันและทั้งตัวลุงอินถูกพวกวันที่อไปด้วยพร้อมกันซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กลามต้องตามทันทีทําไมเราได้ยินเสียงปืนเพียงนัดเดียว ถ้าแบบนั้นกลางต้องยิงถล่มส น, นันฝาไปหมดแล้วการยิงมันต้องหมายความว่าเห็นเป้าหมายด้วยถ้ายังเห็นเป้าหมายไม่ถนัดกลางจะยิงทําไมก็คงตามติดไปเรื่อยๆเหตุลึกลับที่เรานึกท่ายกันอยู่นี้มันเกิดขึ้นสดๆร้อนๆก่อนหน้าที่เราจะลงมาถึงไม่เกิน25นาทีนี้เองเพราะฉะนั้นกลางก็ยังไม่น่าจะไปไกลาจากเราตรงตำแหน่งนี้นะัก เอาอยัางไงต่อไปบอกเร็วชา ย, ยันเร่งขึ้นตามต่อไปเดี๋ยวนี้ขยินแกะรอยนําไปเป็นอะไรเป็นกันประโยคหลังเขาออกคําสั่งกับนายบ้านลมช้างขยินก็ออกนำลิ้วไปทันทีตามพื้นอันเท ล, ลาดลงไปสู่ดงดึกดําบัรนั้นเหมือนหมาล่าเนื้อจากจุดที่พบซากโบราณนอนคว่ำอยู่ด้วยลูกปืนปลูกเสกด้วยพุทธานุภาพของอนุชาวาราริศ มันเป็นคืนวิกฤต่สุดของคณะเชศฐาเท่าที่ผ่านมาแล้วในการเดินทางครั้งนี้ความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกเริ่มด้วยน้ำตกจากเบื้องสูงทำลายทำนบพังลงใส่หัวก่อนพร้อมกันน้องสาวคนเล็กของคณะหายไปพร้อมกับกระแสน้ำอนุชาและนานอินออกตามก็มาสูญหายอย่างลึกลับเดาอะไรไม่ถูกทิ้งเป็นปริศนาไว้อีกจนเชฐาและชัยยันพร้อมขยิน ต้องเสี่ยงตามหลังมาอีกชุดมันเกิดขึ้นในราตรีเดียวกันทั้งหมดระยะเวลาแห่งเหตุร้ายเว้นช่วงกันเล็กน้อยเท่านั้นได้เรื่องแล้วนายเสียงขยินตะโกนบอกมามีรอยของไอ้พวกมาจากนรกลูกน้องของมันไตรเดินเปรอะอยู่เป็นเทือกทีเดียวแล้วรอยของพรานชดกับลุงอินก็วิ่งไล่ไปลุงอินยังอยู่รวมกับพรานชดยังไม่ได้แยกหายไปไหน เราดูจากรอยตีนนี่บนพื้นแฉะตำแหน่งที่เป็นดินล้นล้วนแห่งหนึ่งตามลงไปในป่าล่างหลักฐานรอยเท้ า, ท, าที่ขยินส่องไฟให้ดูปรากฏชัดเชืฐถากับชัยยันอาจยังแยกไม่ออกนะแต่ขยินอันเป็นลูกป่าโดยตรงอ่านได้ปุโปรงแล้วก็ชี้มือไปทางซีขวาของแนวทาน้ำตกบอกต่อมาว่าไปทางนี้แหละตามขยินมาเดี๋ยวรู้เอง บอกเสร็จปากของมันก็ตะโกนวู้วู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อว่าจะได้ยินเสียงกูตอบมาบ้างหากคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนอยู่ในละแวกที่เสียงกูร้องจะแววไปถึงได้ถ้าว่ามันก็ยังเงียบเชียบอยู่เช่นนั้นในความสุดเงียบและแสนเย็นเยือกของป่าทึบกลางดึกอันชํำไปด้วยน้ำทั้งสามคนโดยการนำของขยินลุยน้าข้ามลาธารไปยังอีกฝั่งหนึ่งแล้วฉายายไป เห็นสภาพของต้นไม้แต่ละต้นก็แทบสิ้นหวังมันมีขนาดใหญ่และทึบเหลือประมาณพื้นโดยสภาพเดิมก็เอียงเทอยู่แล้วแต่อันเนื่องจากน้ําบายใหญ่เมื่อชั่วโมงที่แล้วพัดเอาใบไม้ที่สุมทับพื้นอยู่ให้หลุดลอยตามกระแสะน้ําไปเสียเป็นส่วนมากทําให้พื้นมองเห็นได้ถนัดขึ้นบ้างพบว่ามันเป็นลอนสูงสูงต่ำต่ำแอ่งลึกลงไปก็มี โคกสูงเหมือนปลวกก็มีเต็มไปหมดรอยของนานอินกับอนุชาซึ่งสังเกตได้ง่ายเราพื้นรองเท้าปรากฏอยู่เป็นแนวทางลักษณะาการเคลื่อนไปนั้นวิ่งบ้างหยุดบ้างบางทีก็ถลายลื่นหกลม้มแต่รอยตีนขนาดใหญ่เหมือนอปูลพลาสเตอร์ที่หล่อไว้มาประทับไว้ซึ่งเป็นรอยของไอ้พวกอัมนุษย์ระยะ น, นี้ ไม่เห็นปรากฏอยู่ในแนวทางที่คนทั้งคู่ใบหน้ากันไปเข้าใจว่ามันคงจะแอบหลีกหลบบางตัวไปตามโคนไม้ใหญ่หรือพุ่มพงส่วนน้านอินกับอนุชาคงจะตามในลักษณะสกัดดักคู่ขนานกันไปโดยไม่เหยียบซ้ำรอยเพื่อหาโอกาสยิงให้ถนัดและเพื่อไม่ให้ถลํากลนเพราะถูกเลาะให้ผ่านจุดอันตรายซึ่งนั่นเป็นความชลาของอดีตนักปะจนญภัยเบานายทั้งคู่ ยังคาดคะเนไม่ได้ว่าการติดตามของเขาจะไปพบทั้งอนุชาและหนานอีในสภาพที่เรียบร้อยปลอดภัยหรือว่ากลายเป็นศพไปแล้วนี่เป็นความพร่านใจของเชษฐาชัยยันอันเกิดทับทวีขึ้นนอกเหนือความเป็นห่วงดารินอยู่ในขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ในการคาดคะเนทั้งสิ้นยังไม่ h ันมีคาตอบได้แน่ชัดชัยยันคงไม่ต้องเตือนนะ ระวังตัวขีดสุดขนาดกลางกับนานอินมันยังล่ออไปได้พวกมันบางส่วนอ่านดักรอเล่นงานเราระหว่างทางนี่ก็ได้สภาพป่ามันได้เปรียบเราลึกเกินรวมทั้งความมืดด้วยชายยันรับคำและเพียงแค่ขาดเสียงเขาเท่านั้นก็ปรากฏเสียงร้องว้กก้องของขยินอันแสดงถึงความตกใจสุดขีดดังอยู่เบื้องหน้าทางออกไปแค่สาถึงสเมตร เทพธาชัยยันกวาดลำไฟชายวูบสิ่งที่เห็นแว บ, บในสายตาก็คือร่างของเจ้านักเลงโตแห่งลมช้างกำลังกระเดวดิน้นตีนหลุดลอยจากพื้นในลักษณะเสียหลักปืนและไฟฉายหล่นร่วงลงมากับพื้นแล้วมันก็ถูกอะไรชนิดหนึ่งที่คว้าส่วนบนของร่างกายไว้กระชากหายแว บ, บเข้าไปใต้โคนไม้ขนาดห้าโคนโออันมีภูรากสูงท่วมศรีรษะเอามันระวังยิงถูกกันเอง เชิดหาตะโกนสุดเสียงแล้วเขากับชา ย, ยันก็กระโจนเข้าไปยังตำแหน่งนั้นราวกับติดสปริงส่งมันก็เพียงระยะใกล้ๆที่มองเห็นิ้นกันอยู่หลัดหลัดซึ่งหน้าเท่านั้นแต่คนทั้งสองมีอุปสรรคอยู่ในข้อที่ว่ามือหนึ่งจะต้องถือไฟฉายและมือหนึ่งถือไรเฟิลขนาดหนักซึ่งมันเก้งก้างเกะกะสิ้นดีในสภาวะของการตะลุมบอลประชิด ต, ตัวท่ามกลางความมืดแบบนี้ เชษฐาโจนอ้อมโคลนไม้ไปทางซ้ายส่วนชายยันมุ่งสกัดไปทางขวาอกเข้ามาทั้งสองด้านอย่างเร็วที่สุดด้วยสัญชาติญาของผู้ผ่านเหตุวิกฤตมาจนเคยชินและสามารถร่วมกันเป็นทีมเวิร์คได้อย่างดีโดยไม่ต้องนัดแนะสั่งการอะไรกันมากแต่ไวพิบปฏิพานของคุณชายเชษฐาเหนือกว่าเพื่อไม่ให้เกะกะเขาคล้องสายสะพายของไฟายเดินป่าไว้กับไหล่กันตกโดยไม่ประสงค์จะใช้มันให้เกะกะในยามนี้ สองมือจะได้ถือไรเฟิลได้อย่างถนัดเพราะลำไฟฉายของชา ย, ยันเพียงดวงเดียวก็พอแล้วชั่วพริปตาที่บุคคลทั้งสองโดดอ้อมโคนไม้เข้ามาคนละด้านลำไฟฉายของชั ย, ยันสั่นจ้าซองเห็นภาพอันแลชุลมุนหวาดสยองห่างกันแค่เอื้อมนั่นก็คือร่างของขยินกระดาวดิน้นแต่กายอากาศอยู่ในอุ้งมืออันเต็มไปด้วยหนังหุ้มกระดูกขนาดใหญ่โต ซึ่งกำลังรวมจับอยู่ในระหว่างกรามของมันทั้งสองข้างและยกลอยขึ้นจากพื้นใ น, นลักษณะฟัดเวียงเหมือนตกอยู่ในอุ้งมือของอสุรกายซึ่งบัดนี้แหล่ร่างของมันดําทะมึนสูงกว่าขยินอันจัดว่าเป็นคนสูงใหญ่อยู่ก่อนแล้วร่วมส อ, อกอากาศจิริยาของมันรวดเร็วฉับไวายและแคล้วคล่องในการเคลื่อนไหวด้านประทุตร้ายผิดไปจากสร้างอันปราศจากวิญญาณ ปากอ้ากว้างราวกับปากมีควายเพราะความใหญ่โตของใบหน้านั้นมองเห็นกระดูกฟันซี่ใหญ่ๆมีอาการเหมือนกําลังจะก้มลงมาขบลงไปบนขมองของขยินชายันนั่นเข้าทางด้านหลังของมันตะวัดเซย์ได้ผ่านท้ายของไรเฟิรเต็มเหนียวเสียงดังเหมือนฟาดตรงไปกับตอไม้ดังพลุ่ใหญ่ตำแหน่งกระทบคือหัวด้านหลังของมันที่ตั้งอยู่บนบ่า ไรเฟิลขนาดหนักทั้งกระบอกสถานแทบว่าด้ามไม้จะหักแยกออกจากตัวโครงเหล็กของปืนร่างนั้นสะเทือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ไม่ถึงกับเซหรือหันมาสนใจะไรทั้งสิ้นนอกจากการฟัดเบียงเยือในอุ้งขยุมของมันอย่างกับแมวกำลังฟัดหนูก้มต่ำลงชยันอดดตท่านทูตทหารโบกร้องเร็วปรือและเขาก็ไม่มีเวลาที่จะล่าช้าต่อไปอีกแล้ว จะหายของเขาจะก้มหลบหรือไม่หลบก็ตามถ้าคืนช้ากว่านี้ขยินคงไม่รอดแน่จากสภาพที่กำลังถูกขยุ่มฟัดเวียงของไอ้ผีร้ายซึ่งเป็นลักษณะ ข, ของปีศาจผสมกับสัตว์ป่าก่อนที่ปากอันอ้ากว้างของมันจะทันขบลงมากลางกระหม่อมของขยินเชษฐาก็พุ่งปลายลำกล้องไรเฟิลอันเป็นเหล็กกล้าทั้งดุนกระทุ้งเข้าไปนในปากมันมันงับรวบลงมาจริงๆ งับลงมาที่เหล็กลำกล้องปืนนั่นแหละกระดูกฟันหน้าทั้งสองซีกหักกระเด็นก่อนที่จะขบลงบนหัวของขยินด้วยความแรงของอาการขบงับนิ้วของเขาที่แต่พร้อมอยู่ที่ไกลก่อนแล้วก็เหนียวเสียงกระสุนล้มช้างระเบิดสนั่นลั่นโลกในบริเวณดงดึกดำบันใต้โคนไม้นั้นมันดังผิดปกติไปมากเพราะมันอัดเข้าไป ในโพรงปากของสิ่งที่ไม่สามารถจะหาคำจำกัดความได้นอกจากจะเรียกมันว่าเป็นไอ้ไพร่พนผีดิบถูกบังคับด้วยมนกาลีของโคดนรกมันไตรพร้อมๆกับเสียงบึ้มส่วนอันแลเห็นเหมือนศีรษะผีเปรตอสุรกายนั้นก็กระจายว่อนฉีกออกไปเป็นเสียงยงในพริบตาเหมือนเอาลูกระเบิดอัดเข้าไปเหลือแต่กรามและคางส่วนล่างเท่านั้นที่ยังติดก้านคออยู่ นอกนั้นขาดด้วนไปด้วยอํานาจอัดของกระสุนขนาดจุด 4-5-8 ที่พุ่งออกไปขณะที่มันงับปากลํากล้องไว้สองมือที่ขยุ่มกรามของขยินอยู่ปล่อยพึงร่างของนายบ้านหล่มช้างร่วงลงมาอยู่กับพื้นแทบเท้ามันก่อนไอ้ซากที่ปราศจากส่วนหัวยืนนิ่งในลนักษณะมือแผ่กลางแค่กึ่งวินาที แล้วมันก็หงายหลังล้มตึงเหมือนท่อนไม้หรือแท่งหินหักโคนเสียงชา ย, ยานร้องอย่างตกใจเพราะซากใหญ่นั้นล้มฟาดลงมาทับตัวเขาซึ่งกำลังเตรียมจะฟาดมันซ้ำอยู่ความหนักของโครงกระดูกอันมีหนังหุ้มพาเอาร่างของเขาพลอยล้มไปด้วยและบาดนี้ซากของมันก็ทับลงมาบนตัวเขาซึ่งดิ้นตะเกียกตะกายอยู่ภายใต้ พยายามถีบผลักไสมันให้พ้นตัวเขาออกไปเชษฐา ย, ยังไม่สนใจกับชายยานที่กำลังร้องโวยวายอยู่เขาก้มลงหิ้วคอเสื้อขยินขึ้นมาถามละล่ำละละักขยินยังตอบอะไรไม่ถูกได้แต่สะบัดหน้าไปมาอยู่เร่าๆตาเหลือกโพรงเพราะความตกใจและอายอยู่แคกๆอาการชนิดนั้นมันแสดงว่าคนของเขายังไม่ถึงเป็นอันตรายใดๆมากนะท่านหัวหน้าคณะวางไรเฟิลลง จับที่ปลายคางของมันขยายและร้องถามอยู่เช่นนั้นขยินยังไม่ทันจะกล่าวอะไรออกมาได้ไหลขวาของเชษฐาก็รู้สึกเหมือนมีตะขอเหล็กอันเต็มเปด้วยพลังมหาศาลขยุ่มหมับเข้ามาแล้วกระชากร่างของเขาก็หลุดลอยผงะขึ้นจากพื้นในท่าที่กำลังก้มลงประคองขยินอยู่เช่นนั้นราวกบถูกงวงช้างจับโลกที่มืด อ, อยู่แล้วในขณะ น, นี้กลับยิ่งมืดสนิทลงไปอีก สำหรับเชษฐาในใจนึกภาวนาว่านะนะนะคำเดียวเท่านั้นหูก็สะท้อนกล้องด้วยเสียงระเบิดตู้อีกครั้งมันไม่ได้มาจากมือเขาแต่มาจากมือใครไม่ประจักษ์แน่ชัยยานผู้ดินคลุกคลักอยู่ใต้ซากทับหรือว่าขยินผู้กำลังคารสี่เท้าอยู่พื้นแต่มันก็เป็นเสียงปืนจากฝ่ายเขาแน่และดังเผาคนอยู่ใ ก, ใกล้ๆนี้เอง ร่างของตนเองที่กำลังถูกกระชากปลิวไปหลุดจากการเกาะเกี่ยวหรือหิ้วนั้นในทันทีเหมือนกันล้มกลิ้งหลุนๆไปกับพื้นแล้วก็มีเสียงวัตถุนหนักๆล้มตึงลงใกล้ๆตัวไรเฟิลคู่มือพลัดหลุดมือไปแล้วเมื่อตอนก้มลงประคองขยินสิ่งที่เทเถาจะทำได้ในขณะนี้ก็คือกระชากปืนพกสั้นจุดีที่ติดเอวออกมาและายฉายที่คล้องอยู่กับลายก็ถูกตะครุบ กดสวิต์พุ่งสว่างจ้าออกไปคุณพระช่วยรอบด้านในขณะนี้อมนุษย์หรืออสุรกายแห่งมิตรานครเคลื่อนล้อมเข้ามาหมดทุกด้านแล้วแทบจะนับจำนวนไม่ถ้วนจากโคนไม้ใหญ่รอบรอบตัวแต่ละตัวของมันอย่างต่ำๆก็หกฟุตครึ่งแขนยาวเหยียดเต็มไปได้วยอุ้งเล็บเหมือนตีนเหยี่ยวยื่นออกมาข้างหน้า ลักษณะ น, น, นี้มันเป็นลักษณะนนที่เขาเคยผจญภายกันมาแล้วในปราสาทพันทุมวารีในยุคนั้นชายยันกับขยินกําลังหมุนเป็นจังหันอยู่ใกล้ๆเขาทั้งสองทรงตัวขึ้นมาได้แล้วและกําลังเตรียมตัวหันไปตั้งรับชายยันถือไรเฟิลในระดับเอวขยิ น, นั้นกระชากดาบที่ขัดหลังออกมาแล้วเพราะยังงมปืนของตนไม่พบ บัตรนั้นเองเช่ถาก็เพ็นขึ้นมายืนและโดดเข้ามาสมทบหันหน้าเข้าหามันคนละด้านเอาหลังชนกันไว้มีเสียงเท่าไรท่านหัวหน้าคณะก็ตะโกนออกไปชนิดคอแทบแตกจึงบัตรนี้ใน่ามกลางวงล้อมที่ไอ้พวกผีดิบเคลื่อนบีบเข้ามาทุกด้านทั้งสามยืนปากหลักมีหลังชนกันสองไฟฉายจับไปยังฝูงอมนุษย์ที่พลละออกมาจากโคนมารอบตัวเต็มไปหมด เพียงแค่เห็นรูปร่างลักษณะสภาพทรงใบหน้าและการของมันก็แทบจะทำให้คนขวัญอ่อนเป็นลมชักไปแล้วสนุกละสิคราวนี้จเจอเข้าทั้งกองทัพเลยชายยานแผดเสียงตะโกนเอ็ดอึงอย่างบ้านเลือกขึ้นมาแล้วส่วนขยีนกายสั่นเทมิมมือกําดาบแน่นถ้ามันเข้าประชิด ต, ตัวเมื่อไหร่ก็ตะลุมบอลเมื่อนั้นสาหรับเชษฐาคุมสติมัน ในใจภาวนาถึงพระอาหารหันต์เจ้าป้าก็ออกคำสั่งหนักแน่นว่ายิงไอตัวที่เคลื่อนเข้ามาใกล้ที่สุดก่อนและยิงทีละตัวเท่าที่กระสุนเราจะมีขยินปืนของเจ้าอยู่ที่ไหนโตกอยู่โคนไม้ตรงโน้นหน้าใหญ่ขยินยังเข้าไปเอามาไม่ได้มันดักอยู่ตรงนั้นด้วยสองตัวเสียงขยินตอบมาฟังแทบไม่เป็นภาษาคนทางนั้นไม่ต้อง เจ้ายืนอยู่ตรงกลางนี่แหละชยันประโยคหลังเขาร้องเรียกไปทางสหายเหมือนจะเตือนสติพรอ้อมไม่ต้องห่วงเชษฐาคุมสติให้ดีเชื่อเถอะมันไม่กล้าเข้าประชิด ต, ตัวเราในขณะที่เราพร้อมและรู้ตัวอย่างขนาดนี้ร อ, อยะด่ า, ดาอย่าพรุษสว่า ท, ทำหยาบระลึกถึงพระพุทธคุณเข้าไว มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะดูสมจริงตามที่เชษฐาเตือนสติสหายของเขาอยู่เหมือนกันเพราะเจ้าเหล่าอสุรกายที่โผล่เป็นเงาทมึนเคลื่อนเหมือนจะบีบล้อมตรงรี่ดานหน้าเข้ามาเหล่านั้นเคลื่อนเข้ามาอย่างช้าๆไม่ได้จู่โจมรวดเร็วใดๆทั้งสิน้นแม้จะมีมือที่ยื่นเหยียดออกมาเหมือนจะเตรียมประทุษร้ายก็ตามและเมื่อเชษฐาและชัยยันยกปืนขึ้นจ้องตามแนวไปฉาย พวกมันทั้งหมดก็พากันหยุดยืนล้อมไว้เฉยๆระยะของเจ้าตัวที่ใกล้ที่สุดซึ่งเป็นร่างอันขาดวินกระรุ่งกระริ่งมากที่สุดห่างจากทั้งสามร่วมสิบเมตรสำหรับเจ้าสองตนที่ถูกปืนลงอำนาจพระพุทธคุณไปก่อนแล้วโดยตัวแรกที่เล่นงานขยินและตัวที่สองจู่เข้าเล่นงานเชิฐาทางเบื้องหลังคงนอนสนิทนิ่งเป็นท่อนไม้แข็งทื่ออยู่ตรงที่เดิมของมัน ไม่มีท่าทีว่าจะกระดดกกระเทียดได้อีกต่อไปกำลังใจของเชษฐาและชัยยันเริ่มดีขึ้นในบัดนั้นต่อให้มันเป็นซากไม่มีชีวิตเลือดเนื้อเพียงแต่เคลื่อนไหวและสามารถทำการร้ายได้ด้วยเวทมนตร์การลีที่เข้าบงการบังคับมันก็สูญเสียสิ้นฤทธิ์ไปได้เหมือนกันยามเมื่อเจอเอาลูกปืนลงอาคมชั้นสูงเข้าแม้เพียงแค่สกิด ลองดูอีกสักตัวเป็นไงว่ามันจะหงายพึ่งสิ้นฤทธิ์ไปเหมือนไอสองตัวนี้่ไหมชายยันกระซิปรอดไรฟันออกมาไม่จําเป็นก็อย่าพึ่งเปลืองกระสุนเห็นไม่ว่าตอนนี้มันหยุดแล้วไม่กล้าเคลื่นเข้ามาอีกแล้วมันมายืนล้อมเราอยู่ทําไมคุกคามขู่เข็นทําสงครามจิตวิทยากับเรายัางไงละ่ะถึงกระสุนเราจะศักดิ์สิทธิ์จริงล้มมันได้ตัวละนะัดแม้แค่ถาก แต่เราก็มีกระสุนติดตัวมาจํากัดนะพวกมันกุ้มมากเหลือเกินถ้ามันล่อพวกเรายิงจนหมดกระสุนเท่าที่มีติดตัวกันอยู่ในขณะ น, นี้เราจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องต่อรองคุ้มครองได้อีกเลยขณะที่กระซิบต่ำๆเชาถาพยายามใช้ไฟกลาดไปยังอสุรกายเหล่านั้นเขาประสงค์จะได้เห็นซากนะักลบตัวที่มันตรายเข้าสิงอันเป็นตัวนาขบวนอยู่และบอกกับตนเองว่า ถ้ามันยืนรายล้อมอยู่ในกลุ่มไอ้พวกผีร้ายบริวารเหล่านั้นก็จะระเบิดกระสุนเข้าทำลายร่างนั้นทันทีเพื่อกำจัดซากอันสมบูรณ์และแข็งแรงที่สุดซึ่งมันอาศัยสิงสู่นั้นลงเสียไม่มีวี่แววของซากนักรบตัวที่มันไตร่เข้าสิงให้เห็นในแสงไฟฉายอันสว่างจ้านั้นเลยมันฉลาดพอที่จะหลบไม่ปรากฏตนออกมาเป็นเป้าลูกปืนโดยง่ายแต่ละซากที่รายล้อมอยู่ในขณะนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นราที่ไม่สมบูรณ์ทั้งสิ้นบางตนแขนขาดด้วนอยู่เพียงครึ่งบางตนไม่มีฝ่ามือและบางตนก็มีใบหน้าที่พังหายไปแถบหนึ่งล้วนเป็นซ้าที่ผุพังเสียเป็นส่วนมากเหมือนที่เป็นการส่งไพรพลลิ้วล้อชั้นเลวที่ไม่ประสงค์จะใช้งานแล้วให้มาหลอกล่อหรือหลอกหลอนคุกคามขวัญเท่านั้นมิจารณาเห็นเช่นนั้นแล้ว เชษฐาก็ตรหนักได้ทันทีว่าถึงยิงทำลายออกไปก็ไร้ประโยชน์เว้นแต่มันจะปรีเข้ามาโจมตีประชิดตัวเท่านั้นแต่บัดนี้ยาเมื่อพร้อมและปากหลักตั้งรับมันก็หาบางอาจปรีเข้ามาใกล้ตัวไม่มันไตรแล้วเชษฐาก็ตะโกนกล้องออกไปยังซากผีดิบอันยืนไม่ผิดอะไรกับเปรตแกเข้ามาขอส่วนบุญเหล่านั้น เจ้าหลบอยู่ที่ไหนทาไมถึงไม่โผล่ออกมาอะไรเป็นจุดประสงค์ของเจ้าก็บอกมาได้ขอจะได้มาติดตามรังควานจองล้างจองผ่านอ ย, อย่างนี้เลยคาดเสียงของเชิฐาก็มีสำเนียงหัวร้อแหบต่ำแแววออกมาจากที่ใดที่หนึ่งเหมือนจะอยู่ตรงหน้านั่นเองแต่มองไม่เห็นตัวแล้วภาษาพูดชนิดหนึ่งก็แวววตอบความมามันเป็นภาษาอะไรท้งเชิฐา ชายันและขยินไม่อาจบอกได้ทว่าก็สามารถเข้าใจได้ดีที่สุดเป็นความเข้าใจทางจิตและสมองมากกว่าทางส่วสัมผัสตัวอยู่ใกล้ๆพวกสูนี่เองตามติดมาตลอดหาห่างไกลไปจากพวกสูไม่พวกสูทุกคนจกต้องพินาศไม่มีผู้ใดรอดกลับไปได้แม้แต่ไอพรานทรนง์ที่ล่วงหน้ามาก่อนพวกสู มันก็จะต้องพินาศย่อยยับไปเช่นกันตูรอคอยวารานี้มาโดยตลอดที่สุดพวกสู๋ก็หวนกลับมาอีกจนได้ตูยินดียิ่งนักเชษฐาคนลูกสู้ใช้สอกกระทุ้งสกิดไปที่แขนชายยานผู้ยืนเตรียมพร้อมอยู่ข้างๆกระซิบว่าแกได้ยินฟังแล้วเข้าใจเหมือนอย่างที่ฉันเข้าใจนี่บ้างไหมฉันคิดว่าฉันได้ยินชัดเจนดีที่สุด และเข้าใจทุกท้อยกระทงความทีเดียวแม้จะไม่รู้ว่ามันเป็นภาษาอะไรก็ตามพูดกับมันต่อไปเชียถาให้มันโต้อตอบเรามาล่อให้มันพูดหรือส่งสัญญาณจุดประสงค์ของมันมาให้เรารู้ได้มากที่สุดสหายของเขากระซิบตอบอดีตท่านทูตทหารโบกระงับสติอารมณ์ให้เป็นปกติและมั่นคงที่สุดเขาพูดด้วยเสียงประกาศก้องต่อไปว่าบันไต เจ้าจะจองล้างจองผรานพวกเราไปถึงไหนขอให้เรามาอาโหสิกรรมให้แก่กันและกันเถิดมันจะได้สิ้นสุดกันลงเพียงในชาติภพนี้เราขอแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าอย่าให้มีเวรภัยอย่างใดต่อกันอีกเลยสำเนียงหัวเราะเย้ยหยันดังแว่วมาอีกฟังดูมันกระหึ่มก้องแทรกไปทุกอนูของบรรยากาศในภาวะเช่นนี้ แต่บริวารผีร้ายอันเป็นมัมมี่คำนวณอายุไม่ได้เหล่านั้นพากันยืนสงบนิ่งอยู่กับที่ตามตำแหน่งต่างๆที่เปลออกมาในลักษณะรายล้อมไว้เช่นนั้นเป็นภาวะที่ต่างฝ่ายต่างคุมเชิงไม่มีการโหสิกรรมใดๆระหว่างตูกับพวกของสูและขอให้รู้เถิดว่าดวงจิตของตูมันไตรผู้นี้เป็นอมะตะ ต่อให้พวกสูรทำลายร้างเหยียบย่มหมินยามตูไปครั้งหนึ่งแล้วก็ตามคำพีมายาวินพวกสู้ทำลายได้พันธุ์ธมดีและวิญญาณอันเป็นธาตุบริวารของตูทั้งหลายพวกสูรปลดปล่อยเป็นอิสระได้และแม้ซากเดิมของตูพวกสูรก็เคยทาลายย่อยยับไปแล้วแต่จิตวิญญาณของมันไตรยยังอยู่อยู่เพื่อคอยชาระแค้นที่พวกสูรทำกับตูไว้ในครั้งนั้น และเหยนนึกว่าตูจะหวาดหวั่นพรั่นพรึงใดๆต่อเวทมนต์อาคมใดๆของพวกสูรราตรีนี้อุบัติภัยใดๆที่เกิดขึ้นกับพวกสูย่อมประจักษ์ดีแล้ววาระสุดท้ายของพวกสูทั้งหมดกําลังใกล้เข้ามาแต่และประโยคของคำพูดนั้นทำให้ผู้ฟังเย็นตั้งแต่เส้นผมลงไปถึงปลายเล็บเทา้าชายันแยกเขี้ยวตะโกนสูนออกไปว่า อ้าวทางนั้นก็เหมาะไปมัวซ่อนเร้นหลบหัวอยู่อย่างนั้นทำไมแน่จริงโผล่ออกมาให้เห็นสิวะซู้จะเห็นตูได้จะแจ้งเต็มตาเมื่อมรณกรานเข้ามาใกล้ถึงและจะได้เห็นไปทีละคนไอ้ขี้คลาดไอ้ผีนรกที่เก่งแต่จะรอบกัดชายยานแผดเสียงกล้องไปทั้งความเงียบด้วยโทสะฮึดฮัดขยับจะลั่นกระสุนเข้าไปยังหมู่บริวาของพวกมัน ที่ยืนเป็นท่อนหินดักอยู่เป็นจุดๆแต่เชษฐาใช้ศอกกระทุ้งปราวอีกเชิงให้สงบปากเสียงเสียและอดีตท่านทูตทหารโบก็พยายามใช้หลักการทูตอย่างเต็มที่น้ำเสียงของเขาเรียบราบเป็นปกติและอยู่ในแนวทางออมชอมประนีประนอมมันตรยัยฟังเราให้ดีนะโดยแท้จริงเราทั้งสองฝ่ายไม่เคยเป็นศัตรูคู่แค้นใดๆกันมาก่อนเลย อดีตที่ผ่านมานั้นเจ้าเป็นฝ่ายก่อกวนราวีเราก่อนและฝ่ายเราก็เพียงแค่ป้องกันตัวเท่านั้นเรายอมรับว่าวิญญาณของเจ้าเป็นอมตะและเต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์อันใดก็ตามในอดีตที่ผ่านมาถ้าหากเจ้าถือว่าเป็นการทำลายร้างหรือหมินยามเจ้าเราก็ขอบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือเจตนาเลยเพราะเราต้องป้องกันตนเองตามธรรมชาติวิสัย และเราก็พร้อมที่จะสมาทธทษแก่เจ้าน่าจะมีข้อตกลงกันได้ระหว่างเรากับเจ้าขอเพียงให้สึกครั้งนี้สุดสิ้นลงเพียงแค่นี้เถิดเรามีภาร ก, กิจที่จะต้องกระทำไม่ใช่มาบัวคอยก่อดสึกเป็นศัตรูคิดจองล้างจองผลอะไรกับเจ้าอยู่และขอให้รู้ไว้เถิดว่าเราไม่ประสงค์ที่จะเป็นศัตรูคู่แค้นอาฆาตใดๆกับเจ้าอีกเลย จอมผีดิผู้ขมังเวทอันมีอดีตเป็นมหาปุโรหิตแห่งนิทรานครในยุค ก, กี่กับกี่กันมาแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาพิสูจน์ได้บัดนี้เสียงเจราจาของมันสงบนิ่งไปชั่วขณะเชษฐาร้องบอกต่อไปด้วยน้ำเสียที่อ่อนโยนเป็นมิตรว่าเจ้าได้ยินถ้อยคำเราแล้วใช่หรือไม่ระหว่างเราและเจ้าจงมาทําความเข้าใจและตกลงกันโดยสันติเถิดขอให้เข้าใจอีกครั้งว่า เราไม่ได้มาเพื่อล้างผานราวีอะไรเจ้าอีกเลยยกเว้นจะได้ทำอะไรลงไปบ้างแล้วก็เพื่อเฉพาะการป้องกันตัวเราเองเท่านั้นสูปเป็นผู้ที่ฉลาดเลิศไปด้วยสติปัญญาอีกทั้งมีวาจาเจริญโสดโดยอาการถมแต่ตูก็ตระหนักว่ามันแฝงซ่อนไปด้วยเลสไนมันตรายประกาศมาแหบห้าแส้งถึงไหวพริบปฏิพันเยี่ยมยอด ผิดไปกว่าพวกปีศาจอสุรกายหรือวิญญาณชั่วราที่ล่องลอยอยู่ทั่วๆ่วไปมีความเป็นเอกภาพของตนเองนอกเหนือกฎเกณฑ์ของผู้ทั้งหลายและน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้มันหลีกหลบออกมาพ้นจากอำนาจของโยมราชอันเป็นเจ้าแห่งพูดผีปีศาจ ท, ทั้งมวลได้ซึ่งไม่เคยปรากฏบันทึกไว้ในพระคำพีหรือพระไตรปิฎกฉบับใดทั้งสิ้น พระอริยะบุคคลผู้ดื่มดำแล้วซึ่งรสพระธรรมจตุสัตว์อันประเสริฐสำเร็จผลลุล่วงเข้าไปสู่ความเป็นอรหันต์แต่เจ้าปุโรหิตทุศีลทว่าบากบันภาคเพียรศึกษาอยู่ในเวทมนตรีตยาอาคมอันขลังฉะนไหนจึงสามารถสำเร็จผลไปอีกอย่างหนึ่งในทางตรงข้ามคือเป็นพยามานผู้มีมหิทธิฤทธิ์ในด้านอุบาทกาลี และกลายเป็นดวงจิตหรือพลังงานล่องลอยอยู่อย่างเป็นอิสระมีสภาพเป็นอมตะในทางชั่วร้ายอยู่ได้เช่นกันสิ่งนี้เชษฐากำลังใช้ความพินิจใกร้ครวญอย่างหนักแต่ถึงอย่างไรกำลังใจของเขาก็มั่นคงแน่วนิ่งไม่สะทกสะเทือนใดๆทั้งสิน้นเพราะเชื่อมั่นว่าอำนาจเบื้องสูงย่อมมีอนุภาพอยู่เหนืออำนาจเบื้องต่าอย่างแน่นอน พระอรหันตุพระองค์ที่อัญเชิญลงมาประทับอยู่รอบกายในขณะนี้มีหรือที่จะปล่อยให้สิ่งอันต่ำช้าชั่วร้ายเข้ามาทําอันตรายเขาได้แม้ว่ามันจะมีฤทธิ์เดชเกรียงไกรสักเพียงใดก็ตามเราเป็นผู้มีสัจจะมันตรายเขาตอบออกไปเช่นนั้นสูจะปฏิบัติตามในสิ่งที่ตูประสงค์ได้หรือไม่จงบอกมาว่าเจ้าต้องการอะไร ชายันแอบสกิดกระซิบมาว่าหวังว่าคงไม่ถึงกับจะต้องเปิดแชมเปญเลี้ยงรับรอในการเจรจาครั้งนี้นะฮูปปากชายันเขาเหยียบเท้าสหายปากเปราะเอาไว้เราจะปฏิบัติตามในสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้ฉะนั้นจึงขอทราบข้อเสนอของเจ้าตู้จะปลดปล่อยสูพ้นออกจากห่วงจองเวรจะระ ง, งับศึกลงเพียงแค่นี้ ถ้าสูนากาลังคนของสูที่เหลืออยู่ทั้งหมดกลับออกไปเสียกลับออกไปสู่โลกสว่างภายนอกเป็นเสียงบอกกล่าวมาอย่างแช่มช้าของมันตรผู้มองไม่เห็นตัวก่อนการตกลงในข้อนี้เจ้ารู้ดีอยู่แล้วว่าพวกเรามาร้วยกัน16ชีวิตกนะคืนนี้ได้สูญหายไปแล้วสมชีวิตเรายังไม่รู้ว่าตกไปอยู่ที่ไหนด้วยอานาจเล่กินของเจ้า คนแรกคือน้องสาวของเราซึ่งสูญหายไปนในทันทีที่น้ําพัดลงมาอีกสองคนต่อมาเป็นน้องชายและพรานเท่าผู้นําทางเจ้าตรงคืนบุคคลที่สูญหายไปทั้งสามให้แก่เราก่อนในสภาพที่ปลอดภัยเรียบร้อยที่สุดแล้วเราจึงมาตกลงกันในเงื่อนไขอีกครั้งเชษฐาต่อรองอย่างฉลาดก่อนอรุณรุ่งน้องชายผู้โอหังและพรานเท่าผู้มีวิทยาคม เพียงแค่กระเพาะกลิ้นของสูจะกลับคืนไปสู่สูเองตูจะปลดปล่อยให้แล้วน้องสาวของเราล่ะเชษฐาพยายามใจเย็นหลอกล่อเต็มที่มีเสียงหัวเราะแหบต่ำดังมาอีกครั้งแม้จะบังคับจิตใจให้เป็นปกติมั่นคงที่สุดแล้วเพียังไรก็ตามทั้งเชษฐาและชายยันไม่วายสบัด ร, ร้อนสบัดหนาวสตรีผู้นั้นไม่ได้ชาติพบนี้ จะเกี่ยวพันเป็นน้องของสู๋ก็จริงแต่อดีตชาติปางบันนางมีพันท้าผูกพันอยู่กับตูดางคือจิตรังขนางเชษฐภักินีของพันธุบดีที่พวกสู๋ปลดปล่อยไปแล้วในครั้งนั้นเมื่อสู่แย่งชิงปลดปล่อยพันธุบดีไปให้พ้นจากอำนาจของตูก็ต้องคืนจิตตรังคขนางมาให้แกตูเป็นการชดเชยมอบนางไว้ให้แกตูเถิด นี่คือข้อแรกเปลี่ยนแล้วพวกสู๋ก็จะได้กลับคืนไปโดยสวัสดีภาพจิตตรางคนางเชษฐาชัยยันพุธานออกมาพร้อมกันอย่างตลึงพรึงเพลิดจิตตรางคนางผู้กลับชาติมาเกิดเป็นน้องสาวของสู๋ในภพนี้และนางนั่นแหละเป็นผู้ที่กลับคืนมาถอนกฤิที่ปากไว้บนคำพีมายาวินใต้แทนบันทมของพันธุมบดี เป็นการช่วยปลดปล่อยคณิษฐาให้พ้นจากเนื้อมือตูไปด้วยจิตผูกควันที่มีต่อกันโดยที่นางเองก็หารู้ตัวไม่ฉะนั้นเมื่อช่วยน้องสารุดรอดไปได้แล้วพี่สาวก็จะต้องมาทดแทนและตูก็รอจิตตรางคนางมาหลายชาติหลายภพแล้ว